ช่วงเวลาแห่งวรรณกรรมจีนต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ชุดสองกังจากบทประพันธ์ของซื่อในอันแปลโดยอาจารย์จรัสชัยเชี่ยวยุทธวันนี้เสนอถึงตอนที่แปสิบสองมีชื่อตอนว่าป้อมค่ายบนเขาเลี้ยงซานเลนหลังข้าวของส่งเจียนกับสมัรพักพวกได้นิรโทษกรรม คืนนั้นเย็นชิงไม่กลับบ้านนางหลี่ซื่อซื่อก็ให้นึกเอะใจพอเช้าวันต่อมาคนใช้คนสนิทของจอมพลเกา่าก็นำอาหารไปให้เสีย่ยวหลางกับเยโ่โหก็พบแต่ห้องว่างเปล่าจึงรีบออกมาแจ้งให้พ่อบ้านทราบ พ, พ่อบ้านออกค้นหาไปจนทั่วสวนก็พบแต่เชือกสองเส้นมัดทิ้งเอาไว้กับใต้ต้นหลิวส่วนตัวเฉลยล่องหนละเห็ดหายไปไหนซะแล้วก็ไม่รู้จึงไม่มีทางอื่นจาต้องเข้าไปรายงานจอมพลเกา่า พอทราบข่าวที่น่าตกใจเช่นนี้จอมพลเก่าก็ยิ่งหดหูเข้าไปใหญ่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านอ้างว่าป่วยหนะักเช้าวันต่อมาองค์อธิปัตย์รัทิตเตาเสด็จออกวาราชการตั้งแต่ยามห้าขึ้นประทับเหนือบอลลังบนพระที่นั่งจารีตประเพณีและบารมีธรรมท่ามกลางหมู่เสนาอมาตย์ที่เฝ้าแหนกันเนืองแน่นทั้งขุนนางฝ่ายทหารและพะเรือนมาพร้อมกันหมดแล้วหรือพระองค์ทรงตรัสถาม พวกเขามารอเข้าเฝ้าพระรเรือนแยกอยู่ฝั่งซ้ายนายทหารอยู่ฝั่งขวาพระเจ้าค่ะสมุหราชัพิธีกราบทูลพระเจกระพัดบัญชาให้เปิดม่านหน้าบัลลังก์ตรัสสั่งถงกวนองคมนตรีฝ่ายกิจการทหารให้ก้าวออกมาข้างหน้าถงกวนว่ายังไง กองทัพปราบโจนหนึ่งแสนคนที่เจ้าํำไปรบที่เหลียงซานปาะชนะหรือแพ้ประการใดฮะพระองค์เริ่มสักไสถงกว่านคุกเข่าและกราบทูลว่าอหาใช่เพราะใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทไม่พยายามจนถึงที่สุดแล้วก็หาไม่พระเจ้าค่ะเออเป็นใจช่วงนั้นกลางหน้าร้อนใครคนไม่คุ้นอากาศและสภาพแวร้อมล้มป่วยลงไปเป็นอันมากตายไปเกือบสามในสิบ เมื่อกองทัพร่อยรอลงข้าพระองค์จึงต้องนำทัพกลับมาเสริมกำลังใหม่แ้ก็ให้โชคร้ายเหลือดีก็เพราะร้อนอนขากลับทหารเล่ตายไปอีกเครื่องหนึ่งพระองค์ทรงมีบัญชาให้จอนพวกนั้นสวามิภักดิ์แต่ด้วยโอหังตังอาจพวกมันไม่ยอมพรือเจ้าค่ะต่อมาจอมผลเก่ากิ้วเต้ากองทัพเรือออกไปไล่ตามแต่ก็ป่วยไข้จนต้องกลับมาอีกอุ้ยไอเสนาบดีขีช้อ ไอ้คนสาการที่มึงไม่พูดความจริงรู้ไหมเหลรอว่าทำให้แผ่นดินเสียหายใหญ่หลวงนะเป็นไปได้ยังไงวะแพ่รบกันสองสามคนพวกโจนก็ทำลายกองทัพหลวงสักจนป่นไปี่แล้วไอ้บัดซพเก่ากิว้วหลังจากขลุ่เงินทองและสเสบียงอาหารของทางการไปนักต่อ น, นักเอาเรือรบแหละให้ผลไปผานซื้อไปจำนวนอีกอโขตัวเองยังถูกโจรมันจับขึ้นเขาเอาไปไปเเลยแทนที่จะถูกฆ่าแกง ส่งเจียงกับลูกน้องยังปฏิบัติต่อยังมีแม่ตาปรานีแล้วปล่อยให้กลับมาคำพูดของกูถูกลบลูกลายเป็นของเล่นให้เขาเยาะหันใหญ่ไัยเฮ <Hey! S 1> กูได้ยินว่าส่งเจียงกับคนของเขาไม่เคยคิดทําลายการปกครองในท้องที่หรือทําร้ายปวงอนณาประชาชีให้เดือดร้อนพวกเขารอก็แต่อภัยโทษจะได้หวนกลับมารับใช้แผ่นดินขุนนางอย่างมึงเอาแต่อิจฉาทิษยาคนดีมีฝีมือ ช่วยกันปกปิดความจริงช่างต่ำช้าสินี่กะไรไอองคมตรีฝ่ายกิจการทหารทุยมึงมันน่าจะละอายแก่ใจบ้างกูควรจะประหารมึงแล้วให้กับไพ่ฟ้าแต่คราวนี้กูจะอาไพ่มึง ห, หนึ่งก่อนฮี่พระจกักรพรรดิทรงตวาิไล่ถงกวนให้ถอยไปองคมตรีจึงรีบลาดถอยออกไปข้างๆอย่างเงียบ และพระองค์ก็ตรัสเรียกบรรดาราชบดิตสภาหั่นหลินเข้ามาปรึกษาจงเตรียมพระราชกิตสันิกาส่วนพระองค์ให้เสนาบดีผู้ใหญ่เป็นผู้ถือหนังสือฉบับนี้ไปสั่งการให้ทรงเจียงกับพรรคพวกให้กลับลงมาเสียจากเขาเหลียงซานจอมพลสูยหยวนจริงสืบเท้าออกมาข้างหน้าคุกเข่าลงหน้าราชบัลลังก์แล้วเอ่ยขึ้นว่า ถึงข้าพระองค์จะไม่มีความสามารถใดๆแต่ก็เต็มใจไปพระเจ้าค่าองค์อธิกาัไทยทรงยินดียิ่งนักเราจะเขียนหนังสือฉบับนี้ด้วยตนเองพอดำรัดเช่นนั้นก็บัญชาให้เอาโต๊ะทรงอักษร อ, ออกมากลางกระดาษออกหลังจากทรงอักษรเสร็จก็ตรัสเรียกพระราชลัชยกรทรงประทับกำกับลงไปในกระแสะรับสั่งฉบับนั้นพลงรับสั่งให้พระคลังเบิกทองคำสามสิบหกแท่งและเงินอีกเจ็สิบสองแท่ง ตีเป็นแผ่นสุพรรณบัตรและหิรัญยบัตรผ้าต่วนแดงสามสิบกม้วนผ้าต่วนเขียวอีกเจ็สิบสองม้วนและสุราตราเหลืองของหลวงอีก108หนึ่งรยแปดไหมอบไว้ให้กับจอมพลสูแล้วส่งพระราชทานผ้าพื้นอีกยีบสี่ม้วนให้จอมพลสูเอาไปทําเสื้อคลุมบุนวมติดธงทิวและป้ายผ้าที่ใช้แห่แหนไปในขบวนพระราชทานอภัยโทษปักอักษรทองแล้วทรงกําชับให้ออกเดินทางไปโดยไวในวันรุ่งขึ้น จอมพลสูถวายบังคมลาลงจากพระที่นั่งจารีตประเพณีและบารมีธรรมราชสำนักปิดบรรดาขุนน้ำขุนนางหมู่เสนาอำมาตย์ก็ถวายบังคมลาถงกวนองค์มนตรีฝ่ายกิจการทหารลาดถอยกลับจวนไปเงียบๆด้วยความอับอายไม่กล้าอยู่เฝ้าแหนตามเช่นปกติแซงทําทีเป็นป่วยไข้พอจอมพลเก่าจิ๋วทราบข่าวก็ตัวสั่น ง, งินงกไม่กล้าเข้าเฝ้าอีกเช่นกันจอมพลสูรเอาสุราหลวงและของกํานันต่างๆใส่ตะกร้า ให้คนหาบขึ้นม้าแล้วจากไปบรรดาขุนน้ำขุนนางพากันไปรอทําพิธีส่งที่ประตูหนามสุนขบวนก็เคลื่อนไปทางจี้โจโบกธงทิวที่ปักอักษรทองปริวสวัยขณะเดียวกันเยยนฉิงใต้จงเซี่ยวร้างและย้ยโหก็กลับไปถึงป้อมค่ายรายงานตัวต่อส่งเจี้ยงและหัวหน้าโจน้อยใหญ่เ ย, ยนฉิงเอานังสือพระราชทานอภัยโทษที่ทรงด้วยลายมือส่วนพระองค์ของตัวออกอวด ขาวดีต้องมาถึงในเร็ววันนี้แน่แน่กูยงเอ่ยขึ้นส่งเจียงจุดทูปอย่างดีเอาตำราที่ได้รับพระราชทานจากเจ้าแม่นพสวรรค์ออกมาบรรจงทูลขึ้นเหนือกล้าวแล้วสวดอ้อนวอนพอเสียงเซียมซีติวสุดดีก็ปรากฏสำเร็จแน่แน่ฮ่า่ส่งเจียงอุทานขึ้นแล้วหันมาขอให้ใต้จงและเหยนฉิง กลับเข้าเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วรายงานกลับขึ้นมาโดยไวเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมการแต่เนิ่นๆไม่กี่วันต่อมาทั้งสองก็กลับมารายงานรายงานพี่ใหญ่ซ่องเจี้ยงพระจักกพัฒม่อกพิจอมพนสูถือพระร่มราชสงการมาท่านจอมพนยังได้น้ำสุราหลวงป้ายเงินป้ายทองพระแพต่วนทั้งเขียวทั้งแดง และผ้าพื้นสำหรับตัดเสื้อคลุมบุดนวมอีกจานวนหนึ่งท่านใต้เท้ากรุณากำลังเดินทางมาอ่านประกาศนิรโทษกรรมและก็คงมาถึงในไม่ช้านี้แล้วขอรับท่านพี่ใหญ่ทรงเจียงที่หอธรรมภักดีปลื้มปิติไปล้นพ้นร้อนรนออกคำสั่งให้เตรียมการเป็นทิจ่าละวันให้คนไปตั้งที่พักสมกันแดดตามเส้นทางจี้โจมายังบึงเหลืยงสารยแห่งทุกซุมประดับประดาทงทิว มีวงโมโหรีปีพาดระดมนักดนตรีจากบริเวณรอบๆมากำกับบรรเลงรับขบวนที่จะมาแต่และแห่งให้ในายโจนระดับรองเป็นคนรับผิดชอบส่วนคนอื่นๆถูกใช้ให้เข้าไปซื้อหาผลไม้ของขบเคี้ยวเหล้าและกับแกลมจอมพลสูและขบวนติดตามพากันลัดเลาะมายังเมืองเหลืองซานพร้อมด้วยพระบรมราชองการอภิยทษทั้งหมดมาถึงเมืองจี้โจ้ข้าหลวงจางสู้เย่อออกมารับ พากลับเข้าไปพักยังเรือนรับรองของรัฐบาลในเมืองพรางชูจอกสุราต้อนรับขึ้นอย่างนอบน้อมสองครั้งแล้วที่ราชสำนักทรงนิรโทษกรรมมาให้แต่ก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องเสียหายร้ายแรงกลับมาถึงสองครั้งสองคราก็ด้วยว่ามอบหมายใช้คนผิดท่านจอมพลขอรับขบวนของใต้ท้ากรนาต้องได้ผลเป็นที่สำเร็จอย่างแน่นอน เมื่อไม่นานมาเนี้นะองค์อธิกเจ้าทรงสดับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เลียงสารปาะประพฤติตนอยู่แต่ในหลักคุณธรรมน้ํามิตรเป็นปฐมพวกเขาไม่ปรนส d มทางการสังหารพลเมืองดีมุ่งแต่จะปฏิบัติตามบรญชาฟ้าพระองค์จึงโปรดให้ข้ามาพร้อมกับกระแสรับสั่งนำหนังสืออภัยโทษมาให้บวกกับของกํานันเป็นเงินเป็นทองตีเป็นเหตุอัยบัตสิบสองป้ายเงินตีเป็นสุพรรณบัตอีกสาสิบกป้ายทอง ผ้าตวนแดงสามสิบหกม้วนผ้าตวนเขียวเจ็สิบสองม้วนสุราหลวงตราเหลือง108หนึ่งร้อยแปดไหและผ้าพื้นยี่สสี่ม้วนสำหรับตัดผ้าคลุมและโกนวมท่านคิดว่าของกำลังขนาดเนี้ยจะน้อยไปหรือไม่เออสำหรับคนเหล่านี้ข้าวของไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดดอกขอรับพวกเขาใครจะกลับไปรับใช้บ้านเมืองสร้างเกียรติภูมิให้กับลูกหลานท่านจอมพลขอรับ หากว่าท่านไต่เท้ากรโนนาจะมาสิแต่นั่นเนินแผ่นดินของเราคงไม่ต้องเกิดความเสียหายสูญเสียทั้งใครผลสกลุลไกลสิ้นไปทั้งข้าวของเงินทองและสเสบียงกลังร้ายแรงถึงดังนี้ทันทีที่คนเหล่านี้กลับสู่ทานองครองทำพวกเขายังจะสร้างสรรค์ชื่อเสียงถาวายเป็นราชพรีเป็นแม่นมันเออถ้าอย่างนั้นวานท่านข้าหลวงล่วงหน้าขึ้นไปยังค่ายแห่งนั้น แจ้งให้พวกเขาคอยรับเสด็จพระรมงราชองการสักหน่อยส่วนข้าจะคอยอยู่ที่นี่ก่อนขอรับใต้เท้ากรุณ า, า, า, า, าข้าหลวงจางรีบขึ้นมา้าออกจากเมืองไปพร้อมผู้ติดตามสิบกว่าคนพอไปถึงเชิงเขาก็พบกับหัวหน้าโจระดับรองที่รีบรายงานขึ้นไปยังค่ายซ่งเชี้ยงกระวีครวาดลงมาพาข้าหลวงจางกลับไปยังหอธรรมภกดีข้าหลวงจางเอ่ยขึ้นว่า ข้าน้อยขอแสดงความยินดีด้วยขอรับพระองค์จกกักรพรรดิ ท, ทรงรับสั่งให้จอมพลสูอันเชิญพระราชสารพยโทษที่ทรงโปรดเขียนด้วยลายมือพระองค์เองมาพร้อมกับของกำนันมีค่ามากมายท่านจอมพลมารอท่านอยู่ที่จี้โจแล้วท่านผู้กล้าโปรดเตรียมรับพระราชโองการได้เลยขอรับยกนิ้วขึ้นแตะคิ้วอันเป็นเครื่องหมายแสดงความยินดีเป็นล้นพ้นทรงเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่า ในที่สุดพระองค์ก็ทรงโปรดประทานชีวิตใหม่มาให้พวกเราและเชิญข้าหลวงจางอยู่รับประทานอาหารเย็นแม่ข้าเองก็ใครจะอยู่ดอกแต่หากกลับช้ากู้ท่านจอมพลจะรอท่านนะสิเอออย่างน้อยก็ดื่มกันสักหน่อยนะขอรับแล้วรับสิ่งเล็กๆนน้อยนี้ข้าน้อยไม่กล้าเรียกว่าของกำนันว่าพลางส่งเจีย้ยนกเอาเงินและทองใส่ถาดยื่นให้ โอ้ข้าไม่กล้าข้าไม่กลา้าของเล็กๆน้อยๆเหตุฉะไหนยญยต้องปัดแค่นี้ไม่ควรข้าจะตอบแทนพระคุณใต้เท้าด อ, อกขอรับแต่โปรดรับไว้เป็นการแสดงน้ำใจทันทีที่ทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นพวกเราจะคิดการให้เป็นที่เหมาะสมต่อไปแม่ข้าสาบซึ้งในจิตเจตนาที่ดีของท่านนักแต่โปรดฝากเก็บเอาไว้ที่นี่ก่อน ข้าจะย้อนมาขอรับเอาไปในภายหลังข้าหลวงจางนั้นเป็นคนไม่กินสิงบาทขาดสินบนเรียกร้องตอนเองอย่างเข่งงวดทรงเจียงจึงสั่งขุนพลบูยงจูบูอีกทั้งเสี่ยวหลางและย้้ยโหให้คุ้มกันข้าหลวงจางกลับไปพบจอมพลสู่ที่จี้โจกำ <c oughs> หนดไว้ว่าวันพรุ่งขุนหน้าทั้งหมดไม่ว่าเล็กว่าใหญ่จะต้องออกไปรับขบวนแห่พระราชโองการห่างจากตัวค่ายสามสิบลี้ ปูหยงกับพวกเดินทางฝ่าค่ำคืนกลับไปส่งข้าหลวงจางอย่างจี้โจและคอยอยู่จนถึงเช้าเพื่อเข้าพบจอมพลสูยังเรือนรับรองของทางการทั้งหมดคุกเข่าเข้าเต่าลงกับพื้นและหมอบราบอยู่อย่างนั้นจอมพลสูสั่งให้ลุกขึ้นนั่งเก้าอี้ทั้งหมดตอบว่าไม่กล้าจอมพลสูจึงแต่ถามชื่อแท้ข้น้อยมีนาว่าปูหยงขอรับที่ปรึกษาทางทหารของฝ่ายโจรตอบ ส่วนคนเหล่านี้คือจูผูเสียวรังและแยะโ้โหดพี่ใหญ่ส่งเกียงส่งพวกเรามากราบต้อนรับพะนท่านโอ้ไม่ใช่คุณชายวูดอกหรือไรดีใจที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลายปีแล้วนะตั้งแต่คราวที่จากกันที่หัวโจใครเลยจะไปนึกว่าจะได้มาพบกันในวันนี้อีกฮ่ายังระลึกถึงน้ำใจไมตรีและคุณธรรมน้ามิตรของท่านอยู่เสมอ ให้พวกขุนนางกังฉินใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปปกปิดความจริงจากองค์พระจกักรพรรดิแต่บัดนี้พระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วจึงส่งข้ามาพร้อมกับพระบรมราชโองการราชทานอภัยโทษสุราหลวงพร้อมของกำนังอื่นๆพวกท่านไม่ควรเกรงเกรงไปคนทั้งสี่เข่าเต่าและว่าทั้งหมดนั้นก็เพราะความเมตตาปราณีของใต้เท้ากรุณาแท้ๆ ท, ที่พวกบ้านนอกคอกนาหลังเขาอย่างเราในป่า จะได้มาผ่านพบกับท่านและได้รับพระมหากรุณาธิคุณซึ่งจะกำหนดจดจาร์ฝังบนหัวจิตหัวใจลึกลงไปถึงเท่าถึงกระดูกพวกเราไม่ทราบว่าจะทดแทนพระคุณนี้อย่างไรได้พอตกคำ่ำข้าหลวงจาง ก, ก็จัดงานเลี้ยงดูปูเสือพอรุ่งเช้าทางเมืองจี้โจจัดเตรียมเกวียนสามเล่ม จุดธูปหอมใส่กระถางใบใหญ่หญๆนําขึ้นไปตั้งไว้บนเกวียนทั้งสาเล่มลูกหาบกลุ่มหนึ่งพากันหาบสุราหลวงที่ประทับตราหงกับมังกรเอาไว้ข้างกล่องอีกกลุ่มหนึ่งหาบป้ายทองและป้ายเงินแพร์ต่วนแพรไหมทั้งสีเขียวสีแดงอันเชิญพระบรมราชองการขึ้นเหนือบุตสบกจำลองจอมพลสูขี่เคียงข้างไปบนหลังมา้ขาขณะที่ขบวนแห่บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกข้าหลวงจาง ก, ก็ติดตามไปด้วย ต่อท้ายได้บูหยงและหัวหน้าโจรทั้งสามทุกคนล้วนขี่ม้าหมู่ม้านำหน้าขบวนก็นำบรรดาลูกหาบที่หาบข้าของเต็มเหยียดชูธงผ้าผืนใหญ่ปักอักษรทองเหลืองอรารามก็ตามมาปิดท้ายได้หมู่ทหารโบกธงทิวประโคมกรองทองให้เอิกระเบิกลัดเลาะไปตามทางได้ไม่ถึง10บลีด้ดีก็มาถึงที่พักแรมจอมพลสูพิดูธงราวที่ประดับประดาซุ้มและฟังมโหรีปีพาดบรรเลงดนตรีต้อนรับ พอไปได้ไม่ถึงกี่ลี้ก็มาถึงซุ้มประตูประดับประดาแห่งหนึ่งเพ่งสายตาฝ่าควันทูปที่โชยขึ้นมาเป็นสายก็เห็นส้งเจี้ยงกับลู่จุนยี่คุกเข่าหมอบรอรับพระบรมราชโองการอยู่ข้างทางถัดออกไปข้างหลังหัวหน้าจนทั้งหมดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กพากันคุกเข่าเรียงเป็นแถวให้สลอนเป็นตอนๆไปสิน้นเอา้าทุกท่านขึ้นมาเถิดจอมพลสูสั่ง ทั้งหดก็เคลื่อนขบวนไปจนถึงชายน้ำเรือข้ามฟากพากันมาจอดท่สมออยู่พร้อมสักแล้วรอรับคณะพาข้ามไปยังหาดทรายทองทั้งล่างทั้งบนตัวด่านทั้งสามมหรีปีกรองประโคมกล้องกังวานสถานขึ้นไปถึงสวรรค์แถวทหารเรียงรายเป็นแถวควันธูปพริ้วเป็นทางบ่ายหน้าตรงไปยังหอธรรมมาพักดี พอไปถึงบรรดาผู้ที่นั่งมาบนหลังม้าก็ลงมา้าทั้งบทสบกจำลองใส่พระบรมราชองค์การและทูบทั้งสามระถางก็ถูกอัญเชิญเข้าไปในหอกลางห้องตั้งโต๊ะใหญ่สามตัวเรียงกันปูลาดด้วยผ้าลายหงกับมังกรพระราชกริสติกาถูกอัญเชิญไปรดิสฐานอยู่บนโต๊ะตัวกลางหน้าแผ่นป้ายพระราชจาจกรแทนพระองค์จกักรพรรดิที่ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางห้อง ทั้งเรัญนยบัตกับสุพรรณบัตวางไว้บนโต๊ะตัวซ้ายผ้าต่วนแดงกับเขียววางไว้บนโต๊ะตัวขาวส่วนสุราหลวงกับผ้าพื้น24ม้วนสําหรับตัดผ้าคลุมและบุหนวมวางเอาไว้บนพื้นหน้าโต๊ะประธานตัวกลางกลิ่นธูปอย่างดีลอยตลบอบอวนหอมหวนโปรยปลายเป็นสายลงมาจากกระถางทองใบหนึ่งส่งเจี้ยงกับลู่จุนยี่ผ้าจอมพลสูกับข้าหลวงจาง ไปนั่งที่เก้าอี้อาคารตุกะผู้ทรงเกียรติสิร้างกับแย้โหยืนอยู่ฝั่งซ้ายเปย์ซวนกับเย็ยนฉิงยืนอยู่ฝั่งขวาลูกกับคนอื่นๆก็พากันคุกเข่าลงต่อหน้าอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติพอเปย์ซวนให้สัญญาณทุกคนก็ก้มลงโคกศีรษะพร้อมกันสิร้างก็ครีดพระปรมราจงการออกอ่านรับพระปรมราจงการ <c oughs> นับตั้งแต่ขึ้นครองราช เราปกครองแผ่นดินด้วยบา ร, รมีธรรมปกปักรักษาผืนปฐพีด้วยความยุติธรรมตามจารีตอํานวยสันติสุขแดดวงไพ่ฟ้าด้วยพระเด็และพระคุณไม่มีวันไหนเลยที่เราจะไม่สแสวงหาเสนาบดีที่ดีงามไม่มีวันใดที่เราไม่อารีอารอบต่ออาณาประชาราษฎร์เราโปรยทานวันสันติสุขไปทั่วผืนแผ่นดินอย่างเท่าเทียมกันพระมหากรุณาธิคุณปกป้องแผ่ไพศ า, าพลไพ่ฟ้าต่างรู้สํานึก แม้ทารกก็ยังนึกสำเนียกส่งเจียงลู่จุนยี่และพลพรรคเป็นผู้มีศีลธรรมและจงรักภักดีไม่ฆ่าไม่ตีผู้ใดพวกเขารวนปรารถนาจะกลับเข้ามาอยู่ใต้ร่มทงแห่งเราถึงแม้พวกเขาจะเคยกระทำผิดต้องโทษอาญาแต่ใช่ว่าจะไม่มีมูลเหตุเมื่อเล็งเห็นน้ำใสใจจริงเช่นนี้เราอดที่จะเวทนาสงสารเสียไม่ได้ เราจึงมันใช้จอมพลสูรนาพระบรมราชโองการประกาศนินะทกกาทศกรรมมามอบให้แด่ท้งเจียงและคนอื่นๆที่ยังแข็งขืนอยู่ที่บึงเหลี่ยงซานแห่งนี้นอกจากนี้เราขอมอบสุพรรณบัตรกับผ้าแพรเลี่ยนแดงสามสิบม้วนให้แก่ส้งเจียงและบัณาิตจรใหญ่ทั้งหลายและมอบพิรันยบัตรกับผ้าแพรเลี่ยนเขียวอีกเจสบสอม้วนแด่ในจนชั้นรองทั้งปวงนับจากวันประกาศพระ ร, ราชนฤสริศติกาฉบับนี้ จงอย่าได้มีผู้ใดลังเลสงสัยรีบเข้ามาสวามิภักดิ์กับเราโดยไวอย่าให้ชักช้าเรามีภาระหน้าที่สำคัญจะมอบหมายจึงประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มาให้ทราบโดยทั่วกันเดือนยี่วันที่ 15, สิบห้าวสันตรดูปีที่สี่ในศักราชของเราก็คือสวนหัวส่งเครจ่ยงและพักพวกตะโกนขึ้น สุดตัวลงบทเขา่าก้มหน้าโคกศีษรษะจรวดพื้นไปส่วนอ่านรายชื่อตามลำดับทั้งหมดก็ทยอยออกมาคำนับรับของกำนันไปทีละคนทีละคนสุราหลวงถูกเปิดถ่ายใส่กางเงินใบใหญ่ที่มีพวยเพื่ออุ่นแล้วย้ายมาถ่ายใส่คนโทรเงินจอมพลสุรินใส่จอบทองของตนหันไปให้อวาทหัวหน้าโจรทั้งหลายฟังท้งนี้พวกท่านทั้งหลา ย, ลายด้วยกระแสรับสั่งจากองค์อธิตั ข้าได้น้ำสุราหลวงราชทานนี้มาให้เป็นของกำนันฉะนั้นจงอย่าได้ระแวงแข็งใจไปเลยท่านผู้กล้าทั้งหลายนี่ข้าจะดื่มให้พวกท่านดูเอา้าดูซะว่าแล้วจอมพลสูก็กระดกเหล้าลงคอไปจนหมดจอกบรรดาในโจ น, นัทที่นั้นเป่งเสียงเป็นการขอบพระคุณจอมพลสูรรินเหล้าใส่จอกตัวเองอีกครั้งและยื่นให้ทรงเจียงทรงเจียงคุกลงบนเข่าแล้วดื่ม ต่อไปก็ถึงตาลู่จุนยี่วูหยงและกองซุนเชงจนในที่สุดจอมพลสูก็รีนสุราหลวงแจกให้คนทั้งหมดจนครบทั้ง108คนเสร็จแล้วท่งเจียงก็สั่งให้คนของตนรีนสุราใส่จอบของแต่ละคนเชื้อเชิญให้จอมพลสูนั่งลงที่เก้าอี้กลางห้องหัวหน้าโจรทั้งสิ้นก็เรียงหน้ากันเข้าไปคาราวะเสร็จแล้วท่งเจียงก็เอ่ยขึ้นว่าข้าน้อยเคยได้รับเกียรติ ได้พบใต้เท้ากรนาที่เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์เบื้องประจิมทิศนู่นข้าน้อยทราบซึ้งในพระเดชพระคุณยิ่งนักเป็นเพราะความพยายามของพระนักท่านกับบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคคบาททีเดียวคนของข้าน้อยและตัวข้าน้อยเองจึงได้ลืมตาอ้าปากได้เห็นแสงตะวันอีกครั้งพวกเราจะจดจำวันนี้ไม่มีลืมเลยขอรับฮ่่ ข้าทราบดีว่าท่านปฏิบัติตามบรรชาฟ้าและจงรักภักดีหนักหนามากแค่ไหนแต่ไม่รู้มาก่อนว่าท่านจะถูกใส่ใครก่อนนี้จึงไม่ได้คิดช่วยแม่ยังเสียใจอยู่ไม่หายจนกระทั่งได้รับหนังสือจากท่านเสนาธิการเวนและของกำนันที่ท่านเมตตาฝากไปข้าจึงได้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่วันหนึ่งขณะที่กาลังสนทนาอยู่กับองค์พระจกกักรพรรดิที่พระที่นั่งอวนกลิ่นกํายาน ข้าจึงได้มีโอกาสนําความขึ้นกลับบุคคลทูลพระองค์ทรงตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องพอรุ่งขึ้นอีกวันขณะที่ออกว่าราชัการท่ามกลางหมู่เสนาอำมาตย์ณพระที่นั่งจารีตประเพณีและบารมีธรรมพระองค์ตรัสเรียกองคมนตรีถงกว่านออกมาตาวาดและทรงบริพาดฝากไปถึงจอมพลเก่ากิวที่แพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ตรัสเรียกหาที่ทรงอักษรและทรงหนังสือรับสั่งนิรโทษกรรมด้วยพระองค์เอง แล้วมอบให้ข้าถือมาพร้อมของกำนันข้าหวังว่าท่านจะรีบเร่งทำกิจธุระปากบางที่นี่ให้แล้วเสร็จแล้วเข้าเมืองหลวงโดยไว้ท่านต้องพิสูจน์ตนให้พระองค์ทรงเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าควรค่าแก่พระมหากรุณาธิคุณสักแค่ไหนทุกคนต่างยินดีปรีดากล่าวขอบพระคุณจอมพลสูญอย่างเคารพ น, นอบน้อมทรงเจียงเชิญเสนาธิการหวนออกมาร่วมโต๊ะด้วยความชื่นมืน่นที่เกลเก่าได้มาพบกันนั้น ฟงตลบกลบไปทั่วทั้งหอหวนกับข้าหลวงจางถูกเชิญให้นั่งฝากตรงข้ามจอมพลสูแล้วทุกคนก็นั่งเรียงไล่ตามโตะ๊ะจัดเรียงลงไปตามลำดับยศชั้นดื่มสังสรรค์กันไปหลายยกข้างนอกวงโมโหรีก็หมบรรเลงเพลงกันเป็นที่แข็งขันถึงงานเลี้ยงจะยังเรียกไม่ได้ว่าวิลิสมารา แค่ทว่าเนื้อก็กองกระดุดภูเขาเหลาก็เนืองนองดั่งท้องโชรทานทุกคนดื่มกินกันอย่างหนักจนต้องใช้คนพยุงไปพักอย่างเรือนนอนวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ฉลองกันอีกสนทนากันทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ขุดเอาความใฝ่ฝันของตนมาเล่าสู่กันฟังพอวันที่สมก็ยังดื่มกินกันต่อแล้วพาจอมพลสูเดินทัศนาดูไป ร, บรอบๆเขากว่าจะได้กลับก็เล่นเอาพบคำ่ำ หลายคนฉับไปได้วยสุราเรื่องต่อมาก็เป็นอยู่เช่นนี้ไปอีกหลายต่อหลายวันจนในที่สุดจอมพลสูก็ขออำลากลับเมืองหลวงท่ามกลางเสียงคัดค้านของท่งเจียงและหัวหน้าคนอื่นๆเฮ้ยพวกท่านยังไม่เข้าใจจอมพลสูอธิบายตั้งแต่ข้านำพระบรมราชโองการมาส่งเวลาก็ล่วงเลยไปเนิ่นช้านักแล้วหากวินชชนผู้กล้ายอย่างท่านจะรีบเดินทางเข้าเมืองหลวงไปโดยไว ทุกฝ่ายก็จะได้สบายใจหาไม่คุณนางกลงฉินขี่ฉาก็จะใส่ความอาได้อีกซ่องเจียงเอ่ยขึ้นว่าเออเราเพียงแต่หวังว่าใต้เท้ากรนาจะอยู่กับเราต่ออีกสักสองสามวันแต่หากใต้เท้ากรนารู้สึกสมควรแก่เวลาแล้วพวกเราก็มีบางอาจทวงรั้งเอาไว้ฉะนั้นแล้วขอประทานอยู่ต่ออีกสักวันเถิดขอรับดื่มกันแล้วพรุ่งนี้ พวกเราจะรีบลงไปส่งใต้เท้ากรุณาตั้งแต่เช้าเลยขอรับย็นนั้นบรรดาหัวหน้าโจรทุกคนก็ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และด่าหน้ากันมาขอดื่มเพื่อเป็นการขอบพระคุณจอมพลสูอีกคํารบหนึ่งจอมพลสูกล่าวยกย่องเอออวยด้วยมัุรสวาจาทุกคนก็พากันดื่มกินเฮฮ า, ากันไปจนดึกดื่นพอเช้ามาบรรดาหมาและเกวียนก็ถูกเตรียมเอาไว้พร้อมสัตว์ส่งเจียงเอาเงินทองใส่ถาด ถือไปอยังที่พำนักของจอมพลสูและมอบให้ด้วยความเคารพซ่งเจี้ยงต้องรบเร้าอยู่เป็นนานจนในที่สุดจอมพลสูก็รับเอาไปใส่อกเสือ้อข้าวของเข้าหีบหอ่อมาติดอ่านรอยอยู่พร้อมแล้วจอมพลสูก็ออกเดินทางสำหรับบรรดาขบวนที่ติดตามที่จะกลับไปพร้อมกันนั้นจูบู่กับเยโหก็พาไปเลี้ยงดูอย่างดี เอาเงินทองผ้าผ่อนแพรพันให้จนพออกพอใจนอกไปจากนั้นเสนาธิการหวนกับข้าหลวงจางก็ได้รับของกำนันเป็นทองและของมีค่าอื่นๆส่งเจียงต้องรบเร้าอีกตามเคยและอนุญาตให้หวนกลับไปพร้อมจอมพลสูพอแล้วเสร็จกรองทองก็ประโคมขึ้นคุยก็ผิวสะอื่นอ้อนตอดต้อนอยู่หังหัก บรรดาหวหน้าจนทั้งหมดก็ดเคลื่อนข บ, บวนลงไปส่งจองผลสูที่ตีนผูข้ามฝากที่หาดทรายทองและตามไปส่งอีกสามสิบี้พอไปสุดทั้งหมดก็ลงมา้าดื่มอวยพรเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายส่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าท่านใต้เท้าการุณาขอรับเมื่อท่านเข้าเฝ้าการุณาเพชรทูลให้พวกเราด้วยฮาม่ โปรดวางใจเถิดท่านขุนทหารรีบจัดธุระป่าปังให้แล้วเสร็จแล้วรีบเข้าเมืองหลวงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พอทับท่านเข้าใกล้เขตพระนครอย่าเริ่มส่งใครล่วงหน้าไปบอกข้าข้าจะกราบทูลพระจกกักรพรรดิและส่งขบวนออกมาต้อนรับต้องทำทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามประเพณีท่านใต้เท้ากรุณาข้าน้อยขอเรียนรบกวนด้วยขอรับด้วยว่า วางลุนเป็นผู้ก่อตั้งชมรมใหญ่ในเมืงเหลียญซานี้มาแต่เก่าก่อนแล้วค่อยซื้อมายังเจ้าไก่ส่วนข้าน้อยก็ปกครองที่นี่มาได้หลายปีแล้วชาวบ้านเชาวช่องในละแวกนี้ตางก็เดือดร้อนกันหนักในช่วงสิบวันนับจากนี้ข้าน้อยใครจะแจกจ่ายข้าวของที่เราได้สะสมเอาไว้คือในพวกเขาทันทีที่เรื่องนี้เสร็จสับพวกข้าน้อยก็จะรีบตามเข้าไปในเมืองหลวงทันทีไม่ให้ชักช้าโปรดกรุณากราบประคมทุล ขอเวลาให้พวกข้าน้อยสักหน่อยนะขอรับจอมพลสูรับปากกล่าวอำลาแล้วรีบเร่งไปทางจี้โจทรงเจียงกับพรรคพวกก็พากันกลับขึ้นภูตีกรองประชุมขึ้นที่หอธรรมพักดีพอบรรดาหัวหน้านั่งลงเรียบร้อยแล้วบรรดาไพร่ผลทั้งสิ้นก็มารวมกันทรงเจียงกล่าวปราศัยความว่า พี่น้องทั้งหลายนับแต่วางหลุนก่อตั้งป้อมค่ายแห่งนี้และท่านเจ้าไก่ก็ต่อเติมเสริมขยายจนมั่นคงแข็งแรงตอนที่พวกท่านพี่น้องช่วยชีวิตข้าออกมาจากเจียงโจแล้วเลือกข้าขึ้นว่าการบัดนี้ก็เนินนานมาหลายปีวันนี้พวกเราได้รับพระราชทานอภัยโทษได้กลับไปเห็นฟ้าเห็นตะวันอีกคราไม่ช้าพวกเราก็จะได้เข้าเมืองหลวงรับใช้แผ่นดินเกินเมืองนอน สร้างคุณงามความดีกอบกู้ศักดิ์ศรีมอบไให้ลูกให้เมียได้กลับคืนสู่วิถีชีวิตที่สงบสุขอีกครั้งสําหรับข้าวของที่บัดนี้อยู่ในการดูแลของผู้ใดที่ควรจะเก็บเอาไว้ใช้เพื่อการส่วนร่วมก็จงเอาไปคืนไว้กับฝ่ายพราธิการส่วนข้าวของที่เหลือเราจะแบ่งสรรกันอย่างยุติธรรมจะได้หยืดแย่งกันนะพวกเรามีกันทั้งสิ้นหนึ่งร้อยแปดดาว จะขออยู่ขอตายด้วยกันพระบรมราชองค์การปลดอาชญาลงจากบ่าปพวกเราหมดสิ้นแล้วในไม่ชา้าเราจะได้เข้าเมืองหลวงเพื่อเฝ้าองค์พระจักรพรรดิเราจะต้องสนองพระราชาล้ำหลัดทำตนให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณสําหรับทวยทหารทั้งหลายหลายคนตั้งใจมาอยู่บางคนก็แค่ตามมากับเขาบางคนก็เป็นไพร่เสียเจ้าบ่าวเสียนายและบางคนก็เป็นเฉลยศึกหากผู้ใดใคร่ร่วมไปเมืองหลวงกับเรา ก็ปลดไปรายงานตัวด้วยกันหากไม่ต้องการท่านก็ลาออกได้ข้าจะออกเงินให้จะได้กลับไปเป็นพลเรือนตามอย่างเกา่าไปส่วนกับเสี่ยวหรางจัดทําบัญชีไพรพลแยกออกเป็นสองส่วนตามคําสั่งของทรงเจียงหลังจากไต่ถามกันไปทั้งสามทัพปรากฏว่ามีคนลาออกไปราว 4, 000, 5, 000สี่พันห้าพันคนทรงเจียงให้เงินและของกํำนันแล้วส่งกลับไปตามทางส่วนพวกที่เหลือ ปรารถนาจะอยู่เข้าเกณฑ์ตามปกติวันรุ่งขึ้นทรงเจียงก็ให้เสี่ยวร้างเขียนใบบอกส่งออกไปติดประกาศไว้ตามหัวเมืองและชุมชนต่างๆทั่วอนาบริเวณรอบที่มันเชิญชวนทุกคนขึ้นมาเล่หลังข้าวของทั้งสิ้นในค่ายเป็นเวลาสิบวันความว่าใบาบอกจากทรงเจียงและขุนทหารทั้งหลายในเหลียงซานปอกด้วยว่าในอดีต เรามายึดคลองบึงน้ําและป่าเขาแห่งนี้เป็นที่เดือดร้อนแก่ไพ่ฟ้าอนาประชาราษฎร์ไม่น้อยมาบัดนี้พระจกักรพรรดิทรงโปรดประธานอภัยโทษและพวกเราก็กําลังจะกลับไปเป็นข้าแผ่นดินเพื่อเป็นการขอสมาลาโทษเราจะนำทรัพย์สมบัติออกเลยหลังเป็นเวลาสิบวันในการนี้ส่วนใหญ่จะแจกจ่ายข้าวของของเราโดยไม่คิดมูลค่าใดๆเรื่องนี้เป็นที่จริงแท้แน่นอนจงอย่าได้คลามแข็งใจโปรดให้เกียรติมาในงานนี้ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูงวันที่เดือนสามปีที่ 4, สี่ศัสกราชส่วนหวูส่งเจียงและคุนทหารในบึงเหลียงซานเปาะข้าวของที่เป็นแก้วแหวนเงินทองแพร่พันผ้าต่วนผ้าไหมจากคลังพระธิการทั้งหลายทั้งสิน้นถูกเบิกออกมาแบ่งสรรปันส่วนกันในหมู่โจรทั้งตัวนายและไพ่ผลทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งเลือกเอาไว้มอบให้ราชสนัก ส่วนที่เหลือนำเอามากองรวมไว้เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในงานเลหลังทั้งสิบวันนั้นไม่อยากจะรู้จริงๆเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> งานมีไปตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่30สิบเดือนสามเล่ายาปลาปิ้งถูกนำออกมาบริการแด่ประชาชนที่แห่แหนกันมามืดฟ้ามัวดิน บ้างถือกระสอบบ้างหอบตะกรา้าบ้างยิ้วถุงเปล่ามารับข้าวของสําหรับชดเชยความเสียหายที่พวกเขาแต่ละคนเคยได้รับส่งเจียงก็ให้ทบคืนเป็นสิบพวกที่มารับการโปรยทานต่างกลับไปได้วยความเบิกบานยินดีพอการเลลยหลังข้าวของทั้งสิบวันผ่านไปบรรดาในโจรก็พากันจัดเก็บสมบัติส่วนตัวเพื่อเดินทางเข้าเมืองหลวงส่งเจียงดําริจะส่งบรรดาลูกเมียครอบครัวของไพรพลทั้งสิ้นกลับไปยังภูมิลําเนาเดิมของพวกเขา แต่บูยงไม่เห็นด้วยท่านหัวหน้าขอรับให้พวกเขารอท่าอยู่ที่นี่ก่อนหลังจากพวกเราได้เข้าเฝ้าพระจกักรพรรดิและแน่ใจในพระหมหากรณาธิคุณแล้วก็ยังไม่เวลาเหลือกลับบ้านอีกทมไปซ่งเจียงเข้าใจในทันทีแม่ท่านอาจารย์ท่านพูดถูกแล้วขอรับพรางสั่งให้ไพร่พลเก็บข้าวของไปตามปกติแล้วจัดแจงการเดินทับเสมา หมดออกเดินทางในไม่ชาก็ถึงจีโจกล่าวขอบพระคุณข้าหลวงจางสู้เยอะที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาหัวหน้าและตกรางวัลให้ทั้งสามทัพที่ยกไปถึงส่งเจียงกล่าวขอบพระคุณข้าหลวงจางออกจากเมืองส่งหน่วยล่วงหน้าไปสักหกเจดร้อคนแล้วทำใหญ่ก็มุ่งตามไปยังเมืองหลวงตะวันออกขณะเดียวกันก็ส่งใต้จงกับเหขียนฉิงล่วงหน้าไปแจ้งข่าวจอมพลสูซึ่งก็รีบนําความขึ้นกราบบุญคมทูลในทันทีนั้น โอเดชาทรงเจียงกับกองทัพกำลังเดินทางมาถึงแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้ากัปตันทรงดีพระไัยนักบัญชาให้จอมพลสูและผู้ตรวจการประจำพระองค์นำขบวนธงทิวและป้ายผ้ากออกไปคอยต้อนรับทั้งสองรีบออกจากพระนครไปในทันทีกองทัพพวกนอกกฎหมายเคลื่อนทัพมายังโออาอึกระเริดนำหน้าโดยธงพระแดงสองผืนผืนหนึ่งเขียนว่าปฏิบัติโอวาสวรรค์ อีกพื้นหนึ่งเขียนว่าป้องกันประทพีบรรดาหัวหน้าโจรต่างสวมหมวกเหล็กผู้เกราะรัดรูปในชุดออกศึกเป็นยศยกเว้นบูหยงที่พกผ้าไหมคลุมผมดำกองซุนเชิงผมเสื้อคลุมยับยุยยีกระเซกระเซิงดังขนนกกระสาเยี่งบรรดานักทศเต่า ท, ทั่วไปลุ้มจินลูกผู้รู้แจ้งผมสังฆติสีแดงเพลงและพระทุดวงบูสงในชุดสังฆติสีดาสนิท หลังจากเคลื่อนพลมาได้หลายวันก็เข้าใกล้เขตเมืองหลวงหน่วยล่วงหน้าก็เห็นผู้ตรวจการประจำพระองค์มุ่งหน้าเข้ามาหาพร้อมด้วยขบวนธงทิวและป้ายผ้าซ่งจึงได้รับแจ้งล่วงหน้าจึงพาบดานหัวหน้าทั้งหลายออกไปต้อนรับจอมพลสูแล้วยังทับรอท่าอยู่ที่ประตูขุนานางใหม่ตั้งกระโจมขึ้นรอฟังพระกระแสรับสั่งเรียกให้ไปราย ง, งานตัว จอมพลสูกับผู้ตรวจการประจำพระองค์กลับเข้าพระนครเพื่อกราบปรคมทูลถวายรายงานพระจกักรพรรดิจึงดำรัสว่าเราได้ยินเรื่องส่งเจียงกับนายโจรเหล่านี้มานานนะักรวมทั้งสิ้นหนึ่งร้อยแปดคนเข้ากับจำนวนดวงดาวแกลงงกล้าห้าวหาญน้าพิษวงนักวันนี้พวกเขามาสวามิภักดิ์ขอเป็นพลเมืองดีถึงที่เราจะพาข้าราชบริพารขึ้นไปยังหอส่วนเตอ ให้ส่งเจียงกับขุนทหารทั้งหลายกูเกาะเต็มยศนําทหารสวนสนามเข้าเมืองหานจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกให้เราดูแต่จํากัดไพรพลพไม่ให้เกินสี่ร้อยห้ารอยคนเราต้องการให้ไพร้ า, าและขุนนางขุนานางทั้งหลายทั้งบูและหมุนได้รู้ว่าวีรบุรุษผู้กล้าเหล่านี้พากันมาสิโรราบเข้ามาอยู่ใต้ร่มโพธิสมพันธ์แห่งเราแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยผัดชุดนะครบเปลี่ยนมาสวมใส่ชุดใหม่ที่เรามอบให้ แล้วให้เข้าวังทางประตูบุรพาฉายเราจะรับพวกเขาที่พระที่นั่งจารีตประเพณีและบรมีธรรมผู้ตรวจการกลับไปยังค่ายของฝ่ายโจรและส่งผ่านกระแสะรับสั่งวันรุ่งขึ้นส่งเจี้ยงให้เปิดสวนคัดไพรพนราวหร้อ0เจ็ดร้อยคนออกนำหน้าเอาที่เข้มแข็งแบ่งขบวนแถวออกเป็นตอนๆประกอบกรองทองและธงทิวลาาสีสันแล้วตามด้วยพวกที่ถือทวนดาบขวานแบ่งออกเป็นตอนๆ ก่อนที่จะมาถึงตอนที่แบกธงแดงปฏิบัติองค์การสวรรค์และปกป้องปตพีให้ทุกคนติดคันธนูและซองเก่าทันผู้เกราะเต็มอัตตาศึกผ่านเข้าพระนครทางประตูตะวันออกทั้งไพร่ฟ้าไพร่พลค้นกันออกมาทั้งเมืองสาวแก่แม่ไม้อุ้มลูกจุงหลาน พยุงพ่อแก่แม่เท่าออกมาชมการสวนสนามออกกันเป็นแถวเป็นแนวอยู่ริมถนนเบึ่งมองทับโจรราวกับเป็นทัพเทวดาพระจกักรพรรดิกับข้าราชบริพารมองลงมาจากหอส่วนเตอ๋อก็เห็นกรองทองกับขบวนธงทิวนํามาไพร่ผลล้วนถือดาบแแมกขวานศึกคมสัดตราวุฒเป่งรัศมีวาววับพากันเหาะย่างมาบนหลังอาชาปล่อยขนข้อเท้าม้าขาวสะอาดสะอ้านเพลิดธงแดงสองขืนปักอักษร อ, อ่านว่า ปฏิบัติองค์การสวรรค์ป้องกันปตัตภีตามมาด้วยวงดุริยางราว3าสิคนนั่งอยู่บนหลังมา้าดีสีตีเป่าแล้วก็มาถึงขบวนทหารล้วนกำยำล่ำสันเสียเจิ้นเสียเป้าคอยเบิกทางที่ขบวนจะผ่านโดยมีจูหู่ปิดท้ายพระจกักรพรรดิมีความยินดีในพระไทยที่ทรงได้เห็นภาพเช่นนี้ตรัสกับเหล่าราชบริพารที่เฝ้าแหงว่าวช่างงดงามสมกับเป็นวีรชนแท้แท้เทีย่ทยว พางบัญชาให้สมุหาราชพิธีนําความไปบอกทรงเจียงและหัวหน้าทั้งหลายให้ผัดใส่ชุดพละเรือนเตรียมตัวเข้าเฝ้าตามพระราชพิธีคําสั่งถูกทรงผ่านออกไปที่นอกกําแพงวังไพรพลถอดเกราะบรรดาหัวหน้าเปลี่ยนมาใส่ชุดผ้าไหมพเพื่อตถาทธธานทั้งเขียวทั้งแดงเอาสุพรรณบัตรกับพิรันยบัตรคล้องคอสวมหมวกพิเศษใส่รองเท้าสีเขียวอ่อนกันท้วนทั่วทุกตัวคน ส่วนกองซุนเชงให้ช่างตัดเย็บผ้าต่วนแดงพระราชทานเป็นชุดนักรตฝ่ายหลวงจินลู่ก็ทำเป็นสังฆติอย่างพุทธและหู่สงก็ทำเป็นสังฆติเยี่ยงพระธุดงกล่าวได้ว่าทุกคนล้วนได้ใช้ข้าวของที่ได้รับพระราชทานกันหมดสิน้นทั้งหมด9้าวผ่านประตูบูรพาฉายหน้าวังหลวงนำโดยส่งเจี้ยงลู่จุนยี่ตามด้วยอู๋หยงกงซุนเชงและหัวหน้าคนอื่นๆเครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องเคา้าประกอบพระราชพิธีมีกันให้ครบครัน ยามนั้นเพิ่งจะรุ่งสางองค์อธิขไทยสเสด็จขึ้นพระที่นั่งจารีตประเพณีและบารมีธรรมสมุหราชพิธีนำส่งเจี้ยงและบรรดาหัวหน้าเข้าเฝ้าทุกคนเรียงรายลดลันกันเป็นแถวเป็นแนวคุกเข่าก้มลงโขกศีรษะตามอย่างสมุหราชพิธีแล้วเปล่งเสียงขึ้นพร้อมกันว่าทรงพระเเริญทรงพระเเริญ จั ก, กรพทัทรงพ่อพระไทยตรัสเรียกให้เข้ามาใกล้ๆแล้วบอกให้นั่งลงลดหลันไปตามยศชั้นงานเลี้ยงถูกจัดขึ้นตามพระราชบัญชาเจ้าพนัก ง, งานดูแลน้ำจันท์นำสุราเข้ามาฝ่ายเครื่องเคียงก็นำอาหารว่างจานแรกเข้ามาบริการตามด้วยอาหารหลักนาน า, นาชนิดที่เจ้าพนัก ง, งานกรมต้นเครื่องเป็นผู้ปรุงและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการเป็นผู้นำออกมาเสิร์ฟท่ามกลางเสียงมโหรีดีดสีตีเป่าปูเอาไว้เป็นฉาก พระจกักรพรรดิที่ประทับนั่งบนบัลลังก์ก็เสด็จลงมาถึงโต๊ะเป็นการส่วนพระองค์งานเลี้ยงดำเนินไปจนครบค่ำส่งเจียงกับบรรดาหัวหน้าพากันกราบลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณท้าวหวายบังคมลาออกจากพระราชวังมาพร้อมดอกไม้เพื่อจะทานแซมผมพากันขึ้นมาที่ประตูประจิมฉายเบื้องทิศตะวันตกแล้วขี่กลับค่ายวันรุ่งขึ้นก็เข้าเมือง สมุหพระราชพิธีนำพาไปกราบสักการะแสดงความกตัญญูกตะเวทีอย่างพระที่นั่งจารีตประเพณีและบารมีธรรมพระจกักรพรรดิให้ทรงยินดีนะักตรัสว่ากำลังดำรีจะมอบยศขุนานางให้สมกับความชอบทรงเจียงและพักพวกกราบรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งหนึ่งและถวายบังคมลาแต่ถงขวานองคมนตรีฝ่ายกิจการทหารกราบบังคมทูลพระจกักรพรรดิว่าขอเดชะ พระอาญามิผลกล่าวคนพวกนี้เพิ่งจะเข้ามาสวามิพักยังไม่เคยทำคนงามความดีใดๆให้ปรากฏพวกเขาจึงไม่สมควรได้รับพระราชทานชันยศใ ด, ดๆเร็วเกินไปนักควรรับสั่งให้ไปสร้างชื่อเสียงด้วยการทำสงครามสิที่ไหนก่อนยิ่งกว่านั้นคนเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่นอกเมืองพร้อมไพร่พลหลายหมื่นสถานการณ์เช่นนี้ไม่ดีเลยพระเจ้าค่ะนอกจากนี้ ภายในทัพของส่งเจียงก็ยังมีขุนทหารจากกองทหารพิทัก์เมืองหลวงตกไปอยู่ในกามือของเขาหลายนายสมควรจะได้กลับกรมกองส่วนขุนทหารและบรรดาไพร่พลจากกองทหารหน่วยอื่นๆก็สมควรกลับที่ตั้งส่วนที่เหลือก็จัดแบ่งออกเป็นห้าส่วนส่งไปประจําการตามพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งสารตรงและเห่อเปยทําอย่างนี้จึงจะนับได้ว่าดีที่สุดพระเจ้าค่ะ วันรุ่งขึ้นองค์อธิกไทยจึงทรงส่งผู้ตรวจการประจำพระองค์ถือรับสั่งมายังค่ายความว่าให้กองทัพทรงเจียงทั้งหมดสลายตัวแยกแยะกันกลับกรมกองเดิม <c oughs> บรรดาหัวหน้าโจรพากันโกรธเกรี้ยวพากันพูดว่า <c oughs> ถึงแม้ว่าพวกเราเจะสมหวังพักต่อราชบาลังมาพักหนึ่งแล้วพระองค์ไม่เพียงไม่ยอมพระราชทานฉันยศให้กบคิดแยกสลายเราพี่น้องอีกพวกเราหัวหน้า พาวรณาตัวว่าจะอยู่จะตายร่วมกันหากพระองค์ปราทัาหาจะแยกพวกเราออกจริงๆพวกเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลั บ, บเบืองเหรียงศาลเท่านั้นเองทรงจิ้งรีบเข้าห้ามปรามปรางขอให้ผู้ตรวจการประจำพระองค์ทูลถวายรายงานความเป็นไปดังกล่าวพูดตรวจการถ่ายทอดคําพูดทุกถ้อยกระทงความไม่กล้าเพชรทูลไปเป็นอย่างอื่นองค์อธิบดีทรงรับฟังก็ตกพระไทยตรัสเรียกองคอมนตรีฝ่ายกิจการทาหารเข้าหารือโดยด่วน ทงกวนจึงเอ่ยขึ้นว่าถึงพวกเรานี้จะสวามิภักดิ์แต่พวกมันยังไม่เคยเปลี่ยนไม่ช้าก็เร็วสันดาเดิมของพวกมันจะกลับมาทงกวนกราบบ่งคมทูลในสายตาของใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทพระองค์ควรล่อให้พวกมันทั้งหนึ่งร้อยแปดคนเข้าวังแล้วสังหาเสียพร้อมกันใครผลพวกมันก็จะแตกสลายนี่ย่อมเป็นการปกป้องคุ้มครองแผ่นดินของเราให้อยู่รอดปลอดภัยนะพระเจ้าค่ะ พระจักรพรรดิทรงลังเลพระไทยท่านใดนั้นเสนาบดีชั้นสูงผู้หนึ่งใส่เสื้อคลุมสีม่วงในมือถือเตี้ยวงาช้างก็สืบเท้าออกมาจากบางตาแล้วตะหวาดขึ้นว่าเฮ้ยไฟสงครามลุกลามพร้แมดนไปทั่วทุกด้านส่วนภายในแผ่นดินวาดตาไปทางไหนก็ล้วนเต็มไปด้วยภัยพิบัติภัยทุกข์เข็นทั้งหลายทั้งสิ้นก็เป็นเพราะไอ้เสนาบดีขี้ชออย่างมึงนี่เอง ที่คอยเป็นตัวบันทอนพระราชาำนาจก็จริงดังท่านว่ามีเพียงเสียงนี้เท่านั้นแผ่นดินจึงฟื้นความมั่นขึ้นมาอีกคราวีระชนสถานป้าขยาบขสุธาก็ได้รับการคุ้มครองอีกหนคุณนางผู้นี้เป็นใคระไหนจึงปรากฏกายขึ้นได้ทันท่วงทีนักฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ ในปีนั้นกษัตริย์แห่งราชนาจักรเหลียวตาตาส่งกองทัพข้ามลงมาในราชนาจักรกลางหาแรกก็ยึดครองจังหวัดชายแดน9้าแห่งก่อนแล้วแบ่งกําลังออกเป็นสี่สายบุกลงมาปล้นสะดมสี่มณฑลตอนในอันได้แก่ซานตุงซานซีเฮิร์นานเฮิรเปยทุกจังหวัดทุกตําบลมีใบบอกมายัางราชสำนักขอความช่วยเหลือดีการเหล่านั้นล้วนต้องผ่านมือถงกวานองค์คมนตรีฝ่ายกิจการทหารซึ่งนําเรื่องทั้งหมดนี้เข้าหารือกับสมุหานายกใช่จริง จอมพลเกากิวและจอมพลอย่างเจียนพวกเขาสมคบกันไม่นำความขึ้นกราบประคมทูลเป็นแต่เพียงใช้อำนาจของตัวแจกไปยังจังหวัดข้างเคียงให้คอยระวังเหตุเอาไว้ไม่ก็ส่งทหารไปช่วยบรรเทาเอาไว้ก่อนแต่ความพยายามดังกล่าวล้วนไร้ผลเสมือนพยายามถมบ่อน้ำเสวยดหิมะอาณาประชาราชแจ้งกันไปสิน้นแต่พวกเขากลับปกปิดไม่ให้ร่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันได้สำเร็จ ตอนนี้เสนาบดีกลางฉินทั้งสี่ก็ร่วมกันวางแผนให้ถงกวนถวายคำแนะนำให้พระเจ้าหุยจงทรงใช้วิธีฆ่าทรงเจียงและพักพวกทิ้งแต่พวกเขาหาทราบไม่ว่าจะมีเสนาบดีผู้ใหญ่อีกผู้หนึ่งเข้ามาขัดจังหวะผู้ที่โผล่ออกมาจากบางตาและเข้ากราบทูลพระเจ้าหุยจงก็คือจอมพลสูหยวนจิงผู้นั้นนั่นเองขอเดชะใหฝ่าละองธุรีพระบาท ส่องเจียงกับสมัครพักพวกผู้กล้าเหล่านั้นพึงจะเข้ามาส่วมิพักคนทั้งหนึ่งร้อยแปดคนสาบานจะสนิทสนมกลมเกลียวและทุ่มเทให้กันและกันพวกเขาจะไม่ยอมแยกจากกันคนเหล่านี้คงจะย้อนตายและตอนนี้กลับมีคนบางคนคิดใครอยากจะฆ่าพวกเขาผู้กล้าเหล่านี้ล้วนกล้าหาและฉลาดฉเฉลียวหากพระองค์รับสั่งให้พวกเขาเข้ามาในพระนคร แล้วเกิดพวกเขาคิดกบฏอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์จะจัดการพวกเขาอย่างไรพระเจ้าข้าตอนนี้พวกเหลียวตาตา้าส่งไพร่พลนับแสนเข้ามายึดครองก้าจังหวัดชายแดนทุกหัวเมืองร้องของความช่วยเหลือเราส่งทหารบางหน่วยขึ้นไปแต่ทว่ามันก็เหมือนอมน้ำไปพ้นใส่รังมดพวกข้าศึกมีกำลังมากมายนะทหารของเรายันเอาไว้ไม่อยู่แพ้ทุกทีไป เรื่องทั้งหมดนี้พระองค์ไม่ได้ล่วงรู้ในความเห็นอันต่ำต้อยน้อยนิดของกล้าวกะมอมหากเราส่งส่งเจียงกับคุนทหารและไพ่ผลของพวกเขาทั้งหมดไปชายแดนพวกเขายอมปราบไอ้พวกโจรเหลียวตาตาได้เป็นแม่นมันการส่งพวกเขาออกไปรบย่อมเป็นผลดีต่อแผ่นดิน ในฐานะเป็นเพียงเสนาบดีข้าพระองค์ไม่อาจทําเช่นนั้นได้แต่ใครขอกราบทูลให้พระองค์โปรดพิจารณาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะความอิ่มเอิบซาบซ่านไปทั่วพระพักพระเจ้าฮุยจงรีบหารือกับหมู่เสนาอำมาตย์ทุกคนต่างเห็นชอบสิน้นพระเจ้าฮุยจงจึงตรัสว่ารู้ไหมว่าการโกหกพกลมและการใส่ร้ายของเจ้าทําให้แผ่นดินเสียหาย ความริษยาอาฆาตคนเด่นคนดังของเจ้าสกัดกั้นหนทางของคนดีมีฝีมือและอานบิดเบือนของเจ้าก็เป็นบ่นทําลายพระราชกรณีกิจแต่ตอนนี้ข้าจะฆ่าโทษเอาไว้อีกคนจะยังไม่ชำระความเจ้าเสียทีเดียวพระเจ้าหุยจงกราพระราชกิจสิทธิกาด้วยพระองค์เองแต่งตั้งให้ทรงเจียงดารงตาแหน่งแม่ทัพหน้าปราบเหลียวตาตาและรับสั่งว่า บรรดาไม่ทำในกองชั้นรองลงไปจะได้รับชั้นยศตามความดีความชอบในสนามรบและก่อนจะปิดราชสนักก็บรญชายให้จอมพลสูรนำพระราชองการไปส่งให้ทรงเจียงที่ค่ายบรรดาขุนน้ำขุนนางที่เฝ้าแหนอยู่ก็ถวายบังคมลาจอมพลสูนำพระราชองการไปยังค่ายของทรงเจียงบอกเล่าถึงพระราชประสงแห่งพระองค์จกักรพรรดิ ทรงเจียงรีบจุดทูปคุกเข้าโคกศีรษะรับกระแสะรับสั่งใส่กล้าวแล้วคลี่พระบรมราชองการออกอ่านความว่าพระบรมราชองค์ <c oughs> เมื่อครั้งพระจกักรพรรดิสุนขึ้นครองราชพระองค์ทรงยกอมาตย์เก่าถอขึ้นสนองพระบรมราชองการพระราชาองค์ผังเป็นใหญ่ก็ทรงโปรดให้ยี่หญินยู่รักษาความสงบ ส่วนตอนที่เราขึ้นบันลังก็เพียนเลือกสรรคนดีมีฝีมือโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากจนเมื่อเร็วๆนี้ส่งเจียงพาสมัครพรรคพวกเข้ามาอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารพวกเขาปราถนาจะปฏิบัติตามบรรชาสวรรค์ป้องกันปตพีคนเหล่านี้ล้วนสูงส่งและศักดิ์สื่อยิ่งนักความสามารถที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ควรช่วงใช้ในทางที่ําบัดนี้กองทัพเหลียวเข้ามารุกรานขอบขันทศิมาแห่งเรา เราขอแต่งตั้งทรงเจียมเป็นแม่ทัพหน้ายกไปตีพวกมันให้ลู่จุนยี่เป็นรองแม่ทัพหน้าบรรดาแม่ทัพในกองร้องลงไปจะได้รับปูบนบรรเลงชั้นชนตามรายงานความดีความชอบต่อราชบัลลังก์ในโอกาสต่อไปให้พวกเขารีบเคลื่อนพ้ตรงไปยังที่ตั้งของข้าศึกในทันทีบำราบพู้ทําตัวชั่วชา้าบกปักรักษาอาณาประชาราชกวาดล้างศัตรูให้ปราศนาการไปจากแผ่นดินของเราให้หมดสิน้นจังหวัดใดที่เคลื่อนพ้นผ่าน จะต้องจัดสนองข้าวปลาอาหารและเงินทองให้พวกเข า, ามีอำนาจลงโทษขุนนางที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามนั้นขอประกาศพระราชาตรีศรีกาฉบับนี้ให้ทราบโดยทั่วกันวันที่16เดือน5ปีที่4ในสกราชส่วนโหขณะที่อ่านพระบรมราชโองการทรงเจียงลู่จุนยี่และหัวหน้าคนอื่นๆที่ยืนฟังอยู่รีบคุกเข่า ทุกคนพากันดีใจส่งเจียงกล่าวขอบพระคุณจอมพลสูทั้งหมดพากันเขาเต่าส่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าพวกเรารอคอยโอกาสที่จะได้รับใช้แผ่นดินได้สร้างชื่อเสียงคุณงามความดีได้เป็นขุนนางขุนนางที่สัตซ์ซื่อมานานนักหนาแล้วขอรับพระคุณที่ท่านใต้เท้ากรุณากล้าเพชรทูลพระจกักรพรรด เป็นปากเป็นเสียงให้พวกเราในคราวนี้ลึกซึ้งยิ่งกว่าพ่อแม่ติดแต่ปัญหาเพียงประการเดียวที่พวกข้าน้อยเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือพวกเรายังไม่ทันได้เผาป้ายวิญญาณของท่านหัวหน้าเจ้าไก่ที่ประดิษฐานเอาไว้บนเขาเหลียงซานและครอบครัวของพวกเราก็ยังไม่ทันได้กลับภูมิลำเนาของตนอีกอย่างหนึ่งค่ายคูประตูหอรบของเรานั้นก็ยังไม่ทันได้รื้อถอนทําลายและเรายังต้องกลับไปเอาเรือสึกก่อน ท่านใต้เท้ากรณาโปรดกราบองค์มทูลองค์พระจกักรพรรดิขอให้เราได้กลับไปยังบึงเหลี่ยงซานอีกสักครั้งจะได้จัดการเรื่องเหล่านี้เสียให้แล้วเสร็จเราจะได้เ ต, ตรียมศาสตราวุธและเครื่องคราวยนอื่นให้พร้อมพักน้อมกายถวายชีวิตรับใช้แผ่น ด, ดินอย่างสุดจิตสุดใจจอมพลสู ร, รับปากด้วยความยินดีแล้วกลับไปถวายรายงานตามนั้นพระเจ้าหุยจงรับสั่งให้เบิกทองคำหนึ่งพันตำลึง เงินอีกห0 0พันตำลึงและผ้าตรวนอีกห0 0พันไม้จากพระคลังให้จอมพลสูนำไปแจกจ่ายบรรดาหัวหน้าทั้งหลายที่ค่ายเพื่อ น, นำไปให้ลูกเมียของพวกตนเป็นหลักประกันความอุ่นใจว่าจะได้รับการดูแลไปช่วอายุไขส่วนบรรดาหัวหน้าที่ไม่มีครอบครัวก็จะได้รับของพระราชทานโดยตรงสามารถใช้ได้ตามที่ตนประสงค์ทุกประการส่งเจียงยกกระแสรับสั่งขึ้นเหนือกล้าว กล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคอยดูแลการแจกจ่ายขณะจะกลับเข้าวังจอมพลสูก็ให้คำแนะนำบางประการนี่ท่านแม่ทัพรีบขึ้นเขาแล้วกลับลงมาไวๆพอจะกลับก็ให้รีบแจ้งมาแต่เนิ่นๆยะโอเอชักช้าอยู่เป็นอันขาดส่งจี้งกับสมัครพรรคพวกหารือกันว่าใครควรจะไปบ้างและตัดสินว่าน่าจะประกอบ้วยส่งจิง้ง ขุนพลคู่ใจวูหยงกงซุนเชงหลินชงหลิวถังตู้เฉียนทรงวานจู้กุยส่งฉิงสามพี่น้องตระกูลหยวนรวมทั้งทหารมา้าทหารราบและทหารเรือหนึ่งหมื่นคนส่วนกองทัพที่เหลือให้ตั้งคา่ายณจุดเดิมภายใต้การบังคับบัญชาของรองแม่ทัพหน้าลู่จุนยี่การเดินทางกลับขึ้นเขาไม่มีเหตุการณ์ใดๆพอไปถึงและขึ้นนั่งบนหอรรมพักดีแล้วส่งเจียงก็สั่งให้ครัวเรือนทั้งหลาย ตเตรียมจัดเก็บข้าวของกลับบ้านสั่งเชือดหมูล้มแกะจุดเทียนธูปขึ้นเผากระดาษเงินกระดาษทองม้าลาเส้นไหวดวงวิญญาณเจ้าไก่แล้วเผาป้ายวิญญาณอดีตในายใหญ่แห่งเหลียงซานเปาะจนเหลือแต่เท่าเลี้ยงดูเหล่าหูหน้าทั้งหลายที่ตามมา บรรดาครัวเรือนก็ขึ้นเกวียนขี่มา้ากลับภูมิลําเนาของใครของมันส่งเจียงส่งคนสนิท ต, ติดตามไปส่งครอบครัวของตัวและก็หาบุรีซ่องผู้เป็นบิดาให้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงพลเมืองดีที่น่านับถือที่ตําบลหยุ่นเชงบ้านเดิมอีกครั้งหนึ่งพลางสั่งสามพี่น้องตระกุนจวนให้คัดเลือกเรือศึกคุณภาพดีเอาไปใช้ในการรบส่วนเรือเล็กเรือน้อยที่เหลือก็แจกจ่ายไปตามชาวบ้านร้านถิ่นในละแวก และอนุญาตให้คนเหล่านั้นขึ้นเขามารื้อเอาโรงเรือนและบ้านช่องห้องหอลําเลียงวัสดุอุปกรณ์กลับไปใช้ในหมู่บ้านของตัวส่วนค่ายครูเพื่อการสงครามสิ่งปลูกสร้างอื่นๆรวมทั้งตัวด่านทั้งสและหอธรรมภกดีต้องถูกเผาทิ้งจริงๆไม่น่าเผาแล้วทำไมเผาป่านนี้ก็คงมีหลักฐานให้เราดูอยู่บ้างนะครับพี่น้องที่รัก <c oughs> ขอขัดจังหวะนิดนึง เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเข้าที่ข้อทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระอนที่ไปด้วยก็กลับมาชุมนุมกันแล้วยกทัพกลับเมืองหลวงโดยไวการเดินทางเที่ยวนี้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ช้าก็มาถึงค่ายของลู่จุนยี่และคนอื่นๆที่รออยู่เหยียนฉิงถูกส่งตัวเข้าพระนครไปแจ้งข่าวจอมพลสูว่ากองทัพปราบศึกพร้อมที่จะถวายบังคมลาไปปฏิบัติภารกิจแล้วจอมพลสูรีบนําความขึ้นกราบบคุคคลทูลใน ท, ทันทีมิได้ชักช้า วันรุ่งขึ้นพระจกักรพรรดิเสด็จออกณตำหนักขุนทหารผ่านศึกรับสั่งทรงจิ้งและบรรดาหัวหน้าด้วยความเบิกบานพระไทยพระเจ้าหุยจงทรงสวยน้ำจันทร์รับสั่งด้วยความยินดีปรีดาว่าพวกท่านจงรีบออกเดินทางไปปราบพวกเหลยวตาตาให้เราได้ข่าวชัยด้วยไว้เรามีเงินใหญ่จะให้ทำอีกสำหรับท่านขุนทหารทั้งหลายพวกท่าน จะได้รับฉั้นยศตามคุณงามความดีในสนามรบจงอย่าปล่อยเวลาให้เนิ่์นช้าส่งเจียงโคกศีรษะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระองค์เป็นแต่เจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยที่กระทำความผิดชั้นอุกฤษจนถูกในประเทศไปเจียงโจที่นั่นเพราะเมาจึงได้เขียนสโลกบฏจนถึงกับถูกตัดสินให้ต้องโทษประหารประจานกันกลางตลาดด้วยเพราะพี่น้องเหล่านี้ช่วยเอาไว้และเพราะไม่มีที่ไหนจะให้ไปหลบซ่อน จึงได้พาพวกเขาหนีตายไปกดดานกันอยู่ในบึงเหลียกซานด้วยผลกรรมเหล่านี้กล้าวกระมอมสมควรตายสักหมื่นครั้งแต่ทว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือพระองค์กลับทรงประทานอาภัยให้ดังนั้นข้าพระองค์จะล้วงตัดล้วงไตออกมาถวายก็ยังหาได้เหมาะสมต่อพระมหากรุณาธิคุณหล้นฝาล้นแผ่นดินของพระองค์ท่านไม่ใต้ฝาละอองธุลีพระบาท เรื่องชอบแล้วที่จะต้องประกอบการให้สุดความพยายามพลีกายถวายรับสั่งให้สุดจิตสุดใจหาไม่ก็ให้ตกตายไปเสียเลยพระเจ้าค่ะด้วยความปราบปลื้มพระไทยพระเจ้าหุยจงทรงประทานสุราหลวงให้จอกหนึ่งและรับสั่งพระจักรานคันธนูกับดอกเกาวทันดอกลายทองชุดหนึ่งมาพร้อมเครื่องคราวเต็มยศและกระบี่อาญาสิทธิ์ให้ส่งเจียงขกศรีรษะรับกราบประคมทูลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคมลากลับไปพร้อมกับของกํานันแล้วสั่งให้แม่ทัพในกองเตรียมตัวออกเดินทางวันรุ่งขึ้นพระเจ้าหุยจงทรงบัญชาให้จอมพลสูทร่งผ่านกระแสรับสั่งไปถึงสภาเสนาบดีฝ่ายบริหารให้ส่งขุนนางสองคนไปแจกสุราและเนื้อพระรจชทานในพิธีส่งทัพยังด่านสะพานเฉินที่ตั้งอยู่นอกเมืองไพรพลแต่ละคนจะได้เหล้าหนึ่งกระปุกและเนื้อหนึ่งช่างเต็ม ไม่ให้ขาดแม้แต่ตำลึงเดียวศรนาบดีรีบเร่งเตรียมปันส่วนอยู่ทั้งคืนแล้วเลือกขุนนางสองคนไปทำการแจกจ่าย <c oughs> หลังจากหารือกับบูหยงซ่งเจียงก็จัดแจงทหารออกเป็นสองกองให้ขุนพลเสือโคร่งทั้งห้าและขุนพลเสือป่าอีก8นําหน้าปิดท้ายด้วยขุนศึกอาชาอีกส0บมา้านําทัพม้าเป็นกองหลังส่วนตัวเองลู่จุนยี่วูหยงและกองซุนเชงคุมทัพหลวง สามพี่น้องตระกูลหยวนลี่จุนจางเฮงและจางชุนคุมกองเรือโดยมีถงหวยถงเหมงิงแม่งกังหวางติ่งลิว้วและขุนพลเรือคนอื่นๆเป็นผู้ช่วยสั่งให้นำเรือล่องไปตามน้ำซ้อโหเข้าสู่แม่น้ำเหลืองและไปตั้งต้นขึ้นเหนือที่ด่านสะพานเฉินเสร็จแล้วก็สั่งการให้ทัพ บ, บกเคลื่อนพลไปตามถนนหลวงตรงไปด่านสะพานเฉินเพื่อขึ้นเหนือต่อไปและสั่งห้ามบรรดาหัวหน้าราราณ า, าประชาราชไปตลอดเส้นทาง เมื่อได้รับคำสั่งจากเสนาบดีฝ่ายบริหารคุณนางทั้งสองคนก็มาถึงด่านสะพานฉินเพื่อแจกปันส่วนพระราชทานแก่ไพร่พลของซ่งเจียงทั้งสองเม้มปันสัสดส่วนเข้าพกข้าหอดตัวเองอย่างหน้าดันดนันไม่ละอายใจไอ้คนโป้ปดมดเท็ดกินสินบาททั้งสองใส่เหล้าที่ต้องเต็มกระปุกให้เพียงครึ่งหนึ่งและเนื้อที่เต็มช่างหรือสิบหกตำลึงถ้วนก็ลดลงมาเหลือแค่สิบตำลึงหลังจากแจกจ่ายให้กองหน้าไปแล้วก็ต่อมายังกองหลังที่สวมหมวกดำผูกเกราะดำ คนเหล่านี้คือผลโล ก, กังหันภายใต้ประชาการของเสียงจงและลี่กุลในจํานวนนี้มีทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งเห็นเลขกระเทกก็โกรธจัดด่าใส่หน้าคุณนางทั้งสองอย่างกราดเกลียวเฮ้ยไอพวกกินสินบาทฆ่าสินบนยี่ยมพวกมึงนี่เองที่ทําให้พระหมหากรุณาธิคุณของพระองค์จกักรพรรดิต้องหัวหมองเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้่เฮ้ยเฮกยเฮ้ย กัดเนื้ออีกหนึ่งช่างให้พวกเราแต่ละคนถ้าพวกมึงกับเบียดบังไปทั้งคู่พวกโก้ไม่อยากต่อรอ้อต่อเถียงให้ไปที่เอ็ดอึงไปดอกแต่การกระทําของพวกมึงที่กล้ามาขโมยของถวายพระมันช่างหน้าละอายเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยมึงมันข่าดีนะคนอย่างมึงใจแล่เนื้อก็ยังเบาไปมึงยังเปจ้อนกบฏแห่งเบืองเหลี่ยงซานอยู่ด้วยคุณน้ำทั้งสองด่ากลับ พอได้ฟังในทหารชั้นผู้น้อยคนนั้นก็ อ, อนเนื้อกับเหล้าปลาใส่หน้านี่อยากกินได้ใช่ไหมเอาไปเลยเฮ้ยไอ้ไ อ, อ, อ้บ้าทหารจับไอ้จอรนถ่ายพูดนี่คนทั้งสองตะโกนขึ้นทหารผู้นั้นก็ชักดาบออกมาจากขอบโลกกังหันเล่มหนึ่งคุณนางผู้นั้นยกมือชี้หน้าด้วยความโกรธแค้นเฮมึงไอ้จอร์นส่อครกมึงกล้าใช้ดาบหรือไร ต อ, อนกูอยู่บนเขาเหลียงสันกูเหนือกว่าทหารที่เยี่ยมที่สุดของมึงมากนะกูฆ่ามานับพันแล้วไว้จะฆ่าไอ้คนในข้อไปอีกสองสามคนแล้วจะเป็นอะไรนักหนาวะฮะาอิแน่จริงมึงก็ฆ่าผมกูเลยสิวะทั้งสองตวัดนายทหารผู้นั้นก็สืบเท้าออกไป ตะวัดดาบ้าใส่ใบหน้าคนหนึ่งล้มลงไปกับพื้นีคนที่มุงดูอยู่ร้องเสียงหลงพังะถอยออกมาในทหารผู้นั้นก็ตามไปอีกหลายดาบเห็นชัดว่าคุณนางคนนั้นกำลังจะตายทหารทั้งหลายห้ามไว้ไม่ทัน เสียงจงกับลี่กุนล้นลานเข้าไปรายงานท่งเจียงแม่ทับหน้าร้องหาวูหยงเราจะทํำยังไงดีท่านพี่บูหยงรําพึงขึ้นว่าองค์มนตรีฝ่ายบริหารไม่ชอบหน้าเราอยู่แล้วสิ่งนี้ไปเข้าทางที่เขาต้องการอยู่พอดีทั้งหมดที่เราสามารถทําได้ก็คือประหารทหารผู้นั้นเสียแล้วรีบรายงานขึ้นไปยังสภาเสนาบดีฝ่ายบริหารยังทับรอท่าคําตัดสินอยู่ที่นี่ก่อน แล้วส่งใต้จงกับเย็นฉิงกลับเข้าพระนครแจ้งให้จอมพลสูรทราบอย่างเงียบๆขอให้ใต้เท้ากรุณานำความยั่วยุ่นี้ขึ้นกราบองคมทูลพระจักรพรรดิเพื่อบ้องกันให้องค์คมนตรีฝ่ายบริหารปิดเบื้อนเรื่องราวไปเป็นอย่างอื่นข้าประกันว่าทำเช่นนี้แล้วก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อตกลงใจได้แล้วส่งเจียงก็ควบม้าตรงไปยังสถานีดาดสะพานเฉนินนายทหารชั้นผู้น้อยคนนั้นยังยืนรออยู่ข้างศพขุนนางที่ถูกดา่าบส่งเจียงไปถึงก็สั่งให้เอาเหล้าและเนื้อที่เก็บยกักยอกไว้ในเรือนรับรองของทางการออกแจกใจเหล่าทหารจนหมดแล้วเรียกตัวนายทหารชั้นประทวนนายนั้นเข้าไปไต่สวนในเรือนรับรองทหารผู้นั้นจึงเอ่ยขึ้นว่า เขาเอาแต่ดาว่าเราว่าเป็นโจรเขาเลี้ยงสารที่สมควรถูกประหารชีวิตข้าน้อยโกรธเลยข่าเขาตายท่านแม่ทัพข้าน้อยรอรับอาญาอยู่ขอรับส่งเจียงจึงพูดว่าเขาเป็นถึงขุนนางในราชสำนักต่อให้เป็นข้าเองก็ยังต้องเกรงกลัวฉันไหนท่านจึงไปฆ่าเขาได้เชื่อแน่ว่าพวกเราต้องพลอยติดร่างแหกันไปหมดการเดินทัพไปปราบพวกเหลียวเพิ่งจะเริ่มยังไม่ทันจะได้ทําความดีความชอบกันเลย แล้วท่านก็มาก่อเหตุขึ้นใหญ่โตเยี่ยงนี้เราจะทำอย่างไรกันดีในทหารหนุ่มผู้นั้นมอบรอความตายอยู่กับพื้นส่งเจียงก็ร่ำไห้ <c oughs> นับทั้งแต่ขึ้นเขาข้าไม่ค่อยสร้างทำร้ายพวกเราคนใดไม่ว่าเล็กว่าใหญ่แต่มาบัดนี้เพราะได้เป็นคุนนางข้าก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ารู้ว่าความแข็งกร้าวของท่านยังแรงกล้าแต่ถ้าว่าจะทำอย่างเมื่อก่อนให้ควบคุมมันนั้นไม่ได้ข้าน้อยยินหิตายท่านพี่ทรงเจียงทรงเจียงจึงสั่งให้ทหารหนุ่มผู้นั้นดื่มเหล้าให้เมาใหม่แล้วแขวนคอนตัวเองกับต้นไม้เสร็จแล้วก็สั่งให้เพชฌฆาตตัดหัวตัวของนายทหารถูกเอาไปบรรจุลงตามประเพณี แล้วมีหนังสือรายงานไปยังสภาเสนาบดีฝ่ายบริหารที่จริงแล้วองคมนตรีฝ่ายบริหารทราบเรื่องนี้อยู่โดยตลอดแต่เรื่องนั้นเราจะยังไม่เล่าพอเข้าเมืองได้ใต้จงกับเย็นฉิงก็รีบดิ่งไปยังจวนของจอมพลสูรายงานเรื่องดังกล่าวให้ทราบโดยละเอียดเย็นนั้นจอมพลสูก็เข้าวังแล้วกราบองคมทูลพระเจ้าหุยจง พอวันรุ่งขึ้นองค์อธิปัตย์ก็เสด็จว่าราชการยังพระที่นั่งจารีตประเพณีและบารมีธรรมพอกลองย่ำในหอมงกรระกังก็ดังรับขึ้นที่หอหงสมุหะพระราชพิธีก็เ อ, อาไม้เท้ากระทุงท้องพระโรงสามครั้งขุนนางทั้งบุญและบทูที่ออกกันอยู่หน้าพระที่นั่งก็แยกออกเป็นสองฝั่งองคมนตรีฝ่ายบริหารสืบเท้าออกมากราบถวายบังคมว่าขอเดชะพระอาญามิพลนกราว ทหารผู้หนึ่งในทัพของทรงเจียงที่พึ่งสวามิภักดิ์ต่อทางการเมื่อไม่นานมันฮ้ต้องอาจฆ่าขุนนางของสภาที่ปรึกษาฝ่ายบริหารที่ส่งออกไปแจกปันส่วนพระราชทานอ้วก้าวกระหม่อมหวังพึ่งพระบรมมีพระเจ้าขา้าพระเจ้าคุยจงจึงตรักขึ้นว่า <S <S 1> <S 1> <S เฮ้เรามอบหมายหน้าที่นี้ให้สํานักงานของท่านไปแล้วความรับผิดชอบจึงตกเป็นของพวกท่าน แม่คนของท่านไม่น่าไว้วางใจบางอาจยักยอกปันส่วนทั้งเล่าทั้งเนื้อทหารเขาเยียงซานไม่ยอมให้โกงจึงเกิดประทะกันขึ้นนั่นแหละคือต้นสายปลายเหตุองค์มนตรีฝ่ายบริหารจึงทูลขึ้นว่าเฮ้ยใครจะไปกล้ายักยอกสุราหลวงได้พระเจ้าค่ปะปาดพบพระเจ้าหุยจงได้ฟังคําแก้ตัวก็ทรงกริ้วตวาดออกไปว่าเฮ้ยกูส่งพูดตรวจการไปประมวลเรื่องนี้ทั้งหมดแล้ว มึงกดกูไม่ได้รอกอุ้ยมึงสั่งให้เขาจ่ายเล่าแค่ครึ่งกระปุกยักยอกเหนือเหนือแค่สิบตำหนึงและนั่นเองทําให้เกิดความโกรธแค้นจนเลือดตกยางออกและพระเจ้าหุยจงจึงรับสั่งขึ้นว่าล้อยคนลงมืออยู่ไหนวะจอมพลสูจึงทูลขึ้นว่าเออส่งเจียงสั่งประหารไปแล้วและว่าจเจ้าหัวออกประจานพระเจ้าค่ะเขารายงานให้ทางเสนาบดีทราบแล้วและยังทำเพื่อรอท่า ฟังคำพิาพากษาพระเจ้าค่ะบันทึกไวในเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาหักกรบลบนี่กับความดีความชอบยามที่พวกเขากลับมาจากปราพวกเหลียวตาตาได้แล้วองคมนตรีฝ่ายบริหารล่าถอยออกไปอย่างเงียบๆพระเจ้าหุยจงจึงทรงส่งคนไปบอกท่งเจียงหลังจากห้อยหัวทหารที่ถูกสั่งประหารประจานอยู่ที่ด่านสะพานเฉินแล้วก็ให้รีบเดินทับต่อ ส่งเจียงกล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณห้อยหัวประจานไว้กับเสาสะพานและเอาร่างไปฝังเสียล่ำให้ด้วยหัวใจที่แหลกสลายแล้วเช็ดน้ำตาปีนขึ้นหลังมา้าเคลื่อนทับขึ้นไปทางเหนือทับที่ยกไปปราบพวกเหลียวเดินทับไปวันละหกสิบลี้ถึงตั้งค่ายตลอดทางที่ผ่านไม่มีผู้ใดไปเกะ ก, กะระรานชาวบ้านร้านถิ่นตามจังหวัดและตำบลสองฝากทางเลยการเดินทับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งเข้าประชิดชายแดนของพวกเหลียวตาตาส่งเจียงปรึกษาวูหยงว่าพวกเหลียวยกล่วงหน้าไปโจมตีดินแดนของเราในตอนไหนแยกออกไปเป็นสี่กลุ่มเราควรแบ่งทัพออกไปตีพวกมันหรือรวมพลบุกตีเมืองพวกมันก่อนดีวูหยงจึงว่าอาณาบริเวณแถบนี้กว้างใหญ่ประชาชนอาศัยอยู่แต่เบาบาง หากเราแยกออกจากกันก็จะประสบปัญหาในการสื่อสารและประสานงานรวมศูนตีหัวเมืองให้ได้สักสองสามเมืองก่อนแล้วค่อยคิดกันหากเราโจมตีพวกมันหนักจริงข้าขาดว่าพวกมันจะต้องเรียกทัพที่ส่งไปกลับคืนมาเป็นแมตมันส่งเจียงเห็นดีด้วยแหว่แผนการครั้งนี้ยอดเยี่ยมแล้วเรียกหาต่วนจิงจู้เข้ามาแล้วเอ่ยขึ้นว่า ท่านรู้จักถนนหนทางในเขตภาคเหนือนีด้ดีข้าจะขอให้ท่านเป็นคนนำทางจังหวัดไหนอยู่ใกล้ที่สุดตวนจิงจูตอบว่าเออท่านแม่ทัพจังหวัดถันโจ อ, อยู่ข้างหน้านี้ขอรับมันเป็นดา่านสาคัญที่ตั้งยันของอาณาจักรเหลียวตัวเมืองที่ตั้งจังหวัดมีแม่น้ำลึกชื่อลู่ซุยล้อมรอบแม่น้ำสายนี้เชื่อมกับแม่น้ำเวยโห อ, อีกต่อหนึง่งท่านต้องใช้เรือจึงจะตีถันโจได้ รอกองเรือเรามาถึงแล้วให้เข้าตีพร้อมกันทั้งทัพ บ, บกทัพเรือจึงจะยึดได้ขอรับทรงจิ่งจึงสั่งใต้จงไปเร่งลีจุนและบรรดาหัวหน้าฝ่ายทัพเรือทั้งหลายให้รีบเคลื่อนย้ายกองเรือมาประจําการที่แม่น้าหลู่ซุยตงเซียนโปดจินผู้ิชาการจังหวัดถันโจซึ่งเป็นด่านหน้าของอนจาจักเหลียวมียศถึงรองเสนา บ, บดีแห่งอาณาจักร มีสี่ขุนพลอยู่ใต้บังคั บ, บัญชาประกอบด้วยอาลีฉีโยเวยกังจูหมิงอยู่และเกาหมิงจี้ทั้งหมดล้วนไม่กลัวพ ย, ยันตรายใดๆพอรองเสนาบดีต่งเซียนทราบว่าจากักรพรรดิุยจงส่งส่งเจียงนำทัพเข้าใกล้เขตแดนจึงถวายรายงานขึ้นไปยังกษัตริย์ของตนในทันทีพร้อมกันนั้นก็มีหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากจังหวัดใกล้เคียงคือฉีโจปาโจจโจและซวงโจ นอกจากนั้นก็รีบส่งทหารของตนไปยังทัพที่รุกเข้ามาในทันทีอาลีฉีกับจูหมิงอยู่รีบลาออกมาพาทัพไปด้วยสาม0มื่นคนขณะเดียวกันกวนเชงขุนพลเงาใหญ่เดินทัพไปหน่วยหน้าสุดตรงไปยังตำบลมีหยุนที่สังกัดในจังหวัดถันโจเทศบาลมีหยุนรีบเข้าไปรายงานขุนพลตาต้าทั้งสอง รู้จากทงแล้วอ่ะกองทัพจกักหวัดส่งกําลังบ่ายหน้าตรงมาทางนี้ขอรับคนเหล่าเนี้ล้วนเป็โจลดจากบองเหลียงซานที่พึ่งสวามิภักดิ์อยู่ใต้บังคับบัญชาของส่งเจียงอาลี่สีหัวเราะแล้วว่าฮ่าอวพวกมันก็แค่โจรสป่าท่านกังวลไปใหญ่ว่าพลางก็สั่งให้ทหารลงค่ายคอยตั้งรับอยู่นอกเมืองมีหยุนวันรุ่งขึ้นส่งเจียงได้รับรายงานว่า กองทัพเหลียวกําลังใกล้เข้ามาจึงสั่งไพ่พลให้ออกไปรับมือเราจะลองเชิงมันดูก่อนแต่อย่าแลกโดยไม่จำเป็นบรรดาหัวหน้าผู้เกราะแล้วขึ้นมา้าส่งเจียงกับลู่จุนยี่ขี่ม้าออกไปแนวหน้า <c oughs> เพื่อดูด้วยตาตนเองมองออกไป <c oughs> ก็เห็นทัพของพวกเหลียวถือธงทิวสีดําเคลื่อนใกล้เข้ามาเหมือนฝูทงแมลงดําพืชดังว่าจะครอบฟ้าคลุมดินธนูทั้งสองฝ่ายสะกดสองทัพเอาไว้ในระยะห่าง ทันใดนั้นธงดำก็แวกออกมาเป็นช่องขุนพลตาตา้าคนหนึ่งชักม้าออกมาดึงม้าหยุดม้าที่ขี่ถูกดึงจนผลผกยกสองขาหน้าขึ้นตะกุยฟ้าตัวผู้ขี่บนอานผิวขาวริมฝีปากแดงเรือผมทองในตาสีเขียวรูปร่างสูงใหญ่กำยาล่ำสันธงปักอักษร อ, อ่านได้ความว่าอาลีฉีขุนพลแห่งราชนาจักเหลียวส่งเจียงทอดสายตาออกไปเอ่ยกับบรรดาหัวหน้าของตนว่า จะไปดูเบาเขาไม่ได้ก่อนที่คำพูดจะสุดปากซู่หนิงครูพลหอกเหล็กก็ชักม้าออกไปทางหน้าขวางหอกปลายเนี้ยงพาดอ่านอาลีฉีตะกนหยันมาคำหนึ่งฮ่านี่ราชชวงส่งถ้าจะถึงการละวิบัตเสียแล้วหรือชันไหนฉึงได้ส่งไอ้พวกโจรชั้นสมบตตั้งไปขุนนางมรรุครานอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของเราความตายรอท่าอยู่เบื้องหน้ามึงแล้ว สู้หนิงจึงตะโกนไปว่าเฮ้ยนายทหารฉันแล้วอย่างมึงถ้าไม่บานเปิดเมืองนอนได้อายนักลาดียังไงมาเย้ยกันอลีฉีกับสู้หนิงควบมาเข้าปะทะทับทั้งสองโว่ร้องขึ้นพร้อมกันวอรบกันไปได้ส0สิเพลงสู้หนิงก็รู้ว่าตัวเข็นฝ่ายตรงข้ามไม่ลง จึงชักม้าหนีกลับเข้ามายังฝั่งตัวหัวโลงโลนลานอาก้อนันเทียบคันธนูแต่จางฉินไวกว่าเขายืนบนโกลนคร่อมอยู่บนอานมา้าแล้วล้วงมือเข้าไปในย่ามปักดึงเอาก้อนหินก้อนหนึ่งมาถือเอาไว้อยู่ก่อนแล้วแล้วซัดเกาธันรุ่นก้อนนั้นเข้าใส่ขุนทหารที่ถลานเข้ามาดังลูกธนูหลุดจากแรงรวดเร็วราวกาบาดปาดาฟ้าดฟ้าเอา้าเอาไปกินเอเ้ยกูโดนจนได้อะไรวะเนี่ย หินก้อนนั้นจับปอกเข้าที่ลูกตาซ้ายของอาลีฉีพัดตกจากหลังม้าหาชี้เดหัวโลงหลินชงฉินหมิงและโซเจ้าก็กรูกันออกไปจับม้าที่วิ่งอยู่ก่อนแล้วรวบตัวอาลีฉีเอาไว้จูหมิงอยู่ผู้ช่วยอาลีฉีใครจะสืกมาเข้าช่วยแต่ทัพส่งเจี้ยนทั้งหมดก็ผลเข้าโจมตีด้วยรังสีอมหิดรุกไล่ทัพตาต้ า, ตาตเตลิดเปิดเปิงไปจากมีหยุนไหลร่นไปถึงฐานโจส่งเจี้ยนก็ไม่ไล่ตามไปเป็นแต่ตั้งค่ายลงที่มีหยุน แล้วกลับมาดูอาการอาลีฉีหินก้อนนั้นกระแทกเข้าใส่หัวคิ้วซ้ายทำลายในตาข้างหนึ่งจนแหลกเละคุ้นผลตาต้าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่สุดทรงเจียงสั่งให้เอาศพไปเผาเสียแล้วให้ใส่ชื่อจางฉินลงไปในบัญชีความดีความชอบเป็นรายแรกเสื้อกระอ่ อ, อ, อนหอกตอกลวดลายติดด้ามไม้สาี่ เข็มขัดประดับหยกเป็นเม็ดๆติดหัวสิงห์ม้าสีเทาแต้มเงินขาวไปจุดๆรวมทั้งเสื้อผ้าอาพรรองเท้าคันธนูและดอกเกาทันของอาลีฉีมอบให้เป็นสมบัติของจามฉิงในวันนั้นทัพที่ยกไปปราบเลียวก็เลี้ยงฉลองกันที่มีหยุนเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องกล่าวไปให้มากความ พอวันรุ่งขึ้นทรงเจียงสั่งถอนค่ายแล้วเคลื่อนทัพตรงไปยังถาโจในทันทีพอรองเสนาบดีตงเสียนได้รับรายงานและรู้ว่าตัวเสียขุนศึกไปจึงสั่งให้ปิดประตูเมืองเกณฑ์ทหารขึ้นเชิงเทินรักษาเมืองมั่นเอาไว้ต่อมาก็ได้ทราบว่ากองเรือข้าศึกยกใกล้เข้ามาแล้วจึงพาขุนพลที่เหลือขึ้นไปสังเกตการณ์บนเชิงเทินก็เห็นหัวหน้าฝ่ายสรงเจียงยืนกันเป็นตับทงทิวบกสะบัดเปลือยอาวุธตะกรด่าท้าทาย รองเสนาบดีเอ่ยขึ้นว่าไม่น่าแปลกที่อาลีฉีจะเสียทีพวกมันจูหมิงจึงค้านขึ้นว่าใครบอกว่าอาลีฉีแพ้ขอรับเขากำลังไล่ฆ่าไอ้พวกหัวหน้าโจนป่าเถื่อนพวกนั้นอยู่แต่แล้วก็ถูกไอ้โจนชุดเขียวแอบรอบกัดเอาหินซั์ใส่จนตกมา้ากว่าจะจับเขาได้ต้องใช้ไอ้พวกคนเถื่อนเถื อ, อวุธถึงสี่คนเมื่อพวกมันเล่นงานเขาโดยไม่รู้ตัวเราจึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เฮ้ย hey, แล้วไอ้คนเถื่อนที่คว่างหินหน้าตาเป็นยังไงวะบางคนชี้ไปที <ag ua> ่จางฉินเห็นไอ้ที่สะพายย่าวนั้นไหมขอรับไอ้คนที่ใส่เสื้อผ้าผูกเกาะและขี่ม้าของท่านขุนพลคนนั้นนั่นแหละตงเซียนชะงอกจากเชิงเทินออกไปดูให้ใกล้ๆแต่จางฉินเห็นซะก่อนจึงสึกม้าสัตหินบินเขาใส่ทาหูไปจนหนังถลอกบรรดาผู้ติดตามโยวายขึ้น เฮยไอ้คนเถื่อนผู้นี้ฝีมือไม่เบาเว้ยรองเสนาบดีอุทานเอามือ น, นวดหัวข้างที่เจ็บแล้วลงจากกำแพงเขียนรายงานกลาบทูกลกษัตริย์เดียวตาตาและส่งหนังสือไปเตือนจังหวัดข้างเคียงให้คอยระมัดระวังกองทัพท่งเจียงยกเขตีเมือง4ี่หวันแล้วก็ไม่ได้ผลจึงยกกลับไปตั้งหลักที่มีหยุนขณะที่ท่งเจียงกําลังหาเรือการศึกอยู่ในกระโจมไต่จงก็เข้าไปรายงานว่ากองเรือฝ่ายตนมาชุมนุมกันที่แม่น้ําหลู่ซุยแล้ว สรงจริงจึงจะให้กลับไปตามแม่ทัพเรือมาหารือยังกองประชาการไม่นานลี่จุนก็พาหัวหน้าคนอื่นๆมาถึงนี่ไม่เหมือนที่รบกันในบึงที่เราคุ้นเคยก่อนจะเคลื่อนพลต้องดูน้ำลึกน้ำตื้นให้แน่ใจซะก่อนกระแสน้ำในแม่น้ำดูดสุยนั้นเชี่ยวนักหากเกิดพลาดพลั้งอะไรพวกเราจะเข้าไปช่วยไม่ได้ดังนั้นเคลื่อนไหวให้ระมัดระวัง ซ่อนคนของตนเอาไว้ให้มิดชิดทำทีเป็นขนสเสบียงอาหารเฉียดเข้าไปใกล้ถันโจให้กวกหัวหน้าซ่อนตัวซ่อนอาวุธให้มิดชิดเรือแต่ละลำใช้ฝีพายแต่น้อยลักสี่ห้าคนให้อีกสักสองคนบนฝั่งถือเชือกลากเรือเรื่อนไปที่ตัวเมืองอย่างช้าๆแล้วจอดทอดสมอตามตลิ่งทั้งสองฝั่งนอกตัวเมืองรอคอยทับบกหากคนในเมืองถันโจเห็นพวกท่านก็ย่อมจะเปิดประตูน้าออกมาชิงสเสบียงทอดถึงตอนนั้น ให้รุกเข้าไปยึดประตูน้ําเอาไว้ให้มันพวกท่านจะได้ความดีความชอบลี่จุนกับหัวหน้าคนอื่นๆเมื่อทําความเข้าใจสิ้นในคําสั่งก็ลากลับในทหารชั้นผู้น้อยรายหนึ่งเข้าไปรายงานรายอานทัพขนาดใหญ่ทัพหนึ่งถือธงดำใบหน้าจากทางตะวันตกเฉียงเหนือมาที่ฐันโจมีกําลังคนกว่าหนึ่งมื่นคนขอรับ พูหยงให้ความเห็นว่าพวกนั้นจะต้องเป็นกำลังคลที่กษัตริย์เหลียวส่งมาส่งัวหน้าสัต 2-3 สองสามคนขึ้นไปไล่ให้พวกมันแตกกระเจงเราไม่ต้องการให้มันเข้าไปเสริมกำลังขวัญในเมืองถันโจ<ะ>ส่งเจียนก็ระดมจางฉินตงผิงกวนเชงและหลินชงพร้อมทั้งหัวหน้าระดับรองอีกราวสิบกว่าคนแบ่งกำลังห้าพันคนให้ยกขึ้นไปส ก, กัด ท, ทัพที่ยกมาโดยด่วนก็ตอนที่กษัตริย์เหลียวทรงสดับข่าวว่า แม่ทัพส่งเจียงแห่งเบืองเหลียงซานที่เกรียงไกลพร้อมทัพใหญ่เจาะช่องเข้ามาปิดล้อมถันโจจึงรับสั่งให้สองราชันดายกทัพไปช่วยผู้หนึ่งนั้นส่งนามว่าเยอลูโกเจิ้นและอีกผู้หนึ่งนามว่าเยอลูโกเป้าทั้งสองเป็นขุนทหารทรงเป็นราชันดาและส่งฮ้าหานชานชัยเหลือที่จะกล่าวทั้งสองรีบนําทัพหนึ่งมื่นคนรุดลงมาช่วยถันโจโดยไวพอเข้ามาถึงก็เจอกับทัพสรงรอคอยอยู่ก่อนแล้ว ทั้งสองทัพกระจายกําลังออกแล้วขุนพลตาต้าก็ควบม้าออกมาทั้งสองเป็นพี่น้องกันทรงอาพรก็คล้ายกันแถมห อ, อกก็เหมือนกันอีกด้วยตงผิงขุนพลทวนคู่จากฝ่ายซ่งเจียงก็ขับม้าออกมาตะคอกด้วยน้ําเสียงทรงอํานาจเฮ้ย <Hey! S 1> ไอขุนเจ้าหอนแห่งมูข้นเถื่อนพวกมึงมาแต่ไหนคําศกประมาท เ, ร, าาเรื่องนี้ระคายเคืองโกเจนเป็นยิ่งนัก ไอ้พวกโจรในบึงเยี่ยงมึงลาบุกขึ้นมารุกรานอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เกรียงไกลของพวกกูแถมยังกล้ามาถามอีกว่าปูมาจากไหนฮึไม่รู้จักปู่ซะแล้วต้องผิงเลิกพูดพรำถือหอกสองมือควบมาตรงเขาใส่เยอรูกโกเจ้นทันทีขุนพลฝ่ายตาต้าก็อารมณ์ร้อนแรงไม่ยอมให้หลงง่ายๆ ลูหอกเหล็กและส่วนน้าเขาใส่ท่ามกลางของธนีที่ตลอบอปวนใ ต, ต้มาสแห่งรังสีอมฤตม้าสมมาประชิดสองศาสตร์ราวุธป้องปัดฉวดเฉวียนหนึ่งนั้นบะเลงเพลงทวนคู่ลำเลิศส่วนอีกหนึ่งนั้นก็คอนหอกเหล็กองค อ, อาจสามารถหน้าพิษวงห้สิยกผ่านไงไม่มีใครแพ้ชนะโกเป้าด้วยเกรงว่าพระเชษฐาจะเหนื่อยจึงสั่งให้กองประชาการรั่วกรองสัญญาณเรียกกลับโกจ้นนั้นยิ่งกว่ายินดี ค่าที่การรบตึงมือเกินไปสำหรับตัวแต่ตรงผิงขวางเอาไว้ได้วยทวนคู่ไม่ยอมให้ผาะหนีก็เพราะเหตุว่าตอนนั้นพวักพวงแรงที่มือก็ตกตรงผิงใช้แขนขวาปัดหอกเขียวที่หนักเล่มนั้นกระดอนออกไปด้านข้างทวนที่มือสายก็สึกใส่ต้นคอข้าศึกมึงตายกูมงกุฎทองคำของโกเจนผู้น่าสงสารพัดตกจากเศียรตัวก็ตกจากหลังม้าในสภาพขาชีฟา โ, าาออโนนุ่่่่ออ่่่่่อ่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่าม่ักแล้ ว, ลว่นนวระต้่่่่่่่่่่่่่่่ า, า่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่ร่่า่รรยาย่่่่่่่่ต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ า, า่ะะ่่่่ยขณะที่ย่วัตตต่ตาตา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แขนไปข้างหลัง่่ง่่่่่่่่่่่นออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ทั่ตามไปว่า เอ้โกเป้าเอาหน้าออกรับเต็มๆฮวงสวรค์ลงจากอ่านมา้าวนเชงหลินชงกับไพรพลกลูออกไปข้างหน้าทหารเหลียวที่ไร้หนายแตกกระเจิดกระจายในหมื่นคนก็กระเจัดกระเจิงหนีตายกันไปม้าที่ระดับประดาเต็มยศของราชนาดาทั้งสองถูกยึดได้ในสภาพดีเยี่ยมโกเจี้ยนกับโกเป้าถูกเลื่องมองกุฎทองและเสื้อผ้าอภร์ออกจนหมดแล้วถูกตัดหัว คราวนั้นม้าศึกกว่าหนึ่พันตัวถูกยึดทั้งหมดถูกต้อนกลับไปมอบให้ทรงเจียงที่ตำบลมีหยุนแม่ทับหน้าดีใจยิ่งนักสั่งให้จดบันทึกความดีความชอบให้ตรงผิงและจางฉิงเตรียมจะส่งเป็นรายงานประกอบข่าวชัยเป็นหลายลักษณอักษรขึ้นกราบประคมทูลพระเจ้าหุยจงทันทีที่ยึดถันโจได้คืนนั้นทรงเจียงกับปู่หยงก็ปรึกษาหารือการศึกโดยให้หลินชงกับกวนเชงนำทับม้าเข้าตีถันโจทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผูเวีโจกับตรงผิงนําทัพม้าเข้าตีทางตะวันออกเฉียงเหนือให้ลู่จุนยี่เข้าตีทางตะวันตกเฉียงใต้ส่วนข้อจะนําทัพหลวงเข้าตีทางตะวันออกเฉียงใต้พอได้ยินเสียงสัญญาณปืนใหญ่ให้ทุกหน่วยเข้าตีพร้อมๆกันพร่างก็สั่งบัญชาการหลิงเจิ้นอัศนีบาดฟาดสวรรค์รีดขุีข่ยสลาตันดําฟานรุยเจ้าอสูรงวนแผ่นดินและเป่าสู้ยมทูตจากโลกันพร้อมด้วยเสียงจงกับรีกุลให้พาไพร่พลล่อ บ, บินกว่า1000คน เคลื่อนเข้าประชิดตีนกำแพงเมืองพอได้เวลายามสองก็ให้ยิงปืนใหญ่เป็นสัญญาณเพื่อให้ทั้งทัพปกทัพเรือรุกเข้าตีพร้อมกันทุกหน่วยได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาระหว่างรองเสนาบดีตงเซียนกำลังรอกำลังเสริมอยู่ที่ฐานโจเศษเดนของกองทัพราชนาดาที่พ่ายมาก็หนีไปจนถึงเมืองแล้วรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังรางนเจ้าชายเยอะลูกโกจร ทูกคนถือทวนคู่ค่าส่วนเจ้าชายเยอะหลูกโกเป้าถูกชายพวกพังเขียวซัดหินใส่ตกหมาถูกจับและค่าทิ้งขอรับเฮ้ย hey! ไอ้คนเถื่อนมันพูดนั้นอีกแล้วมันเป็นต้นเหตุให้เจ้าชายทั้งสองต้องถิงวงคดข่าจะไม่น่าเข้าเฝ้ า, พ ร, าพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไร หากจับไอ้คนหัวเขีย ว, วบัดซบคนนั้นได้โอ้โอจะขยี้ให้เป็นผุยผงทีเดียวเฮ้ยแขนชัยนะเย็นวันนั้นแมวมองเข้าไปราย ง, งานว่ารางอนเรือขนข้าวของห0ร้อยเจ็ดร้อยลำจอดทออสมออยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำหลูซุยและอีกทัพหนึ่งจากที่ไกลๆ ก, กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาทางเราขอรับรองเสนาบดีราพึงว่า ฮะไอ้พวกคนเถื่อนไม่รู้ทางน้ําจึงลั่นเรือสะเบียงหลงเข้ามาส่วนไอ้พวกทหารทัพนั้นต้องเป็นไอ้พวกจนทรงออกมาตามหาอย่างแน่นอนว่าพางก็เรียกหาจูหมิงอยู่เกาหมิงจี้และโยเวยกังเข้ามาสั่งการเฮ้พวกท่านทรงเจียงกับไอ้พวกคนเถื่อนของมันยกทัพใหญ่มาตีเราแต่ที่แม่น้ำนอกเมืองมีเรือขนสะเบียงไปจํานวนมากท่านโยเวยกัง จงพาทหารพันคนออกไปส ก, กัดทัพที่ยกเข้ามาตีส่วนจูหมิงอยู่และเกาหมิงจี้เปิดประตูน้าออกไปกวาดต้อนเรือพวกนั้นเข้ามาโดยไวหากได้มาสักสองในสามก็นับว่าเยี่ยมแล้วแล้วพวกท่านจะได้การปูนบำเห็จอย่างงามเย็นวันนั้นพอตกค่ากองพันเดินเท้าปีกซ้ายของส้งเจี้ยงภายใต้กระ น, นำของสลาตันดํากับฟานรุยก็เคลื่อนเข้าหากําแพงเมืองและตะโกนด่าท้าทายพวกตาตา้า โยเวกังที่ได้รับคําสั่งจากเจ้าเมืองให้ออกไปตีข่าศึกก็เปิดประตูเมืองโรยสะพานข้ามคูลงแต่สลาตันดำฟานรุยเต่าสู้และเสียงจงกับลี่กุนพร้อมด้วยทหารลบบ่บินเดินเท้าที่ดุ ด, ดันพันคนก็โถมเข้ายึดปลายสะพานด้านนอกเอาไว้จุกให้พลฝ่ายตาต้าเอาไว้ภายในเมืองราวคอขวดผู้บัญชากาหน่วยปืนใหญ่หลิงเจินเข็นปืนใหญ่เข้าประจําที่รอเวลายิงให้สัญญาณระหว่างนั้นลูกเกาวทันก็โปรยปลายลงมาจากเชิงเทิน แต่ทหารใช้โลบินคอยกำ บ, บังให้ไกลออกไปทางด้านหลังเป่าสู้กับไพร่พลทั้งพันคนก็พากันโห่ร้องกูตะโกนคูตะคอกด่าทอเอาไว้จนสุดเสียงข้าเนฟังเอาจากเสียงทำราวกับว่ามีคนเป็นหมื่นคนพอทหารฝ่ายตนออกจากเมืองไม่ได้ร้องเสนาบดีก็ให้ร้อนรนกระวนกระวายรีบสั่งให้จูหมิงอยู่กับเกาหมิงจี้ เร่งเปิดประตูน้ําออกไปยึดเรือสเสบียงบรรดาหัวหน้าและไพร่พลฝ่ายส่งเจียงหมอบนิ่งอยู่ใต้ท้องเรือแต่ทันทีที่ประตูน้ําเปิดก็โผล่ขึ้นมาจากกราบเรือเปลี่ยนเรือสเสบียงให้กลายเป็นเรือรบพอได้รับรายงานเช่นนั้นหญิงเจิ้นก็ยิงปืนใหญ่ชื่อพายุแผดเผาขึ้น เรือที่จอดอยู่ทั้งสองฝั่งก็กลุ้มรุมเข้าใส่กองเรือที่ออกไปหมายจะออกมากวาดตอนจากฝั่งซ้ายนำโดยลี่จุนจางเฮงและจางชุนล้อเรือเข้าใส่ส่วนสามพี่น้องตระกูลหยวนบีบเข้ามาจากฝั่งขวาก็ตรงเข้าเล่นงานเรือข้าศึกตรงกลางจูหมิงอยู่กับเกาหมิงจี้ก็ตระหนักได้โดยผ่านว่าตัวตกอยู่ในวงซุ่มจึงรีบล่าถอยออกมาแต่ก็สายไปซะแลว้วทหารส่งปีนขึ้นกราบเรือ ถึงได้แต่เหวหัวเรือเข้าฟังในคราวนั้นหกหัวหน้าใหญ่ของฝ่ายส่งเจียงก็บุกเข้าใส่ประตูน้ำทั้งข้าทั้งผลักดันข้าสึกให้แตกออกขุนพลตาตา้าทั้งสองหนีเอาตัวรอดพบฝ่ายดวงหนึ่งก็เต้นใหญ่ๆขึ้นเหนือประตูน้ำพอหลิงเจิ้นเห็นเช่นนั้นก็ยิงปืนใหญ่ชื่อรถตู้ลูกปืนใหญ่แหวกอากาศข้ามฟ้าดังมาหูหูสมัยก่อนมีรถตู้แล้วหรือ การระดมยิงปืนใหญ่เริ่มขึ้นเป็นระลอกระลอกอย่างต่อเนื่องเล่นเอาเจ้าเมืองอกสันขวันแขวนสลาตันดำฟานรุยและเป่าสู้นำเสียงจงแหลลี่กุลกับทหารโลกบินก็เจาะเข้าไปในตัวเมืองรองเสนาบดีกับขุนพลโยเวยกังมองไปก็เห็นทหารฝ่ายส่งเจี้ยงยึดประตูเมืองเอาไว้รอบด้านส่งทหารเข้าประตูเป็นสายพอเห็นดังนั้นทั้งสองก็พากันขึ้นม้าวบหนีผ่านประตูทิศเหนือออกไป ก่อนจะไปได้สักสองลี้ก็พบกับกวนเชงขุนพลเนาใหญ่และลินชงหัวเสือดำรองเสนาบดีตาต้ากับขุนพลที่เหลือไม่มีทางเลือกต้องรุกเข้าใส่ในเมื่อแห่ถูกหวานออกมาครอบปลาคลุมดินอยู่อย่างนั้นทั้งสองตนีรอดได้ไหนในท้ายที่สุดชะตาของรองเสนาบดีผู้นั้นจะเป็นฉันใดฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ เมื่อต้องเผชิญกับความดุดันในการปรักมือช่วงสันส้นๆกับหดินชงและกวนเชงรองเสนาบดีต่งเซียนกับโยเวยกังก็ไม่มีใจจิตคิดจะรบทั้งสองแแบบหนีออกไปทางช่องว่างในเมื่อตัวต้องการเฉพาะถันโจบรรดาหัวหน้าจึงไม่พากันไล่ตามหลังจากทับซ่งยึดถันโจได้ขับไล่ทหารเหลียวที่เหลือออกไปจนหมดสิ้นแล้วซ่งเจียงก็ประกาศรับประกันชาวบ้านร้านถิ่นว่าจะไม่ทําร้ายใดๆสั่งการให้ทับเรือมาลอยลําในเมืองให้มากที่สุดแล้วบำเหน็จทับ สำหรับขุนนางตาตาที่พอจะมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของวงชนก็ให้มีตำแหน่งอยู่ต่อที่เหลือก็กดดันให้กลับไปอยู่ในเขตทะเลทรายตามเดิมแล้วถวายรายงานขึ้นไปนยังพระเจ้าหุยจงถึงชัยชนะเหนือถันโจค้นถ่ายทรัพย์สินที่ยึดได้เข้าวังแล้วมีหนังสือไปถึงจอมพลสูให้ช่วยกราบบรคมทูลอีกแรงหนึ่ง พระจักรพรรดิพอได้รับรายงานก็ทรงพระโสมนัสตรัสสั่งให้เจ้าอันฟูข้าหลวงจากสภาฝ่ายกิจการทหารรีบรุดไปแนวหน้าพร้อมทหารมาราชเทลุกลับสองหมื่คนพระส่งเจียงกับบรรดาหัวนหน้าทราบข่าวว่าข้าหลวงเจ้ากำลังจะมาก็พากันยกออกไปรอรับนอกเมืองแล้วคุ้มกันกลับมาคำนับยังเรือนรับรองประจำจังหวัดที่จัดสรรมาเป็นกองประชาการกองทัพเป็นการชั่วคราวขุนพลทุกคนพากันมาคํานับ เจ้าอันฟูผู้นี้สืบสายตรงลงมาจากราชสกุล ร, ราชวงศ์โจเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นยิ่งนักปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาคนผู้นี้นี่เองที่จอมพลสูเป็นผู้ถวายคำแนะนำให้พระเจ้าหุยจงทรงคัดเลือกขึ้นมาดูแลยุทธการต่างๆในครั้งนี้เมื <MAN> ่อข้าหลวงเจ้าเห็นว่าส่งเจียงเป็นคนมีหลักการก็ดีใจเป็นยิ่งนักเอ้ยขึ้นว่า่า พระองค์จกักรพรรดิทรงตรหนักดีว่าท่านกับแม่ทัพในกองทุ่งเทอุทิศชีวิตจิตใจในภารกิจนี้มากสักแค่ไหนพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ข้าน้อยมาอํานวยการทุกอย่างและพระจะทานเงินทองแพร่พันเสื้อผ้าฝากมากับข้าด้วยใส่เกวียนมาถึงยี่สิบห้าเล่มเลยทีเดียวถ้านในทหารที่สร้างความดีความชอบในการรบและหัวเมืองใหญ่น้อยถือยึดคืนมาได้ข้าจะเป็นผู้ทูลถวายรายงานเรื่องผูนบันเมตจดชั้นให้เอง แม่ทัพในกองทุกคนของท่านจะต้องพยายามสร้างกิตยศชื่อเสียงมาประดับตัวให้มากที่สุดเมื่อท่านกลับเมืองหลวงพร้อมชัยชนะพระจกักรพรรดิย่อมจะทรงช่วงชัยท่านในภารกิจที่สำคัญสำคัญยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปอีกทรงเจี๊ยงกล่าวขอบพระคุณและว่าท่าเช่นนั้นนะนะวานท่านใต่เท้าช่วยอยู่รักษามเมืองทันโจเอาไว้ก่อนจะได้หรือไม่ละขอรับ ข้าน้อยคิดจะแบ่งกำลังออกไปตีหัวเมืองของอาณาจักรเหลียวหลักๆสักหลายแห่งกอนเพื่อตัดโอกาสไม่ให้พวกมันติดต่อประสานกันได้ว่าแล้วส่งเจียงก็แจกจ่ายของกำนันลงไปในหมู่แม่ทัพในกองแล้วเรียกไพร่พลกลับมาชุมนุมกันรอคำสั่งเข้าตีเมืองของฝ่ายเหลียวในโอกาสต่อไปหยางซ่วงเอ่ยขึ้นว่าเมืองฉีโจอยู่ไม่ห่างจากนี่นะักพ้นจากอาณาบริเวณตรงนี้เข้าไปในตอนไหนแล้ว รุ่นอุดมไปด้วยเงินทองข้าวปลาธัญญาหารทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาลีเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอาณาจักรเหลียวโดยแท้คือถ้าเราสยบฉีโจโลงได้ก็จะได้ทั้งหมดดังนั้นซ่งเจี้ยจึงเรียกหาวูหยงที่ปรึกษาทัพของตนเข้ามาหารือ ขณะเดียวกันตรงเสียนเจ้าผู้ครองนครถันโจกับโยเวยกังขุนพลคู่ใจที่หนีไปทางตะ ว, วันออกก็ได้พบกับจูหมิงอยู่และเกาหมิงจี้พร้อมทัพที่แตกพ่ายก็พากันหนีตายกันหัวสุกหัวซุนเหมือนหมาตื่นตะเลิดยามเจ้าของเพิ่งตายปลาสเสด็จแหทั้งหมดก็สนธิกําลังที่แวงแวงวิ่งวิ่นนี้เข้าด้วยกันรีบหนีต่อไปยังเมืองฉีโจและได้รับการต้อนรับจากเจ้าฟ้าเจรูเต๋อจงพระอนุชาในกษัตริย์เหลียว คนเหล่านั้นเล่าถึงกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพวกคนเถื่อนที่ส่งเจี้ยนกำกลับมารวมทั้งเจ้าคนเถื่อนผู้มีฝีมือคว่างหินได้อย่างแม่นยำไม่เคยพลาดเป้าและเป็นพูดทำให้พระชนะ ด, ดาต้องถึงชีพิตักใสไปถึงสององค์รวมทั้งขุนพลอาลีฉีอีกด้วยเจ้าฟ้าจึงรับสั่งขึ้นว่ า, าทอดเช่นนั้นท่านต้องอยู่ช่วยเราจัดการมันก่อนคาพูดจะสุดโอดแมวมองที่ส่งออกไปลาดตรเวนก็กลับเข้ามารายงาน ถวายรายงานพระเจ้าข้าทรงเจียงแบ่งทัพออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเข้าตีตำบลปิงกูส่วนอีกทัพตรงเข้าตีตำบลอยู่เถียนโคราบพระอนุชารับสั่งกับเจ้าตรงเสียนว่านำกำลังของท่านไปตั้งยันเอาไว้ที่ปิงกูแต่ปย่อออกรบเราจะนำทัพไปกวาดล้างไอ้พวกคนเถื่อนที่อยู่เถียนก่อนแล้วจากอยู่เถียนจะอ้อมกลับมาตลบหลังพวกมันพวกมันย่าดินไม่หลุดเป็นแน่แท้ เสร็จกูล้เขาเนี่ยมึงว่าพรามก็ส่งมีหมายไปเตือนจังหวัดปาโจกับอยู่โจให้รีบส่งไพร่พลมาสมทบโดยด่วนแล้วก็เคลื่อนพลของพระองค์ตรงไปยังเมืองอยู่เถียนที่ถูกปิดล้อมโดยมีราชบุตรทั้งสติดตามไปด้วยทรงเจียงกับลู่ จ, จุนยี่แบ่งกําลังกันคนละสามหมื่นแล้วยกแยกไปยังเป้าหมายดังกล่าวพอเข้าใกล้ปิงกูส่งเจียงก็เห็นทหารเหลียวตาตาป้องกันเมืองอย่างมั่นคงจึงยังไม่รีบผาหลีผหลาม เป็นแต่ตั้งค่ายลงทางตะวันตกของตัวเมืองไม่ช้าลูกจุนยี่ที่มากับทัพอีกสาม0 0ื่นก็ยกมาถึงตำบลอยู่เถียนเห็นทหารเหลียวรักษาเมืองมั่นอยู่จึงหารือกับขุนพลจููประธานเสนาธิการประจำทัพโดยออกปากไปว่าข้าไม่เคยพื้นที่แถกชายแดนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ใจเคลื่อนทัพอย่างไรดีขอรับจู๋จึงว่าในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าน้อย เมื่อแปลกถินก็ต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังกระจายกำลังกันออกเป็นรูปงูหากศัตรูตีส่วนหัวหางก็ต้องเข้ามาช่วยหากตีหางหัวก็ต้องฉกหากถูกตีตรงกลางก็ต้องทั้งฉกทั้งช่วยพวกมันย่อมไม่สามารถตัดทอนทับเราให้ขาดออกจากกันได้ด้วยวิธีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลต่อการแตกที่อีกต่อไปโอ้โหตรงกับความรู้สึกของข้าแผงเลยขอรับ รูจุนยี่เอ่ยขึ้นด้วยความยินดีแล้วก็สั่งเคลื่อนพลไปตามนั้นพ่อมองออกไปแต่ไกลรูจุนยี่ก็เห็นหมู่ทหารเหลียวด่าหน้าเข้ามาแน่นหนามืดทึบระหนึ่งหมอกดำทะมึนถาโถมเข้าใส่กระดุกเนินทสายธงทิวพื้นโบกสะบัดดังขุ่อีกามวลหมู่อาชาไนก็ควบเข้าใส่ด้วยวิญญาณแห่งการประหรัรประหารหมวกปีกกว้างสีเขียวที่สวมใส่บนหัวทหารนั้นเล่าก็สะพื๊ดสะพั่งดังใบบัวสับพันบึงพเยอืพ ย, พยากระพือโบกโยกไหวอ ย, อยู่ในสายลมพัดจัด หมวกเหล็กที่ขัดมันนั้นเล่าก็เปรียบปรานคึืนใสในทะเลกว้างยาวราวหมื่นโยช์ดซองประกายโลหะทื่อๆไร้จิตวิญญาณอยู่ใต้แดดในฤดูเหมันอันขมุกขมัวแต่และคนล้วนสวมเสื้อคลุมรัดรัดรงดุมซ้ายใสเกราะ อ, อ่อนสองชั้นทับเสื้อคลุมหนาหนักทักอย่างประนีตพวกเขาล้วนเป็นบุรุษร่างใหญ่โตลำสันใบหน้ากล้าแดดเหล่านั้นมีในตาสีเขียวผมสีทอง กองทหารม้าชาติตาตา้าอกผายไล่พึงเสเอวเป็นเหล็กกล้าขาเป็นโลหะม้าที่ควบขี่ก็อยู่ในสภาพดีเยี่ยมคันธนูติดสองปลายไว้ด้วยเขาแกะลูกเก่าทันทําด้วยไม้ต้นกระดาษมันเป็นวาวราวถูกเหล่าด้วยทรายเสื้อคุมไหล่หนังเสือผือนใหญ่ติดกับอานม้าที่เจียนเซเล็กแคบเมื่อถูกเลี้ยงดูเติบใหญ่ขึ้นมาในแถบชายแดนพวกเขาล้วนเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์วุธฝึกฝูงอาชาดีขี่มาหลายชั่วรุ่น กองทัพพากันเดินเท้าตามจังหวะกลองหนังแกะและแตรทองเหลืองทหารม้าผิวคลุยคนเดินเท้าก็เดินเข้าจังหวะพระนุชาตเตอ๋อจงสเสด็จมาจนถึงตำบลอยู่เถียนแล้วกระจายกำลังออกเตรียมทำศึกจูบูใตกระไดเมฆขึ้นไปสังเกตการแล้วปีนกลับลงมารายงานลูกจุนยี่ว่ารายงาน ไอ้พวกขนเถื่อนกระใายกำลังตั้งค่ายกลแบบห้าเสือพิงภูดู่แล้วไม่มีอะไรลึกซึ้งหรอกขอรับว่าแล้วก็ไต่กลับขึ้นไปติดตามหมากกลต่อเสียร้อยเหลี่ยมโบกธงทั้งขวาทั้งซ้ายเคลื่อนย้ายกองกำลังของฝ่ายตนไปตามตำรายอย่างว่องไวลู่จุนยี่เฝ้าดูอยู่ในอาการสนเทเอา้านี่ท่านตั้งค่ายกลแบบไหนหรือขอรับจูู่จึงตอบว่านี่มันชื่อว่าอันอันผันเป็นรุง้ง เอา้าปลาอโนอนจะกลายร่างเป็นนกรุงได้อย่างไรกันล่ะขอรับจูบูจึงตอบว่าในหน้าน้ำทะเลเหนือของเรามีปลาชนิดหนึ่งเป็นอสุรกะกลายขนาดมหือมาสีขาวอสุรกะกลายตัวเนี้ยสามารถแปลงเป็นนกยักษ์บินได้ไกลถึงเก้าหมื่ น, นี้ใครก้นหมากนี้พิดดูตอนแรกดูเหมือนจะเล็กแต่ทันทีที่เริ่มรบกันมันจะขยายขนาดออกใหญ่ดังนกกลางปีดังนั้นจึงได้ชื่อว่า อันนั้นผันเป็นรุงลูกจุนยี่ได้ฟังก็พอใจทันใดนั้นเสียงกลองจากฝั่งตรงข้ามก็ดังกึกก้องขึ้นประตูธงเปิดออกพระอนุชาขยับม้าออกมาพร้อมด้วยสีราชบุตรขนาบอยู่สองข้างต่างฉลองพระองค์ทรงชุดเหมือนกันเกรดกระจกติดผู้ต่างอินทระธนูห้อยระยะระย้อยลงมาจากสองบ่าแต่ละองค์ทรงกระบี่ขี่อาชาฝีเท้าดี ทั้งหมดดึงม้หยุดเรียงกันเป็นแถวอยู่ขอบสนามเบื้องหลังแม่ทัพในกองโดยเสด็จไล่กันไปตับต่อแถวตั้งแนวให้สัพึบสับพังทันใดนั้นราชบุตรแห่งพระนุชาพากันตะวาดว่าโว้ยโ้ยไอโจนไอหนองกล้าดียังไงมาุกระ น, นาดจาักเราฮะลูจุนยี่เอ่ยกับบรรดาหัวหน้าว่าเมื่อสองทัพละจันกันอยู่อย่างเนี้ย วีรชนคนใดจะองมืรบเป็นรายแรกก hm ่อนคำปราบรกใกล้จะสิ้นสุดฉับพันกวนเชงหุนคนเงาใหญ่ก็ควบม้าออกไปโบกเงาเสี่ยวจันไปมาราชบุตรจงหยุนกลายกระบี่เยยนออกไปจากหัวไหลกระตุ้นม้าเข้าใส่ก่อนจะทันรบได้ห้าเพลงจงหลินราชบุตรอีกองค์หนึ่งก็เข้าร่วมวงเมื่อเห็นดังนั้นหูเวนโจก็ชูกระบองสองมือโถมม้าเข้ารับไว ยังผลให้อีกสองราชบุตรจงเตี้ยนและจงเหลยขับม้าออกมาสู้หนิงกับโสเจ้าก็เข้าสกัดสี่คู่สู้กันเป็นสิงคลีขณะเดียวกันเกาทันไร้ขนจางฉินรีบควบม้ามาที่ขอบสนามทหารเดียวที่แพ้มาจากถันโจจำได้เรียบถวายรายงานพระนุชารายงอนไอ้คนเถินที่ใส่ชุดเขียวคือไอ้คนกว้างหินมันขี่ม้าเข้ามาใกล้เช่นนั้นเหตีจะลูกไม้เก่าพยาาิยขะ เทียนซานหยงมือหน้าไม้ชาวตาตาได้ยินจึงเอ่ยขึ้นว่าขอพระองค์อย่าได้สมวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะกระหม่อมจะให้มันลิ้มรสฝีมือดูเทียนซานหยงผู้นี้ถือหน้าไม้ลวดลายใช้ลูกเกาทันเหล็กยาวหนึ่งสอกยิงจากหลังม้าลูกดอกนั้นมีชื่อว่าหยดมะกอกน้ำบัดนั้นเทียนซานหยงขึ้นสายสอดนิ้วเข้าไก่พักไว้แล้วเล็ดลอดออกมา ใช้ทหารเหลียวสองนายขี่ม้าบาังเอาไว้แต่จางฉินเลือบเห็นซะก่อนก็ลวงย่ามเข้าไปดึงลูกหินขึ้นมาตะหวาดออกไปพร้อมทั้งซัดใส่เฮ้ยออไปกินมึงหิวนะักหินก้อนนั้นเฉียดหมวกเหล็กของมือหน้าไม้เถียนซานหยงรีบหลบเข้าหลังมา้าคว้าลูกดอกมาใส่รงังพ่อจางฉินอยู่ใกล้ได้ระยะเถียนซานหยงก็เหนียวไกลอฮยย่จางฉินอุทานพยายามก้องหลบแต่ลูกดอกลูกนั้นพลันก็ปักเข้าที่ซอกคอ เกาทันไร้ขนพัดตกจากหลังมา้าขุนพลทวนคู่ตรงผิงกับข้ามงกรซื่อจินตามด้วยเสียเจินและเสียเป้าต้องรีบเข้าขวางช่วยชีวิตไว้ดึงลูกดอกออกให้แต่ทว่าผ้าพันแผลไม่อาจห้ามเลือดจากต้นคอจางชิงได้รองไม่ทับลูกจึงสั่งโจโหยวนและโจหลุนเอาตัวใส่เกวียนไปหาหมออันเต้ากวนรักษาที่ถานโจพวกเขาก็คุ้มกันเกวียนจากไปเรื่องนั้นเราจะเล่าในตอนหลัง ตอนนั้นเสียงกูตะวาาจากสนามรบก็ดังขึ้นอีกคำรบหนึ่งแมวมองเข้าไปรายงานเจ้าสัวลูกไรายงานหมาโมนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากสังกัดไหนโผล่มาจากทั้งตะวันตกเฉียงเหนือไม่ฟังอีร่าฆ่าอิรมแหบกบผู้คนแตกออกเป็นช่องบัดไี้เข้ามาในสนามรบแล้วขอรับเมื่อจางฉินต้องลูกดอกบาดเจ็บที่คอลู่จึงไม่มีแก่ใจจะรบหัวหน้าทั้งสี่ที่รบติดพันก็แ้งทําทีเป็นแพ้ ลาถอยกลับเข้าไปในขบวนแถวของฝ่ายตนโดยมีเจ้าชายเหลียวทั้งสี่ไล่กวด <S 2> <S 2> <S 2> <S ขณะเดียวกันกองทหารมา้ทาทำหน้าที่แมวมองของฝ่ายเหลียวดังกล่าวก็ตีตะลุยเข้ามาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราวหิมะถล่มไม่มีผู้ใดจะทานได้ทับส่งแตกออกเป็นสิ่งเสียงกระจัดกระจายไม่อาจาช่วยเหลือกันได้รองแม่ทัพลู่จุนยี่มองไปไม่เห็นผู้ใด ตัวมีแค่หนึ่งม้ากับอีกหนึ่งหอกแต่ก็ไล่ตะลุยเข้าใส่ทหารข้าศึกตอนนั้นมืดแล้วก็ยังบังเอิญเจอเข้ากับเจ้าชายเหลียวทั้งสี่ที่เพิ่งขี่ม้ากลับมาเจ้าสัวลูกก็เข้ารบด้วยโดยไม่คิดวันทันใด น, นั้นลูกสร้างถอยจงหลินสืดกเข้าหาสับกระบี่ตามลงมาลูกตวาดออกไปสกดพระปฏิยองค์นั้นจนชะงักงนัน ก่อนที่จะทันรู้ตัวลูกก็เสือกหอกเข้าใส่จนเจ้าชายองค์นั้นนายหลังตกม้าอีกสามคนเห็นดังนั้นก็ให้ระย้าควบม้าหนีลูกลงม้าตัดหัวคู่คาศึกแล้วแขวนไว้กับคอม้าของตัวกระโดดกลับขึ้นอ่านมาา้าควบตรงลงใต้มาได้หน่อยหนึ่งก็พบทหารเหลียวราวพันกว่าคนลูกก็ถมเข้าตีทหารเหล่านั้นยามดุดันจนแตกกระเจิดกระเจิงไปสิ้น พอไปได้อีกราวลี้เสร็จๆก็เห็นอีกหน่วยหนึ่งในเมื่ อ, อยามนั้นเป็นเวลาค่ำคืนเดือนมืดจึงดูใครไม่ออกแต่แล้วก็ได้ยินเป็นสำเนียงส่งลู่ตะโกนถามไปว่าทับผู้ใดกันนั่นฮะผู้เวียนโจร้องรับลู่ให้ดีใจนักรีบเข้าไปร่วมในทันทีผู้เวียนโจ ร, รายงานว่าเราถูกพวกเหลียวตีจนพัดหลงช่วยเหลือกันไม่ได้พวกราชบุญ รบ ก, กับฮันเถาและแปงฉีอยู่ที่นี่ก่อนสักพักหนึ่งแล้วแต่หลังจากนั้นข้าน้อยไม่ทราบเออข้าข้าไปหนึ่งอีกสามหนีไปได้ต่อมาข้าก็จัดการศัตรูอีกหน่วยหนึ่งกําลังสักพันคนไอ้จะแตกไปอีกแต่พอมาถึงที่นี่ก็ขมมืดด้วยไม่คุ้นบริเวณ น, นี้จึงกลัวจะถูกซุ่มข้าว่าจะรอจนเช้าแล้วค่อยไปต่อไม่คาดฝันว่าจะมาเจอท่านเลยน้องพี่ ทั้งสองพากันมุ่งลงใต้พอเคลื่อนไปได้ราวสิบกว่าลี้ก็พบทหารหน่วยหนึ่งขวางอยู่ผู้เหวยนโจเสนอขึ้นว่าเออเราควรรอจนเช้าไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าตีในที่มืดมืดจากฝ่ายตรงข้ามฉับพันก็มีเสียงตะโกนร้องถามออกมาว่า เอ้นั่นท่านขุนควนหูเวียนโจใช่หรือไม่ผู้เวียนโจจำเสียงกวนเชงขุนพลเงาใหญ่ได้ในทันทีจึงตะโกนตอบไปว่าท่านไปทับลูก็อยู่ที่นี่ด้วยขอรับบรรดาหัวหน้าก็ลงมา้านั่งหาเรือกันบนพื้นหญ้าลูกกับผู้เวียนเล่าเรื่องที่ตนประสบมาและกวนเชงก็กล่าวขึ้นว่าพวกเราสูญเสียความได้เปรียบพวกผู้มันตัดขาดไม่อาจช่วยเหลือกันได้ พาหน้อยกับท่านสวนซานฮาวซื่อเหวินซานถิงกุย้ยไวติงโกขี่ม้ามองหาถนนไป ร, บรอบๆจนเจอไพ่ผลของเราพันคนเนี้ยแต่พอพากันมาถึงตรงนี้ก็มืดพอดีด้วยไม่ทราบพื้นที่จึงเกรงจะถูกซุ่มคิดจะรอจนถึงเช้าเช่นกันไม่คิดฝันว่าจะมาพบพวกท่านเลยขอรับพอเช้าทุกคนก็ดันด้นลงใต้แล้วก็กลับมาถึงตำบลอยูเถียนอีกครั้ง มองไปเห็นหมู่คนกําลังลาดตระเวนอยู่เบื้องหน้าก็จําได้ว่าเป็นขุนพลทวนคู่ตรงผิงและครูพลห อ, อกเหล็กสู้หนิงที่หลังจากถูกพวกเหลวตีก็มาลงค่ายที่นี่ท่านโหเจี้ยนกับไปายเชงหาทางไปราย ง, งานท่านพี่ทรงเจียงทั้งสองบอกแต่ตอนนี้เราไม่ทราบว่าเสียเจิ้นเสียเป้าหยางลินและซึ่งหยงอยู่ที่ไหนขอรับลู่สั่งให้มีการนับหัวพวกที่มาถึงอยู่เถียนก็พบว่าขาดไปราวห้าพันคนสร้างความกังวลให้เขานัก พอตกสายก็ได้รับรายงานว่าพวกหัวหน้าที่หายไปพาไพร่ผลกลับมาสมทบอีกราวสองพันคนลู่เรียกหัวหน้าเหล่านั้นมาพบพวกเราทั้งสี่รบจนถล่มเข้าไปในเขตศัตรูเสีเจนรายงานหลงทางหาถนนไม่เจอพอเช้าขึ้นมาก็เห็นทัพเลี้ยวหน่อยหนึ่งพวกเราก็สังหารไปจนหมดแล้วหลุดกลับออกมาได้ขอรับ ลู่สั่งให้เอาศีรษะเจ้าชายองค์นั้นห้อยประจานเอาไว้ในตำบลอยู่เทียนและปูนบำเหน็จไพรพนพระตกเย็นขณะที่ไพรพลเตรียมตัวพักผ่อนนอนหลับพลตรเวนหนุ่มผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานเ อ, อ่อรายงานอ่ะทหารเหลียวยกมาล้อมเมืองเราไม่ทราบแต่งวนขอรับลู่ตกใจรีบพาเหยียนฉิงปีนกำแพงเมืองขึ้นไปดูก็เห็นคบไฟชูกันให้สลอนลึกถึงสิบลี้ ทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งก็ชี้ให้ดูเจ้าชายจงหยุนขี่ม้าสีแดงเพลิงบัญชาการทับเย็นฉิงจึงเอ่ยขึ้นว่าเมื่อวันวานพวกมันแอบยิงท่านจางฉินด้วยหน้าไม้วันนี้จะขออภินันคืนให้สิบบ้างว่าพรางก็เอาลูกเกาทันเทียบกับคันธนูแล้วยิงออกไปลูกดอกปักเข้าเต็มด้งนจมูกของเจ้าชายจงหยุนพลัดตกจากหลังม้า พวกทหารที่มาด้วยกรูกันเข้าช่วยทัพเดี่ยวที่ยกมาก็ลาถอยกลับไปถึงห้าลี้ลูกไม่ยกออกตามตีเป็นแต่หาเรือกับแม่ทัพในกองภายในตัวเมืองพวกมันถอยออกไปหน่อยหนึ่งแล้วเขากล่าวแต่เชื่อแน่ว่าพอเช้าพวกมันจะวกกลับมาปิดร้อมเราอีกเราต้องบีบให้ออกกันอยู่ในถังเหล็กเช่นนี้แล้วจะใหยักย้ายถ่ายเทแวแกออกไปเช่นไรได้หากรู้นะ พี่ส่งเจียงยอมมาช่วยเราเป็นแน่ถ้าช่วยกันตีรัดจักทั้งข้างนอกข้างในเราเป็นต้องทำลายการปิดล้อมลงได้อย่างแน่นอนก<ป>็จริงดังว่าเพิ่งจะลอดถ้าเสือวังมังกรก็มาเจอจันเจอแหแผ่ครอบดินคลุมฟ้าและหนทางข้างหน้าจะมีอะไรรอท่าอยู่อีกจะแพ้หรือชนะก็ไม่รู้ พวกเขารอท่าไปจนกระทั่งรุ่งสางก็เห็นกองทัพเดี่ยวรายล้อมเอาไว้ทั่วด้านไร้ช่องโหว่แต่แล้วฉับพลันนั้นฝุ่นผงุลีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ตีกลบขึ้นกลบฟ้าขณะที่กองทัพนับหมืน่นหนุนเนื่องกันเข้ามาเหล่าหัวหน้าพากันตาค้างเฮ้ย hey! มันจะต้องเป็นพี่ทรงเจีย้ยนผาทัพไปเรามาช่วยอย่างแน่นอนจู๋เอ่ยขึ้นหากพวกเขาเข้าตีทางใต้เราที่นี่ต้องตีรัดออกไปด้วยกำลังทั้งหมด กองทัพเหลียวรบติดพันทำรงการปิดล้อมมาตั้งแต่สายจนยันบ่ายแต่ก็ไม่อาจทนทานการถูกตีปีกต่อไปไหวก็เริ่มถอนตัวออกจาก ร, บรอบเมืองจูหู่ร้องขึ้นว่าเฮ้ยตามไปโมรออะไรอยู่ว้านเหรอลู่สั่งเปิดประตูเมืองทั้งสด้านเหลยยกทัพออกตามตีข้าฟันไพ้พลในกองทัพเหลียวเรากับใช้แขนเสื้อกวาดดาวดารดาดาตอยู่บนฟากฟ้าโบกชายเสื้อสะบัดปัดก้อนเมฆให้แต่กระจายพรายพัด ส่งเจียงตามตีไปอีกไกลจนรุ่งสามลูจึงเป่าแตรรวมพลแล้วยกทัพกลับเข้าเมืองพอกองทัพฝ่ายส่งสนธิกำลังลูก็ประกาศเข้าตีฉีโจทิ้งหัวหน้า23คนไว้คอยป้องกันถันโจกับข้าหลวงเจ้าส่วนที่เหลือแบ่งออกเป็นทัพซ้ายและขวาให้หัวหน้าไปกับทัพซ้ายของส่งเจียง48คนไปกับตนในทัพขวา37คนทั้งสองทัพคือทัพส่งเจียงจากปิงกู และทับลู่จุนยี่จากยู่เทียนก็บายหน้าตรงไปยังฉีโจข้าหลวงเจ้าอันฟู่กับทั้งยี่สามหัวหน้าอยู่รักษาถันโจเรื่องนั้นจะไม่ขอเล่าอีกเดิมทีทับฝ่ายเจ้าฟ้าเย่อหลู่เตอ๋อจงพระอนุชาในกษัตริย์เหลียวที่ฉีโจประกอบด้วยอรถทั้งสี่แม่ทับกว่าสิบไพร่พลอีกหนึ่งแสนโดยมีแม่ทับใหญ่นามว่าคุนพลเป้ามีเซิงและรองแม่ทับเทียนซนหยงคอยกำกับ แต่เนื่องจากทัพทรงเจียงต้องรบติดพันกันมาหลายวันเกิดความเหนื่อยล้าจึงสั่งให้พักพลก่อนส่วนแผนเข้าตีฉีโจตัวก็มีลูกทางเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นก่อนอื่นทรงเจียงจึงส่งมาเร็วออกไปสอบถามอาการบาดเจ็บของจางฉิมที่ถันโจหมออันเต้ากวนกล่าวว่าช่วยไปเรียนทานแม่ทัพใหญ่ว่าอย่าเป็นกังวลไปเลยบาดแผลไม่มากนักดอกพอหนองแห้งก็จะฟื้น หวงแต่บรรดาไพรพลต้องล้มตายด้วยโรคลมร้อนไปต่างๆนั้นนะข้าจึงขอให้ท่านข้าหลวงเจ้าส่งท่านเซียวรางกับส่งชิงไปเมืองหลวงตะ ว, วันออกไปหาซื้ อ, อยากแก้โรคลมร้อนจากโรงพยาบาลหลวงท่านหวงฝูตวนสัตรแพทย์ของเราก็ต้องการยาสำหรับมาอีกด้วยพอได้รับรายงานทรงจื่งก็วางใจหันไปหารือการเข้าตีฉีโจกับลู่จุนยี่ลู่จุนยี่จึงว่า ข้าน้อยคิดแผนตีฉีโจเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าถูกปิดล้อมอยู่ที่นี่แล้วกองซุนเชงเป็นคนพื้นถิ่นที่ฉีโจหลางซ่วงก็เคยเป็นเจ้าพนักงานปกครองที่จังหวัดส่วนชื่อซิ่วกับชื่อเฉียนก็เคยเอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานครั้งก่อนตอนที่เราตีทับเหลียวตาตาแตกพ่ายไปนั้นข้าสั่งให้ชื่อซิ่วกับชื่อเฉียนแอบแลักลอบปะกปันไปกับข้าศึกที่ถอยหนีเข้าไปในเมืองแล้ว ถ้าหลบเข้าไปได้ก็คงหาที่หาทางซ่อนตัวอยู่ในนั้นชื่อเฉียนบอกกับข้าน้อยว่าในเมืองฉีโจมีวัดใหญ่แห่งหนึ่งชื่อวัดเอ้าเหยียนในอุโบสถไว้เก็บพระคำพีร์และวัตถุล้ำค่านานาชนิดข้างหน้ายังมีเจดีย์ขนาดใหญ่สูงเทียมเม็อยู่องค์หนึ่งแล้วชื่อชิวก็เอ่ยขึ้นอีกว่าข้าบอกให้เขาขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนเพดานอุโบสถหลังนั้นจะได้เอาข้าวไปให้กินทุกวันหากจะปลดทุกข์ก็ต้องรอจนกว่าจะมืด ทันทีที่พี่ใหญ่บุกตีเมืองให้จุดไฟบนยอดเจดีสร้างความกวนละหนขึ้นในเมืองชื่อเสียนนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักตัดช่องย่องเบาอยู่ก่อนแล้วพวกเขาจึงซ่อนตัวอยู่ได้ไม่ยากนะพอถึงเวลาก็ให้พวกเขาวางเพลิงเผาสลากลางพวกเขาเตรียมกันไว้หมดแล้วแล้วก็จากไปแล้วข้าน้อยจะระดมพลบุกเข้าตีตามนั้นพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งส่งเจียนก็พาทัพของตนออกจากปิงกู่ มาบรนจบกับทัพลู่จุนยี่แล้วพากันบ่ายหน้าตรงไปเมืองฉีโจขณะเดียวกันเจ้าฟ้าเตอ๋อจงให้เกลิ้วยิ่งนักข้าที่เสียโอรสไปถึงสององค์จึงตรัสเรียกขุนพลเป้ามีเชงขุนพลเฉียนซานหยงและเสนาบดีต่งเซียนมหาฤเจ้าฟ้าเตอ๋อจงรับสั่งว่าคราวก่อนนั้นทัพหนุนจากฉอโจ พาโจยืดกำลังลงมาช่วยไกลไปแต่มาตอนนี้ทัพส่งรวมตัวกันอยู่ที่ตำบลยู่เทียนไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องตามมาตีเราถึงฉีโจเราจะทำฉันใดดีเป้ามีเชิงจึงกล่าวขึ้นว่าอไอ้พวกคนเถื่อนไม่ยกทักมารุกรานกระหม่อมก็ไม่คิดจะไปเกะ ก, ก ะ, ะรากานใดๆเอากับพวกมันแต่เท่าว่าไหนๆมันก็บุกเข้ามาแล้ว กระหมอมก็มีการปฏิบัติต่อพวกมันยิ่งศัตรูกระหมอมจะออกไปจับพวกมันสักหลายคนมีเช่นนั้นพวกมันก็คงไม่ราธับไปไง่ายๆเป็นแน่รองเสนาบดีจึงกล่าวเตือนขึ้นว่าพวกมันผู้หนึ่งใส่เสื้อคลุมเขียวสักหินได้แม่นย่ำราวกับจับวางระวังไว้จงหนักในทีเดียวเถียนซานหยงจึงกล่าวว่ากระหมอมยิงมันด้วยลูกดอกที่ต้นคอป่านนี้มันน่าจะตายไปแล้วเ้สม น, นั้นหน้ามัน ซานะักแหมทำเป็นเก่งรองเสนาบดีกล่าวว่าก็ให้ระวังแต่มันนั่นแหละค น, น, นอื่นๆก็ไม่เท่าไรดอกท่านใดนั้นในทหารชั้นผู้น้อยนายหนึ่งก็เข้ามารายงานขอประทานอนุญาตพยศห่ากองทัพส่งเจียงกาลังมุ่งมาที่ฉีโจ้แล้ว พระนุชารีบเรียกระดมพลแล้วพาทัพออกไปรับข้าศึกในทันทีพอออกจากเมืองไปได้สักสามสิบลี้ก็เห็นหน่วยหน้าข้าศึกทั้งสองฝ่ายรียบกระจายกระบวนรบขุนพลเป่ามีเชงหวางหอกอยู่บนอานกระตุ้นม้าออกไปข้างหน้า <DB il> ซ่งเ <R> MM> จียงหันมาถามขุนพลของฝ่ายตนว่าเอาน้องพี่ผู้ใดจะไปขยี้แล้วยึดทงมาประเดิมใช้ฝ่ายเรา ทายังไม่ทันสิ้นลิ้นชงหัวเสาร์ดำก็ทลันออกไปต่อตีกับขุนพลเหลียวในสนามรบซะแล้วทั้งสองรบกันไปราวสามสิบเพลงไม่มีผู้ใดแพ้ชนะลิ้นชงนั้นต้องการประเดิมชัยชนะเพื่อชื่อเสียงเกียรติภูมิก็ประชิดเข้าไปพร้อมด้วยห อ, อกยาวสิบแปดเสีย้ยใบห อ, อกตีเป็นรูปอสรพิษร้องตะวาดไปราวอสนีบาดออกไปครั้งหนึ่ง ปัดอาวุธฆ่าศึกกระเด็นออกจากวาง อ, อกเสื้อปลายหอกจิ้งเข้าที่ลำคอเป่ามีเชงขุนพลตาต้ากอนร่วงลงจากหลังม้าส่งเจียงเห็นเช่นนั้นก็ดีใจทับทั้งสองกูร้องขึ้น uh huh. เฉียนซานหยงลงสนามตามมา จากขาบวนแถวส่งเจียงสู้หนิงครูพลห อ, อกเลยก็เข้าประทะด้วยในมือถือห อ, อกใบเงี้ยงรบกันไปได้ราวยี่สิบเพลงสู้หนิงก็โถมแทงคู่ต่อสู้ตกมาอีกสองขุนพลข้าศึกแพ้ติดกันส่งเจียงให้ลิงโลดใจโบกไม้ให้สัญญาณทับจูโจมไปข้างหน้ากองทับเหลียวตกใจจากการที่เสียสองแม่ทับใหญ่ของตนไปพร้อมกันก็แตกหนีกลับฉีโจทับส่งเจียงตามตีไปสับสิทธ์กว่าลีก็ถอนกลับ คืนนั้นพวกเขาก็ลงค่ายส่งเจียงปูนบำเหน็จทัพพอรุ่งขึ้นอีกวันก็รื้อค่ายบ่ายหน้าไปฉีโจพอเช้าวันที่สามเมื่อได้รับรายงานว่าทัพส่งเจียงกาลังรุกเข้ามาและพระองค์ต้องเสียสองขุนพลไปพระน้องยาเธอก็ส่งกลิวนรับสั่งให้หารองเสนาบดีต่งเซียนมาสั่งการท่านจงออกไปรับหน้าขา้าศึกผ่อนเบาให้เมืองเราเจ้าครองนครต่งเซียนไม่อาจปัด ก็พาขุนพลเบยโยกังจูหมิงอยู่เกาหมิงจี้พร้อมทหารหนึ่งพันคนออกไปตั the there, ้งย okay. ันทัพอยู <ses Muhammad> <ha> ่นอกกำแพงเมืองเมื่อเข้าใกล้หน่วยล่วงหน้าของซ่งเจียงก็แผ่ออกเป็นรูปปีกาขุนศึกโซเจ้าก็ถือขวานสึกด้ามยาวชักม้าออกมาเบยโยกังขยกม้าออกมาจากแถวของทัพเหลียวหอกถืออยู่ในมือทั้งสองเข้าประทักกันราวยี่สิบเพลงพอได้ชิมรถมือขุนพลฝ่ายตาต้าก็เริ่มใจเสียใครจะหนี เจ้าฟ้าน้องยาเธอประทับยืนอยู่บนเชิงเทินก็เห็นขุนพลฝ่ายตัวเท้หัวมาวิ่งกลับเข้าแถวแต่โสดเจ้าไล่ตามทันเมื่อขวานสึกด้ามยาวขึ้นจามลงไปบนหัวแบะบศีรษะขุนพลตาตาาออกเป็นสองเสียงรองเสนาบดีสั่งการให้จูหมิงอยู่กับเกาหมิงจี้ออกรบทั้งสองกลัวไปแปในศิแล้วแต่เมื่อเลี่ยงไม่ได้ก็แข็งใจถึงหอกลงสนาม ก้าวมังกรซื่อจินกลายดาบใหญ่ตรงเข้าต่อตีกับขุพนพลทั้งสองในทันทีซื่อจินนั้นเป็นนักรบชั้นยอดวาดออกไปเพียงดาบเดียวก็สับจูหมิงอยู่ตกม้าก้าห <c oughs> มิงจี้พยายามหนีแต่ซื่อจินไล่ทันสวัดออกไปอีกหนขุนพลตาตาผู้นั้นก็ล่นลงบนพื้น <c oughs> แล้วโผ ม, มาเข้าหาทัพของฝ่ายตาตาจนสุดตัว ส่งเจียงชี้แท้ไปข้างหน้าไพร่ผลก็ครูเข้าใส่หัวสะพานชักข้าเมืองเจ้าฟ้าเห็นดังนั้นก็ยิ่งหดหูพระไทยนักรับสั่งให้ปิดประตูเมืองให้หมดให้แม่ทัพในกองทุกคนขึ้นรักษาการอยู่บนเชิงเทินพลางมีหนังสือเข้าไปกราบประคมทูลกระสัดเหลียวและให้ข้าหลวงแจ้งความช่วยเหลือโดยด่วนจากจังหวัดปาโจและอยู่โจส่งเจ้ยงหาเรือกรุโจนว่าเออพวกมันป้องกันเมืองซะแน่นหนาะ เราจะทําฉันใดเดียฝยเรามีชื่อซิลกับชื่อเฉียนอยู่ในนั้นแล้วพวกเขาจะต้องกดดานอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ส่วนพวกเราทางนี้ให้กระเตรียมปืนใหญ่ต่อบันไดเอาไวป้ปืนกับแพงทั้งสี่ด้านตอนแรกให้ลิงเจินท่านอมเมืองด้วยปืนใหญ่ให้กระจุยไปซะก่อนแล้วตามตีเข้าไปทั้งสี่ด้านหากเรากดดันหนักพอข้าเชื่อว่ามันจะต้องปริราแมเรากับข้าคิดเอาไว้เลยขอรับ ซ่งเจียงก็สั่งให้เตรียมการเข้าตีศีนในคืนนั้นการโจมตีของกองทัพซ่องหนักน่วงรุนแรงนักเจ้าฟ้าเตอ๋อจงต้องรับสั่งให้พลเรือนขึ้นไปเสริมเชิงเทินชื่อชิ่วหลังจากซ่อนตัวอยู่ในวัดเป้าเหยียนมาหลายวันก็เริ่มงุหงิน ด, ด้วยไม่สามารถจะทําอะไรได้ในที่สุดชื่อเฉียนก็เข้าไปหาด้วยท่าทีตื่นเต้นพี่พีซ่งเจียงผมตีเมืองหนักน่วงรุนแรงนักไม่มีเวลาไหนจะเหมาะที่จะวางเพลิงยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วขอรับ ทั้งสองก็วางแผนกันชื่อเฉียนจะวางเทิงเผาจจดีก่อนแล้วตา ม, มาไปด้วยอุโบสถท่านต้องไปเผาะสะลากลางชื่อเฉียนบอกพอทาหารของเราทางกำแพงเมืองทิศใต้เห็นว่าสถานที่สำคัญสำคัญติดไปเช่นนั้นพวกเขาจะยิ่งโหมตีหนักมือขึ้นเมืองนนก็จะแตกทั้งสองเตรียมเชื้อไฟหินเหล็กไฟกับเด็กชุดท่อเป่าลมกับ่านหินซ่อนเอาไว้กับตัว พอตกเย็นกองทัพทงจ้นก็เข้าตีเมืองเป็นสามารถชื่อเฉียนสามารถเดินบนกนระดา์ตีนกระไดไตกำแพงได้ราวกับอยู่บนดินไม่ช้าก็วางเพลิงเจดีองนั้นจะลุกโชนขึ้นในเมื่อเจดีองนั้นสูงเด่นที่สุดในเมืองจึงเป็นเหมือนดอกสว่านติดไฟปรากฏออกไปไกลในรัศมีกว่า30สิบลี้แล้วชื่อเฉียนก็เผาโบสดซ้าอีกไฟโหมขึ้นสองจุดทาให้เมืองทั้งเมืองกละหนอลมานไปทั่ว ราษฎรทั้งหนุ่มสาวแก่เฒ่าตกอกตกใจเด็กหญิงเด็กชายร้องไห้กระงมพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดทันใดนั้นชื่อซิลก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาศาลากลางและวางเพลิงขึ้นกรมเมืองจึงได้รู้ว่าข้าศึกมีหนอนบ่อนไส้เอาไว้ก่อการในเมืองแล้วเหตุฉะไหนจะไปบังคับให้ชาวเมืองใส่ใจในการป้องกันเชิงเทินได้ไม่มีผู้ใดรัง้งพวกเขาไว้ได้ต่อไปคนเหล่านั้นต่างก็พากันวิ่งกลับไปดูแลบ้านเช่าของตนก่อนที่ชื่อเฉียจนจะหนีออกมา ไม่ช้าไฟก็ไม่ลามไปทุกตึกในเวลาเพียงครึ่งชั่วยามเพลิงเกิดขึ้นถึงสี่ห้าจุดพระนุชาก็ตระหนักว่าส่งเจียนมีสายอยู่ในเมืองจึงเรียบกระดมกำลังทหารบางส่วนพาพระชายาและรถที่เหลืออีกสององค์ขึ้นเกวียนเปิดประตูเมืองทางทิศเหนือแล้วสเสด็จหนีไป เมืองฉีโ จ, โจตกอยู่ในถ้ากลางมิกะสัญญีส่งเจียงจึงให้ไพร่พนหงตีหนักขึ้นเสียงกู่ตะวาดฟาดฟันดังขึ้นทั้งจากข้างนอกข้างในในที่สุดพวกเข้าตีก็ยึดกำแพงด้านทิศใต้ได้ ร, ร้องเสนาบดีตงเซียนทราบว่าตัวไม่อาจยืนหยัดอยู่แต่โดยลาพังก็หนีตามเจ้าฟ้าไปทางประตูกำแพงด้านทิศเหนือส่งเจียงกับไพร่พนลัลลงไงเข้าไปในเมืองรีบเร่งดับไฟพอเช้าก็ออกประกาศให้ความปลอดภัยแก่ราษฎร ยกทหารเข้าไปไว้ภายในเมืองให้มากที่สุดแล้วปูนบำเหน็ตทัพมีการบันทึกผลงานของชื่อซิ่วกับชื่อเฉียนซ่งเจียนก็มีหนังสือไปยังข้าหลวงเจ้าอันฟูเรายึดจังหวัดใหญ่อย่างฉีโจได้พวกเราจึงใคร่จะกราบเรียนท่านตายท้าให้ย้ายกองประชาการส่วนหน้ามาที่นี่ข้าหลวงต่างประเทศพระกันผู้นั้นตอบหนังสือกลับมาว่า ตอนที่ท่านแม่ทับส่งเจียงยังรักษาฉีโจอยู่นั้นข้าน้อยจะขออยู่ถันโจไปสักพักก่อนเสือเรื่องมาจับตอนนี้เข่าหน้าร้อนการเคลื่อน ย, าย้ายไผ่ผลทำไม่สะดวกพราอากาศบรรเทาลงหน่อยแล้วค่อยหาเรือกันขอรับส่งเจียงจึงสั่งให้ลู่จุนยี่ยังทับเอาไว้ที่ตำบลยู่เถียนส่วนที่เหลือก็ให้อยู่ในฉีโจให้รอรับคำสั่งหลังอากาศเย็นลง ขณะเดียวกันเจ้าฟ้าเยอหลู่เตอ๋อจงและรองเสนาบดีตงเซียนพร้อมด้วยบรรดาครอบครัวก็หนีไปยังจังหวัดยูโจแล้วต่อขึ้นไปกราบบังคมทูลถวายรายงานกษัตริย์เหลียวที่เหยียนจิงครานั้นองค์อธิการราชแห่งราชนจาจักรเหลียวตาตาประทับอยู่บนพระที่นั่งสุพรรณดิตมูเสนาอาหมัดแยกกันระหว่างทหารและพลเรือนยืนเฝ้าเป็นแถวยามนั้นราชสำนักเพิ่งจะเปิด สมุหราชาพิธีก็ประกาศขึ้นว่าพระเจ้าน้องยาเธอเสด็จจากฉีโจมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะกษัตริย์เหลียวรีบรับสั่งให้เข้าเฝ้าในทันทีเจ้าฟ้าเต๋อจงกับเจ้าครองนครพอเข้าไปถึงบันลังในท้องพระโรงก็มอบกราบและกันแสงขึ้นพร้อมกันเสียงดังเป็นที่น่าเวทนายิ่งนัก เอย่าเสียใจไปเลยน้องพี่พระเจ้าเหลียวทรงตรัสไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงเล่ามาให้หมด <c oughs> พระอาญาไม่พ้นเกล้าจั ก, กรพรรดิทรงส่งกองทัพภายใต้การบัญชาการของซ่งเจียงกรีธาทัพมาโจมตีเราพวกมันกล้าแข็งนะพวกเรายับยั้งเอาไว้ไม่ได้พวกมันสังหารุ่งชายของเกล้ากำหม่อมไปสององข่าคนพ้นของเราที่ถันจอไปอีกสี่คน รวมทั้งขุนพลของหมอมฉันอีกสองคนพระเจ้าค่ะแล้วเข้ายึดฉีจอเอาไว้วกกล่าวกับหมอมพากันขึ้นมาขอรับโทษประหารพระเจ้าค่ะเฮ้ยท่านทั้งหลายลุกขึ้นสเสักเถิดพระมหากษัตริย์ทรงรับสั่งเราจะพิจารณาเรื่องนี้กันให้รอบคอบแล้วไอ้ขนเถื่อนส่งเจียงนี้เป็นใครได้ยินว่าเป็นแค่จรป่าหรือไม่ใช่ เสนาบดีจูเจียนอุปนายกฝ่ายบริหารสืบเท้าออกมาอธิบายว่าขอเดชะข้าพระองค์ทราบพระเจ้าค่ะแต่เดิมคนผู้นี้เคยเป็นโจนป่าอยู่ที่ชมรมเหรียญสาเปาะแต่เขาไม่เคยทำร้ายชาวบ้านร้านถิ่นและคนดีมีศีลธรรมยึดมั่นในวัดปฏิบัติตามบัญชาสวรรค์จะฆ่าก็แต่พวกขุนนางกลางฉินที่กดขี่ไพ่ฟ้าข่าแผ่นดินท้องกวนกับเกาเกิวยกทับไปปราบ แต่รบกันเพียงห้าครั้งก็แตกพ่ายมาสิ้นไม่มีผู้ใดาสามารถจับอุมผู้ ก, กล้าในกลุ่มคนเหล่านี้ได้เลยจะกระพัดส่งประธานนิรโทษกรรมไปถึงสามครั้งจึงได้สวนไม่พักและทรงโปรดกล้าแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพน้ายกทัพมาปราบเราแต่ยังไม่ให้ยศชั้นขุนนางเป็นที่เป็นทางบรรดาแม่ทัพในกองคนอื่นๆก็ยังไม่มีการโปรดกล้าแต่งตั้งนี่คือเรื่องราวของพวกเขาข้าพระองค์ได้ยินมาว่า พวกเขามีด้วยกันหนึ่งร้อยแปดคนตรงกับผูดาวในสวงสวรรค์ฝีมือร้ายกาดนักจะพึ้นประมาทนั้นไม่ได้พระเจ้าค้าฮะในเมื่อท่านว่ามาเช่นนี้พวกเราจะทำฉันใดดีดกษัตริย์เหลียวทรงอุทานเครื่องทรงแสนโออากาดไปมาบนพื้นห้องท้องพระโรงเสนาบดีหยางสืบเท้าออกมาอย่างมาดมั่น แล้วถวายบังคมขึ้นว่าขอเดชะพระอาญามิผลกล่าวอันว่าบุตรธิอาพึ้งกระตันยูเสนาบดีต้องมีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีความสามารถหรือฉเฉลียวฉลาดใดๆข้าพระองค์ก็มีแผนที่จะขับไล่กองทัพผู้รุกรานนี้แล้วพระเจ้าค่ะกษัตริย์เหลียวทรงโสมนัสยิ่งนัก หากท่านมีแผนการดีๆก็ไขออกมาเถิดศิณบุีอย่างกราบทูลเพลงสั้นๆแต่ผลที่ตามมาส่งจิงได้สร้างชื่อือเรื่องกระเดืองไกลปรากฏชื่อจารึกในประวัติศาสตร์กองทัพที่ยกกลับมาจากชายแดนใช้แทะเคาะกรนมาไปจังหวัดพากันขับขานตำนานเพลงแห่งชัยชนะก็จริงดังเขาว่าฝีมือบริหารการแผ่นดิน คู่ขี้มากับลูกหวางคุณงามความดีนั้นเล่าก็ล้ำเลิดเหนือจางเหลียงแล้วศินาบดีโอหยางแห่งราชนจาจักรเหลียวกราบทูลเสนอแนะอะไรฟังบทถัดไปหากว่าอยากจะรู้เสนาบดีโอหยางไรายยาวขึ้นว่า ขอเถอะชาอาญาไม่ผลกล่าวซ่งเที่ยงกับสมัครพรรคพวกเป็นผู้กล้ามาแต่เหลียงซานพะแต่ในทุกวันเฮจั ก, กรพัฒน์ซ่งถูกใช่จริงถงกวานเกากิวและหยางเจียนขุนนางกลางฉิงคอยเป่าหูไอ้พวกขุนนางกลุ่มเนี้มันขี้ฉาริษยาคนดีมีฝีมือและผู้มีคุณธรรมทั้งหลายหากไม่เข้าพวกมันก็จะถูกกีดกันไม่มีวันก้าวหนา้าหากไม่ให้เงินก็ไม่เล่นด้วย ดูท้าพวกมันจะไม่ยอมปล่อยส่งเจียงกับพรรคพวกเอาไว้นานนะักในความเห็นอันต่ําต้อยของข้าพระบาทพระองค์พึงประธานตําแหน่งขุนนางชั้นสูงอีกทั้งแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าแพร่พันผ้าไหมผ้าขนสัตว์และมา้าปล้นเปลือให้เต็มที่ข้าพระองค์ยินดีที่จะสนองภารกิจเป็นทูตนําของกํานันไปมอบและหวานล้อมให้พวกเขาเขามายอกกายอยู่รับใช้ใต้เบื้องยุคคนละบาทแห่งอาณาจักรเลียวที่ยิ่งใหญ่ของเราให้จงได้ หากทรงเจียงผาสมัรพักพวกทั้งหมดมาสวามิภักดิ์พระองค์ย่อมจะสามารถยึดครองดินแดนที่ราบภาคกลางเอาไว้ง่ายได้ประ ด, ดุจพลิกฝ่าพระหัต์ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระเจ้าข้าจากักรพรรดิเหลียวทรงดำริว่าให้ท่านกล่าวมานั้นก็ถูกต้องโดยแท้ท่านจงไปเป็นทูตให้ข้าได้เพื่อเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของเราที่มีต่อเขา จงนำม้าดีพร้อมเครื่องอาหนึ่งอแดตัวผ้าไหมอย่างดีหนึ่งอยแปดไม้บอกส่งเจี๊ยงให้มากินตำแหน่งมหาเศนษาบดีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพมหาอาณาจักรเหลียวอันยิ่งใหญ่และเครี้ยงไกลของเราเขาก็จะได้รับราบยศทรัพย์สินเงินทองบรรดาหัวหน้าที่เป็นสมัครพักพวกของเขาก็เช่นเดียวกันท่านใดนั้น บูเยียนแม่ทัพใหญ่ฝ่ายอนจาจักเหลียวก็ก้าวออกมาจากแถวเฝ้าแล้วกราบบุงคมทูลว่าอ๋อยอมีผลกล่าวเฮ็ดท่นไหนจะทรงโปรดพระราชทานนี้ละเท่าศั ก, กรรมให้ทรงเจียงกับพวกโจรกระชอกพวกนั้นด้วยพระเจ้าค่าข้าพระองค์มีขุนศึกประธานถึงยี่สิบปดกับขุนพลฝ่ายไรขิดอีกต้องสิบเอ็ดคนอยู่ใต้การปกครองในกองทัพแล้วเราจะต้องไปกลัวอะไรอะไอ้พวกคนเถื่อนเหล่านั้นไม่ยอมถอนกําลัง ข้าพระองค์จะขอนําทัพรุดออกไปสังหารพวกมันด้วยตนเองพระเจ้าค้าพระเจ้าเหลียวจึงรับสั่งว่าท่านเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยมดังกับเสือนั่นก็จริงอยู่ดอกแต่หากได้พวกนั้นมาร่วมจะไม่เท่ากับติดปีกเพิ่มอีกชั้นหนึ่งดอกหรือไรอย่าได้ห้ามเราเลยเมื่อทรงมีพระราชมินิฉัยเช่นนั้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีผู้ใดกล้าพูดไปเป็นอย่างอื่นแม่ทัพใหญ่หูเหยียนผู้นี้เป็นนายทหารชั้นยอดชํานาญสิ้นในศาสตร์การทหารทั้งสิปดกิ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีนั้นเล่าก็ล้ำลึกเป็นยิ่งนักอายุอานามย่าง35รูปร่างคำยำสูงใหญ่ผิวขาวสะอาดริมฝีปากราวแต้มชาตผมสีทองในตาสีเขียวพละกำลังและความกล้าหาญหาได้เปรียบในสนามรบใช้หอกเหล็กดาดยามสู้รบติดพันแผ่นเหล็กที่เอลกระทบกันฝังแล้วสะท้านเข้าไปถึงหัวใจช่างเป็นนักรบที่เ ก, กล้าเกลียงกลายเป็นที่ยิ่งพอได้รับพระบรมราชองการ โอหยางกร็รวบรวมของกำนันขึ้นมาแล้วบ่ายหน้าตรงไปยังเมืองฉีโจวที่ส่งเจียงยังทับอยู่เมื่อได้รับรายงานว่าทูตจากราชนาจักรเหลียวเดินทางมาขอพบด้วยไม่ทราบว่าจะมาดีหรือร้ายส่งเจียงจึงเงิเชิญตำราพิชัยศึกที่ได้จากเจ้าแม่นบสวรรค์ออกมาเสี่ยงทายกับเสี่ยมสีไม้ไผ่ที่หลุดออกมาจากกระบอกเป็นคําทํานายที่บอกว่าเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่กําลังรอท่าอยู่เบื้องหน้า จึงแจ้งให้วูหยงทราบถึงเรื่องคำทํานายไทยทักแล้วว่าออดูคล้ายกับว่าทูตราชนาจักรเหลียวจะมาพร้อมกับนิโทศกรรมเราจะทําฉันใดดีขอรับวูหยงจึงว่าออเป็นเช่นนั้นเราก็สอนกลมันซะเลยท่านจงรับไว้ให้ท่านลู่จุนยี่รั้งอยู่ที่ฉีโจนี้แล้วท่านไปยึดปาโจเพราะเมื่อเรายึดถันโจอยู่แล้วพอไปได้ปาโจ อ, อีกอาณาจักรเหลียวก็เท่ากับแตก ดังนั้นท่านจงรับปากเป็นแม่ทัพใหญ่ของราชอาณาจักรเหลียวโอไว้ก่อนที่เหลือก็ยอมสบายอยู่ที่ปลายมือทำเรื่องอยากเอาไว้เรื่องง่ายๆก็จะตามมาในภายหลังอย่าให้พวกมันสงสัยได้ดพ่อเสนาบดีโอหยางมาถึงเมืองส่งเจียงก็สั่งให้เปิดประตูเมืองรับโกหยางลงมาที่หน้าสาราว่าการจังหวัดตรงเข้าไปยังห้องโถงใหญ่หลังจากโอพาปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วทั้งแขกและเจ้าบ้านก็นั่งลงตามตาแหน่ง สรงเจียงเอ่ยขึ้นว่ากิดอันใดาพาใต้าถามมาถึงที่นี่แลขอรับเสนาบดีโอหยางจึงว่าเป็นกิจอันเล็กๆน้อยๆดอกข้าน้อยขอเรียนกับท่านทำลำพังจะได้หรือไม่ทรงเจียงสั่งให้บรรดาหัวหน้าออกไปแล้วนำพาคันตุกะไปยังที่ระโหฐานด้านในพอไปถึงโอหยางก็ก้มลงคำนับแล้วเอ่ยขึ้นว่าชื่อเสียงเกจิภูมิของท่านแม่ทัพเล่าหรือกันให้กระชอน มาจนถึงราชอาณาจักรเหลียวของข้าน้อยแต่ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ก่อนหน้านี้ข้าน้อยจึงไม่อาจไปชื่นชมบารมีนอกจากนี้เราก็ยังรู้ว่าระหว่างอยู่บนเขาท่านปฏิบัติตามบรรชาสวรรค์และพวกท่านทั้งวกวงร่วมเป็น้ำหนึ่งใจเดียวกันมาทุกวันนี้คุณนางกังฉินในราชาสนักซ่งก็คอยกีดกันกลั่นแก้งคนดีมีคณธรรมหากว่าโปอยเงินทองและสินจ้างจึงจะได้ตาแหน่งและยศถารรดาศักดิ์ทาให ถึงจะสร้างเกียรติคุณให้แผ่นดินยิ่งใหญ่สักพันใดก็จะไม่มีวันได้ดิบได้ดีให้พวกขุณนางกังฉินกอกนี้มีอำนาจเหลือหลายพวกมันใส่ความคนซื่ออิจฉาตาร้อนคนดีมีฝีมือไม่จําแนกว่าผู้ใดควรตกรางวัลใครกันควรถูกลงโทษสร้างความสับสนอโลมานไปทั้งแผ่นดินใต้ลําน้ําแยงซีไปมิแต่จอนผู้ร้ายไม่เว้นทั้งสองฝ้าของแม่น้ําเจิ้งเจียงทั้งมวลทนสารตรงและเหอเป่ย พระชาราชถูกพวกมันกดขี่บีธาจนไม่เหลืออะไรจะยาไซด้วยความปราถนาเจ้าหวนกลับมารับใช้องค์จั ก, กรพรรดิด้วยความสัตดิ์สิทธิ์ทให้ท่านน้าทับนับแสนไปสู่หมิพักแต่กลับได้ตําแหน่งเพียงแม่ทัพหน้าอิปัรดาศักดิ์ใดกลับไม่ได้รับพระราชทานถึงจะทุ่มเทชีวิตจิตใจรับใช้แผ่นดินจนสุดจิตสุดใจแค่ไหนกระทั่งชันยศบรรดาหัวหน้าทั้งหลายก็ยังไม่มีใครเคยได้เห็น เมื่อเอาคุณงามความดีเข้าสู้ท่านอุตส่าห์นำทัพบุกทะเลทรายเข้ามาเผชิญกับความธุระอันดานอันตคัดขัดสนราชสนักก็ไม่เคยตกรางวันทั้งนี้ก็เป็นเพราะบรรดาขุนนางกังฉินคอยกีดกันเอาไว้นั่นเองขอเพียงแต่จะส่งทรัพย์สมบัติที่ปล้นมาได้ไปจิ้มกล้องใช่จริงถงกวานเกากิวและหยางเจียนท่านก็คงจะได้รับยดขุนนางได้รับพระหมหากรุณาธิคุณกับเขาบ้างแต่ว่า ถ้าไม่ทำตามนี้ไม่ว่าจะก้มหน้าก้มตารับใช้แผ่นดินยางซื่อสัตย์สุจริตไปนานสักแค่ไหนไม่ว่าจะสร้างชื่อเสียกิติภูมิให้เลื่องไกลไปทั่วแผ่นดินสักเพียงใดพอกลับไปถึงพระนครก็ไม่ครลวจะถูกกราหน้าว่าเป็นกบฏข้าน้อยในฐานะราชทธตจากกษัตย์เหลียวผู้ยิ่งใหญ่เพื่อกราเปียนใต้เท้าให้ทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชดำริ จะแต่งตั้งให้ท่านใต้เท้าเป็นแม่ทัพใหญ่บัญชาการสูงสุดในทัพเหลียวและประทานเงินทองผ้าไหมหนึ่ง้แปดไม้หมาฝีเท้าดีอีกหนึ่งอยแปดตัวและปูนตำแหน่งขุนนางให้กัพวกท่านทั้งหนึ่งรดคนตัวข้าน้อยเองใช่จะมีเจตนามายกยอปอปั้นท่านใต้เท้าเลยหรือก็หาไม่แต่มาที่นี่ก็ด้วยพระราชกระแสรับสั่งแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเล็งเห็นคุณงามความดีของท่านและบัญชาให้ข้าน้อยมาเรียนท่าน และหัวหน้าทั้งปวงให้รับนิรโทษกรรมและสวามิภัก์เข้ามาอยู่ใต้พระบรมโพธที่สมภารเสียส่งเจียงรับฟังอยู่โดยดุษฎีจนสิ้นความแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าสิ่งที่ใต้เท้ากล่าวมาก็ถูกต้องโดยแท้แต่ด้วยเหตุที่ข้าน้อยเกิดมาในฐานอันดอนไพร่เป็นก็แต่เพียงเสมียอเจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยในตำบลหยุนเชงหลังจากทงผิดอาญา ำต้องหนีไปซ่อนตัวอยู่ในเหลียงซานปอะจะ ก, กระพัดทรงส่งนี้ราโทษกรรมให้ถึงสามครั้งจึงได้สวามิภักดิ์ถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังต่ำชั้นนักแต่ข้าน้อยก็ปราถนาจะประกอบแต่คุณงามความดีถ้าไหวาเป็นราชพรีที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาประทานอภัยมาให้ส่วนที่พระมหากษัตริย์ของท่านทรงดำริจะประทานยศถาบรรดาศักด์และทรัพย์สมบัติมากมายข้าน้อยไม่กล้ารับดอกโปรดไดเอากลับไปสเสด แต่เนเื่องจากหน้านี้เป็นหน้าร้อนข้าสั่งให้กองทัพพักพรจึงใคร่จะขอยืมเมืองทั้งสองของท่านนี้เอาไว้พักผลอนจนผนร้อนรอท่าหนาวคราวล่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่อยมาหารือกันอีกทีนะขอรับโอหยางจึงว่าเท่านแม่ทัพหากได้เท้าไม่คิดว่ามันน้อยก็โปรดรับของกำนันนี้เอาไว้ก่อนแล้วข้าน้อยจะย้อนกลับมาหารือใหม่อีกรอบในภายหลังซ่งเจียงจึงว่า เออท่านต้องเข้าใจซะ ก, ก่อนนะว่าพวกเราทั้งหนึ่งร้อยแปดล้วนมีหูมีตาหากความเหล่านี้รั่วไหลออกไปเราจะพากันตกที่นั่งลำบากโอ้หยางแย้งขึ้นว่าแต่อำานาจอยู่ในมือใต้เท้าผู้ใดจะกล้าขัดขืนซ่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยท่านไม่เข้าใจขอรับบรรดาพวกหัวหน้าส่วนใหญ่ของเราเป็นนักรบที่ห้าวหาญและสั์ซื่อยิ่งนักผอนเวลาให้ข้าน้อยค่อยๆกล่อม ค่อยๆตะล่อมไปสัปพักก่อนหากพวกเราเห็นดีเห็นงามตามไปได้วยกันก็ยังมีเวลาท่านที่จะให้คําตอบท่านได้อีกงานถมหลังจากเลี้ยนดูปูเสือเสนาบดีโออย่างแล้วส่งเจียงก็ออกไปส่งยางนอกเมืองราชทูตขึ้นมาแล้วกลับไปส่งเจียงเล่าให้หูหยงฟังถึงความที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านอาจารย์ข้าน้อยควรทําฉันใดดีวูหยงถอนใจใหญ่ เอาแต่ก้มหน้าไม่ยอมตอบเอ้ยเอาเหตุฉันไหนท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทัพต้องถอนหายใจด้วยเล่าวูหยงราพึงขึ้นว่าเฮ้ยข้าน้อยอดสะท้อนใจไม่ได้ขอรับในเมื่อท่านแม่ทัพยึดเอาความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งข้าก็มีบางอาจจะกล่าวอะไรออกไปให้มากความสำหรับข้าเห็นว่าคำพูดของเสนาบดีโออย่างนั้นเป็นจริงยิ่งนักจะ ก, กระพัดส่งของเรา ถึงแม้จะทรงพระปรีชาสามารถและสูงส่งแต่กลับปล่อยให้พระราชอำนาจไปอยู่ในมือใช่จริงถงกวนเกากิวและหยางเจี้ยนสัส่วนใหญ่ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงมอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้พวกเขาแม้พวกเราจะสร้างความดีความชอบมากสักแค่ไหนก็ไม่มีหลักประกันว่าจะออกดอกออกผลหลังจากทรงพระราชทานอภัยโทษมาสามครั้งท่านกลับได้เพียงยศลอยส่วนตำแหน่ง ก็เป็นแค่แม่ทับหน้าหาบันดาศัก์ไม่มีตามความเห็นอันต่ำต้อยของข้าน้อยสวามิภักดิ์เสียกับพวกเหลียวตาตา้าก็ยังดีกว่ากลับไปใช้ชีวิตบนเขาเลี้ยงสารแต่ถ้าทำเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการทรยศต่ตอหลักการแห่งความจงรักภักดีส่งเจียงจึงว่าเออท่านอาจารย์ผิดอย่างมงหันต์เสียแล้วละขอรับการจะให้ไปสวามิภักดิ์กับพวกตาต้านั้นเลิกพูดได้เลย ให้ราชวงศ์ซงกระทำผิดต่อข้าน้อยข้าน้อยก็ไม่อาจแม้แต่จะคิดร้ายตอบถึงแม้จะไม่ได้รับปูนบําเหน็จแต่ก็ต้องขอทิ้งชื่อเสียงที่ไม่มีวันด่างพร้อยเอาไว้ในประวัติศาสตร์หากตรบัตรสัตว์สวรรค์คงไม่อาจให้อภัยเราต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีให้จงหนักก้มหน้าก้มตารับใช้แผ่นดินนี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปูหยงจึงว่าดูมิเมื่อท่านรู้สึกคงมั่นอยู่อย่างนี้ เราก็ควรจะถือโอกาสยึดปาโจไปเสียเลยแต่ตอนนี้ร้อนนักเราต้องพักพลพักมา้าซะก่อนทั้งสองตกลงกันและไม่ยอมเผยความในให้บรรดาหัวหน้าทั้งหลายได้รู้เพียงรังอยู่ที่ฉีโจรอ่าให้ฤดูร้อนผ่านไปขณะสนทนาอยู่กับเต้าสือกองซุนเฉ่งในเวลาต่อมาซ่งเจียงก็เอ่ยปากขึ้นว่าข้าน้อยได้ยินท่านเล่าให้ฟังถึงท่านอาจารย์ พระครูโลเสียนผู้วิเศษอยู่เสมอเสมอว่าในยุค ข, ของเรานี้มีฤทธิเดชแก่กล้ายิ่งนักตอนที่ข้าส่งท่านใต้โจงกับลี่ขุยไปตามท่านมาสยบฤทธิ์ของเกาเหลียนท่านก็บอกอีกว่าคาถาอาคมของพระครูโลนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักคราวนี้ข้าขอวานให้ท่านพาขึ้นเขาไปน้ำนสศการพระคุณท่านยังวิหารเพื่อว่าข้าจะได้เผาทูบและสวดมนต์ชำล้างฝนทุรีแห่งโลกีวิสัยออกจากจิตใจซะบ้าง ทำเช่นนี้จะเป็นที่เหมาะหรือไม่ขอรับกงซุนเชงจึงเอ่ยขึ้นว่าโอ้ข้าเองก็คิดอยากจะกลับไปเยี่ยมแม่ผู้แก่ชาราและแวะหาท่านอาจารย์อยู่พอดีแต่ด้วยเห็นว่าท่านกำลังง้วนอยู่กับกิจในการจัดที่วางทางให้กองทัพจึงไม่กล้าขอวันนี้ก็พอดีกำลังจะออกปากไม่เคยคิดเลยว่าท่านเองก็ใครอยากจะไปเช่นกันถ้าเช่นนั้นนะ เราน่าจะออกเดินทางไปด้วยกันเช้าวันพรุ่งก็จะดีข้าจะไปส่งให้ถึงวิหารของท่านอาจารย์แล้วจึงจะเลยไปเยี่ยมมารดาวันรุ่งขึ้นทรงเจียงมอบอำนาจการประคัญระชารัพให้ที่ปรึกษาวูหยงแล้วตระเตรียมทูบหอมอย่างดีผลไม้สดทองคำเพชรนินจินดาและผ้าไหมอย่างงามพร้อมด้วยหัวหลงไตจงลูกฟางโกเชงเยียนชุนมาลินตัวเองและกองซุนเชงพร้อมกับพลเดินเท้าห้าพันคน ออกเดินทางไปยังเทือกเขาเซียนคู่ในตำบลจิวกองบรรดาหุหน้าขี่ม้าลึกเข้าไปในหุบเขาหมู่สนเขียวขจีแพกิ่งก้านห่มคลุมผืนป่าอากาศสดใสยเย็นสบายทิ้งความร้อนอบอ้าวในฤดูเข็มหันเอาไว้เบื้องหลังทิวทัศน์บนเขาช่างงดงามเสียน่กระไรกองซุนเชีงชี้ให้ดูพี่ส่งเจีย้ยนเขาลูกนี้มีชื่อว่าเขาหนวดมัฉากองซุนนาส่งเจี้ยนเข้าไปยังวิหารร่มม่วง ทั้งหมดลงมาจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทางในทหารชั้นประทวนผู้หนึ่งถือห่อทูปและของกำนันพากันเดินลึกเข้าสู่สลานกกระเรียนบรรดานักทศเต๋อพากันออกมาต้อนรับขับสู้กองสุนเชงและส่งเจียงด้วยความนอบน้อมกองสุนเชงจึงเอ่ยถามขึ้นไปว่าเอา้าพวกท่านอาจารย์ไปอยู่เสียที่ไหนเล่าเต้าสือผู้หนึ่งตอบว่าเออ หลายวันมันเนี่ยท่านอาจารย์หลบไปเข้าฌานทางด้านหลังเขานู้นไม่ยอมมาวิหารพบปะผู้ใดเลยกงซุนเชงพาส่งจิ้งลัดเลาะต่อไปอยังตามเส้นทางเดินป่าที่คดเคี้ยวไปมาบนไหล่เขาตรงไปยังกระท่อมที่ปลีกวิเวกของพระครูผู้วิเศษยังไม่ทันถึงหลีดีก็เจอหมู่ไม้ใหญ่จำพวกสนขึ้นเขียวขึ้มกับรวไม้พุ่มหนามที่ด้านนอกส่วนด้านในก็ปลูกเป็นไม้พุ่มและไม้ดอกแลดูสวยงาม ตรงกลางมีบ้านอุโมงค์เจาะเข้าไปในเขาต่อกันเอาไว้หลบหิมะสามห้องที่ตรงนี้เองที่พระครูโลเสียนวิเศษเอาไว้เป็นที่บำเพ็ญฌานภาวนาพอเห็นมีแขกมาเนนน้อยผู้หนึ่งก็เปิดประตู ร, รั้วรับอาคารตุกะผู้มาเยือนกงสุนเชิงก้าวล่วงเข้าไปในกระท่อมมุงฟางแล้วก้มหน้าลงคุกเข่าเบื้องหน้าอาสนะกรเรียนโคกศีรษะคารวะพระครูโลเสียนวิเศษผู้เป็นอาจารย์ตัวแล้วเ อ, อ่ยปากแนะนาว่า ท่านอาจารย์เพื่อนเก่าแก่ผู้สนิทที่ศาลตรงท่านนี้เพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษและนำทัพมาปราบเหลียวตามพระระแสะรับสั่งตอนนี้บุกฝ่าขึ้นมาถึงฉีโจนี้แล้วมาวันนี้จึงขอมากราบนมส ก, การท่านอาจารย์ขอรับพระครูโลจึงสั่งให้เชิญเข้าไปพอส้มเจี้ยงก้าวเข้าไปในห้องพระครูโลก็ลงจากธรรมาสมาต้อนรับ ส่งเจียงอรัธนาให้พระครูโลประทับนั่งเพื่อตัวจะได้เขาเต่าต่อหน้าเออเริญพรเถิดท่านแม่ครับแต่พระคุนท่านเป็นถึงเสนาบดีผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระครูโลทวงขึ้นเสื้อครุมม่วงเข้มขัดรัสเอลเป็นทองระดับนี้แถมยังมาในราชกิจพระองค์จกักรพรรดิอีกหัตมาก็เป็นเพียงนักพจนจนๆบ้านนอกหอกนาอยู่ป่าอยู่เขาจะไปบาอาจได้ไห น, นหรือ แต่ส่งเจียงยืนเป็นกระต่ายขาเดียวอยู่ตามนั้นจนในที่สุดพระครูโลก็นั่งลงแต่ก่อนอื่นส่งเจียงปักทู่้อมใส่กระถางจุดไฟขึ้นแล้วคุกเข่าโคกศีรษะเป็นการคาระวะแครั้งแล้วเรียกหัวหลงและหัวหน้าคนอื่นๆเรียงลำดับมานมัส ก, การโดยทั่วนหน้าพระครูโลบอกทุกคนให้ลุกขึ้นนั่งแล้วหันไปสั่งเนร น, น้อยนำผลไม้และน้ำชาออกมาบริการหลังจากสอบถามการเดินทางตามมารยาท กับคนหมู่นั้นพอเป็นพิธีเซียนโหลก็หันมาสนทนากับท่องเจี้ยงโดยตรงเออท่านแม่ทัพพระคุณท่านเป็นถึงดาวสวรรค์มีชื่อเสียงลือเรื่องกระเดื่องไกลไปทั่วแผ่นดินที่ราบภาคกลางมีดาวบริวารห้อมล้อมประพฤติปฏิบัติตามบัญชาสวรรค์เพิ่งเข้ามาสวาไม่พักต่อราชวงศ์องให้อนุชนจำนวนนับไม่ถ้วนรุน่นได้เรียนรู้ถึงคุณงามความดีที่ปรากฏ กองสุนเช่งเป็นสานุสิทธิ์ที่ข้าเป็นผู้ชักพาเข้าหาทางทรรมเขาตัดขาดทางโลกีอุเทนตนเสาะแสวงหาแก่นสารอันแท้จริงของชีวิตต่อม้าด้วยตัวเป็นหนึ่งในดาวสวรรค์เขาไม่ไมีทางเลือกจึงต้องไปร่วมกับท่านมาวันนี้ท่านกรุณาทําตัวลงมาเยี่ยมเยียนข้าผู้ต่ำต้อยหวานอย่าได้ถือผิดในข้อนี้เลย ส่องเจียงจึงพูดขึ้นว่าเออก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นเพียงเจ้าพนัก ง, งานชั้นต่ำสมียนตราพระจำสาร้ายุ่เชิงด้วยต้องโทษอาญาจำต้องหนีขึ้นไปซ่อนบนเขาโชคดีนักที่เหล่าผู้กล้าจากทั่วทุกสารทิศแหกันมาร่วมราวลมพัดพวกเราหนึ่งเสียงหนึ่งลมหายใจใกล้ชิดกระดุดเหนือกับกระดูกผูกพันประหนึ่งแขนกับลาตัวจนในที่สุดสวรรค์ก็เพิ่งจะเผยความในให้ทราบว่า พวกเราล้วนเป็นกลุ่มเทพอสูรกับมาปรปตพีสถิตรวมหมู่กันเป็นดาวสวรรค์อยู่บนชั้นฟ้าจากักรพรรดส่งประทานอาภัยให้พวกเราถึงสามครั้งกระทั่งบรรดาหัวหน้าทั้งสิ้นตามข้าพเจ้าออกมาสวมภิพตายร่มโพธิสมภารข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นแม่ทัพนำกำลังมาปราบพวกเหลียวแต่เนื่องด้วยเส้นทางเดินทัพผ่านมายังเทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ข้าพเจ้าจึงฉวยโอกาสอันประเสริฐ ขึ้นมากราบนมัสการพระคุณเจ้าหากพระคุณเจ้าจะโปรดทำนายทายทักให้กับข้าเจ้าได้ทราบถึงอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นพระคุณอันหาเปรียบไม่ได้เลยทีเดียวแนละ้วขอรับเอ๋จะเรินพรท่านแม่ทัพย่าพิ่งด่วนไปเลยอยู่รับอาหารเจกับข้าก่อนอันยามนี้เวลาก็ใกล้ค่ำแล้วอยู่ค้างในกระท่อมหมุงฝังหยับยบที่นี่สักคืน พอเช้าค่อยกลับลงไปทายเท้าจะเห็นเป็นประการใดหรือฮะ <c oughs> เออท่านอาจารย์นี่อารมณ์ดีเว้ย <c oughs> คนเป็นนักพรตก็อารมณ์ดีอย่างนี้แหละอยากเป็นมั่งไหมเล่าจะบวชให้เ อ, อ้ยขอเป็นแม่ทัพอย่างนี้ดีกว่าเออพระอาจารย์ขอรับข้าพระเจ้าใครจะอยู่ฟังคำทำนายทายทัก จึงเมื่อนั้นแล้วใจจึงจะสงบนอนตายตาหลับพอส้มเจี้ยงให้สัญญาณในทหารคนสนิทก็นำเงินทองอัญมณีมีค่าและผ้าไหมที่เตรียมออกมาประเคนพระครูโลเสียนผู้วิเศษโอ้โหม่ข้าเป็นเพียงคนเฒ่าคนแก่ที่คิดแต่จะเอากระท่อมซำซ่อเป็นที่พำนักนักพรตเต๋ากล่าวขึ้น ไม่คิดใครได้ใครดีกับทรัพย์สินเงินทองของใครเขาเหล่านี้ดอกทุกวันเฮขอเพียงมีผ้าผืนคลุมกายก็พอแล้วจะให้ไปปรารถนาอะไรกับการนุ่งไหมท่านแม่ทัพในฐานะที่ท่านคุมผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนทุกๆวันต้องใช้จ่ายเป็นร้อยเป็นพันช่างน้ำของกำนันของท่านนี้กลับไปซะเถิดเอาไปให้ไพร่ผลจะดีกว่าข้าไม่ต้องการสิ่งใด ขอเพียงเก็บถาดร้องท้องที่ให้มาเอาไว้ใส่ผลไม้ก็พอแล้วซ่งเจี้ยงโคกศิษะคํากคำนับอีกครั้งหนึ่งอ้อนวอนให้เซียนโลรับประเคนแต่เต้าสือผู้ชราใจแข็งปานเหล็กเพชรพอเสิร์ฟอาหารเจกินแล้วก็รับน้ำชาเสร็จเซียนโลก็สั่งให้กองซุนเชงลงไปเยี่ยมมารดาก่อนจะเตือนว่าเชงเอ้ยกลับมาแต่เช้านะแล้วตามท่านแม่ทัพกลับเข้าเมืองด้วย ขอรับธ่นาจารเสฉุระแล้วสิจะเรียบกลับมาขอรับอือีดิวจะเขาไม่บอกคืนนั้นเซียนโลนั่งสนทนาธรรมกับอคันธุกะส่งเจี้ยงเล่าถวายในรายละเอียดเรื่องที่รบกวนจิตใจตนแล้วอ้อนวอนให้ทํานาย่ายทัพท่านแม่ทัพท่านจิตใจมั่นคงจงรักพักือและปฏิบัติตามฤทธิ์สวรรค์เทวดาย่อมต้องปกปักรักษา สักวันหนึ่งท่านจะได้ตำแหน่งขุนนางท่านผู้ใหญ่อย่าได้ครางแครงใจไปเลยฮะหลังจากสิ้นชีพไปแล้วดวงวิญญาณของท่านจะได้สารเจ้าเป็นที่สิงสถิตแต่ในยามมือชีวิตดวงชะตาถูกเลิขิดให้อาภัพขัดขาดเขินเ ข, ขินเป็นยิ่งนักเออท่านอาจารย์จใจ ห, หมายว่าข้าพาเจ้าจะไม่ตายดีกระนั้นหรือโอ้โอโ อ, โอหาไม่ได้ ท่านจะได้สิ้นไปในเตียงนอนกรบร่างฝังตัวอย่างถูกต้องตามประเพณีเป็นแต่ในขณะนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เส้นทางแห่งชีวิตจะโคลงคระมากกว่าราบลื่นจะทุกข์โศกมากกว่าชื่นบานยามที่ดวงท่านขึ้นจนถึงจุดสูงสุดก็จงฉุดรั้งยับยั้งชั่งใจเอาไว้บางอย่าใครได้ใครดีกับราบสการะยศถาบรรดาศักดิ์เข้าใจนะเกี่ยงเอ้ย เออของเหล่านั้นไม่ใช่ประสงค์ของข้าพระเจ้าดอกขอรับขอแต่ให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมท่ากับบรรดาพี่น้องนั่นตังหากที่ต้องประสงค์ขอรับถึงจะยากดีมีจนก็ช่างประไรความปรารถนาแต่เพียงประการเดียวก็คือให้วงอาณาประชาราชได้อยู่เย็นเป็นสุขเสียนโหลภผู้วิเศษยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นว่าก็เมื่อที่สุดยามจากพระมาถึงเราคนไหนจะไปหวังอยู่เล่า ส่งเจียงโค้งคำนับขอคำทํานายอีกครั้งเต้าสือชราจึงสั่งให้เนน้อยเข้าไปหยิบกระดาษกับผู้กันออกมาแล้วรจนาลงในกระดาษก่อนจะยื่นให้น้อยคนนักพักดีมันก็ตันอยู่นั้นหายากลำบากแสนถึงบำราบเท็งเหนือดังไปทั้งแขวน โอดท่วงพันลี่ลับดังดับจันยามเหมันเวียนมาฝูงหาป่าจรจันแค่รัชสมัยเปลี่ยนผันบรรดาศักด์ก็ผันเปลี่ยนผ่าน <c oughs> เข้าใจนะเจี้ยงทรงเจี้ยงให้งุนงงสงสัยจึงคำนับเสียนผู้วิเศษแล้วเอ่ยปากถามพระครูโลว่าโ <c oughs> อ, อ้ท่านอาจารย์ขอรับโปรดไขปมปริศนาให้ข้าพระเจ้าด้วยนี่หมายความว่ากะไรหรือขอรับ <bur ain> <c oughs> นี่เป็นลิขิต จ, จากสวรรค์ถามกันไม่ได้ดอกหากไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยที่พมันเป็นรางไม่ดีเข้าใจไหมเ <c oughs> มื่อเวลามาถึงใต้เท้าก็จะนึกออกเองนั่นแหละเอาเอาละคืนนี้มืดนะักเวลาก็ดึกขึ้นไปทุกที <c oughs> ท่านแม่ทัพรดูดกลับไปพักผ่อนที่วิหารก่อนเถิดเช้าแล้วค่อยมาพบกัน หลายปีก่อนข้าเข้านิมิตบางอย่างตอนจำวัดจึงใคร่จะเข้าฝันในเรื่องนั้นอีกสักครั้งเพื่อจะได้คืนเข้าไปท่านแม่ทัโาพโปรดอภัยให้ข้าด้วยส่งเจี้ยงเอากระดาษคำกรอนแปดบทเก็บเงาไว้ในเสื้อแล้วกราบคำนับลาเซียนโลย้อนกลับไปนอนในวิหารอย่างเกา่าบรรดาเต้าสืออยู่รอท่าพาไปค้างคืนที่หอบาเพ็ญชานสมาธิของพวกตน พอเช้าตรู่ขึ้นมาส่งเจียงก็รีบกลับไปเฝ้าพระครูโลยามนั้นกองซุนเชงยืนรอท่าอยู่หน้ากระท่อมมุงฟางหลังนั้นแล้วเซียนโลรับอาหารเจ ร, ร่วมกับส่งเจียงพอเสร็จแล้วก็เอ่ยขึ้นกับส่งเจียงว่าเออเจียงข้ามีเรื่องจะขอร้องท่านเรื่องหนึ่งการเข้าไปยุ่งเกี่ยวในโลกของกองซุนเชงสิ์ข้านั้นน่ะข้าขอให้เป็นเพียงชั่วคราวนะเพราะดวงชะตาในที่สุดของเขา ต้องหวนกลับมาในวิถีธรรมแต่หากเขาต้องอยู่รับใช้ข้าที่นี่เขาก็จะละเลยหน้าที่ต่อบรรดาพี่น้องที่รอท่าอยู่ทั้งนูน้นท่านแม่ทัพข้าจะปล่อยให้เขาไปกลับใต้เท้าเพื่อประกอบกรรมดีให้ถึงที่สุดก่อนต่อเมื่อใต้เท้ากลับไปถึงเมืองหลวงกราบถวายชัยชนะแด่องค์พระจกักรพรรดิแล้วข้าหวังว่าท่านจะปล่อยเขากลับคืนมาหนาะเพื่อประการแรกเขาจะได้บำเพ็ญทำวิถี และยุติการที่มารดาห่วงอะไรบุตรอย่างไม่สิ้นสุดนี้เสียทีท่านแม่ทัพข้าไม่สงสัยเลยว่าในเมื่อเป็นนักรกผูกลาท่านยอมประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเสมอเพียงแต่ข้าชังนว่าท่านจะยินดีพิจารณาคำขอ น, นี้หรือไม่ฮะเจียงส่งเจียงตอบว่าเออสำหรับข้าพเจ้าคาพูดของท่านอาจารย์คือคาสั่ง ท่านกองซุนเชิงจะอยู่กับข้าพเจ้าต่อไปหรือไม่ก็ยึดเอาความปรารถนาของเขาเป็นที่ตั้งข้าพเจ้ามีบางอาจแทกแซงดอกขอรับพระครูโลผู้วิเศษกับกองซุนเชิงกุมสองมือยกขึ้นในระดับสายตาเป็นการแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของพวกตนก่อนจะพากันกล่าวว่าพวกเราขอรับพระคุณทายเท้า ที่ให้คำมัน่นสัญญานหนักเช่นนี้บรรดาหัวหน้าพากันกราบลาพระครูโลที่ตามออกมาส่งจนถึงหน้ากระท่อมแล้วเอ่ยขึ้นกับทรงเจียงและพวกว่าเออท่านแม่ทัพโปรดท่า น, นอมตัวด้วยพวกเราจะคอยฟังข่าวดีหวังว่าท่านจะได้รับพระราชทานยศชั้นในเร็ววันนี้นะทรงเจียงคานับและพระจากมาบรรดาม้า ที่ได้รับการขุนเลี้ยงพักผ่อนเป็นอย่างดีแล้วก็รอท่าทุกคนอยู่หน้าวิหารเหล่านักพรตพากันออกมาส่งแขกถึงชายวิหารและกล่าวอำลาอคันธุกะจุงม้าลงเขาได้ครึ่งทางก็ปีนขึ้นไปนั่งบนหลังบ่ายหน้าตรงไปยังฉีโจการเดินทางขากลับไม่มีเหตุการณ์ใดๆพวกเขาพากันลงม้าที่สาราว่าการที่ตั้งอยู่กลางเมืองลี่ขุยสลาตันดำรีบออกไปต้อนรับ พี่ไปเยี่ยมพระครูโลเซียนผู้วิเศษไม่เห็นพาข้าน้อยไปด้วยเลยอะทรงเจียงตอบว่าก็ท่านพระครูฟ้องว่าเจ้าคิดจะฆ่าพระคุณเจ้าท่านยังฝากด่ามานี่เลยอะ <_ c oughs> โอ้โหก็ไอ้ตอนนั้นน่ะพระคุณเจ้าก็หลงทันเอาจาข้าน้อยอ้วนบาราไทยมาแล้วทุกคนหัวเราะขึ้นทรงเจียงก้าวเข้าไปในศาลาว่าการ ทุกคนพากันไปชุมนุมกันในตึกหลังด้านในแล้วเอาคําทํานายไทยทักที่เป็นกรรไกแปดบทออกมาให้วุยหยงช่วยไขแต่ไม่มีผู้ใดอ่านออกกงซุนเชิงทักว่าเฮ้ยพี่ท่านนี่เป็นรหัสสวรรค์ตั้งใจไม่ให้ผู้ใดแปลความให้กระจ่างอาไปเก็บไส้ผลผลมันจะกําหนดชีวิตพี่ท่านไปจนจะหาไม่ยังได้พยายามเดาเลย <c oughs> ก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อถึงเวลาพี่ท่านก็จะทราบเองนั่นแหละเฮ้ยยุ่งจริงๆเลยว่ะเจียงนี่ ส่งจิ้งยอมทำตามคำแนะนำของกงซุนเก็บคำทํานายสอดเอาไว้กับตำราสวรรค์ทั้งสเล่มกองทัพส่งเจียงก็อยู่ในเมืองฉีโจไปอีกราวเดือนเศษๆในระหว่างนั้นเหตุการณ์ทางการทหารไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเครื่องหลังของเดือนที่7ก็มีศารมาจากข้าหลวงเจ้าที่ถันโจส่งมาบอกว่าราชสํานักมีคําสั่งเตือนลงมาให้รุกต่อส่งเจียนําเรื่องนี้ไปหารือกับบูยหยงทั้งสองจึงพาการไปหารือกับลู่จุนยี่และคนอื่นๆที่ยู่เทียน สักซ้อมการยักย้ายถ่ายเทตระเตรียมอาวุธยุทโธปันให้พร้อมพรักและวางกำลังลงไปในรายละเอียดเปลีกย่อยก่อนจะกลับไปฉีโจเส้นไหว้ธงชัยแล้วกำหนดเริกดีในวันเคลื่อนทัพในตอนนั้นนั่นเองคนรับใช้ผู้หนึ่งก็เข้ามาประกาศว่าพูดจากราชนจาจักรเหลียวมาขอรับส่งเจียงรีบออกไปต้อนรับเป็นเสนาบดีโออย่างผู้นั้นนั่นเองส่งเจียงจึงเชิญให้ไปหารือกันในห้อง ทั้งสองโอภาปราศัยกันตามธรรมเนียมทรงเจียงเอ่ยถามขึ้นว่าอะไรพาท่านเสนาบดีมาถึงที่นี่ล่ะขอรับเสนาบดีโออย่างว่าโอ้ข้าใครจะหาหรือเป็นการลำพังกับใต้เท้าขอรับทรงเจียงไล่คนอื่นๆ อ, ออกไปโออย่างจึงว่าพระมหากษัตย์แห่งราชนาจักรเหลียวผู้ยิ่งใหญ่ทรงพราพระเริไทยชื่นชมใต้เท้าเหลือที่จะกล่าว ท่าแม่ทัพหากใต้เท้าสวามิภักดิ้ข้าเชื่อแน่ว่าพระองค์ท่านจะประทานชันยศฐานอันดอนศักดิ์ให้ยางเออกอุแต่นั่นก็นับว่ายังไม่สําคัญนะักที่สําคัญกว่านั้นก็คือใต้เท้าควรรีบสวามิภักดิ์เข้าสู่พระบรโมโพธราชิสมภารเสียแต่เนิ่นๆ เ, เพื่อว่าพระองค์จะได้ไม่สรงกระวนกระวายพระไทยัยทรงเจียงจึงพูดว่าเออในเมื่อวันนี้ไม่มีใครอยู่ฟังข้าน้อยก็จะขอพูดเปิดอก วันก่อนที่ใต้เท้ามาพวกหัวหน้าของข้าก็สงสัยกันไปต่างๆนานาครึ่งหนึ่งนี่ปรารถนาจะสวามิภักดิ์ฮ่าข้าไปฟ้าวพระมหากษัตริย์กับใต้เท้าที่อยู่โจลู่จุนยี่ร้องไม่ทับข้าก็คงเอาทหารไม่ตามจับฉวยเราสองต้องรบกันนอกเมืองความเป็นพี่น้องก็คงต้องจบสิน้นข้ากับสมัรภักดิพวกจึงต้องไปหาเมืองอื่นหลบไปกดดานเมืองไหนก็ได้และถ้าเขายังไม่รู้และกลับไปเมืองหลวงตะวันออก ข้าก็คงต้องตามเขาไปด้วยกันแต่พอถึงตอนนั้นข้าก็คงได้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ของท่านเรียบร้อยแล้วและยังมีเวลาถมเถ ท, ที่จะหวนกลับมาเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งราชอาณาจักรเหลียวอ๋อย่างเอ่ยขึ้นด้วยความยินดีจากที่นี่อยู่ไม่ไกลนักจากปาโจจะไปที่งานต้องใช้เส้นทางผ่านสองด่านหนึ่งนั้นคือด่านยี่จินสองฝ้าของตัวด่านเป็นภูเขาสูงตรงกลางตัดเข้าไปในถนนรักษาการพร้อมจุดตรวจ ส่วนด่านที่สองชื่อเวินอันมีหน้าผาสูงชันแสนจะอันตรายประกบอยู่สองฝาาฝั่งเช่นกันพ้นออกไปก็เป็นที่ตั้งของตัวตำบลทั้งสองด่านเป็นประตูเปิดเข้าสู่ป่าโจทางด้านข้างหากใต้ถ้าต้องการจะไปหลบภัยที่ป่าโจก็ได้จังหวัดนี้ปกครองโดยกังหลีติ้งอันพระเชษฐราชินีในกษัตริย์เหลียวท่านจะใชเมืองนี้เป็นที่พักพนคอยสอดส่องติดตามดูสถานการณ์ก็ได้ขอรับ ส้มเจียงจึงเสนอขึ้นว่าโ อ, อ้ถ้าเช่นนั้นข้าจะต้องรีบส่งคนไปรับพ่อที่บ้านซะก่อนจะได้ไม่ถูกเขาจับหวานท่านส่งคนมานำทางไปให้ด้วยขอรับข้าจะได้เตรียมการเสียในคืนนี้เลยโ อ, อ๋อย่างปราบปลื้มนักอัมลาส้งเจียงออกจากตึกสาราว่าการขึ้นม้าแล้วจากไปส้งเจียงเรียกหาลู่จุนยี่บูหยงและจู่มาที่ฉีโจปรึกษาหารือกันในการเข้ายึดป่าโจด้วยเล่ พอรู้จักไปแล้วปู่หยงกับจูวูก็กระจายคําสั่งลงไปยังหัวหน้าต่างๆอย่างลับๆส่งเจียงแบ่งบรรดาหัวหน้ามาสิบสี่คนรวมทั้งไพร่พลราวหนึ่งมืแล้วก็รอท่าเสนาบดีโอหยางสองวันต่อมาเสนาบดีโอหยางรีบห่อม้ามาบอกข่าวท่านส่งเจียงพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเหลียวทรงเชื่อในความตั้งใจของใต้เทา้าเมืเ่อใต้เท้ามาอยู่กับฝ่ายเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรกับทัพส่งอีก ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังมีทหารมาจากยู่หยางและทะหารราบจากสางกู่คอยถวายการรับใช้แต่เมื่อใต้เผายัายางกังวลเรื่องบิดาเราจะส่งคนไปรับจากบ้านมาปาโจจะให้อยู่เป็นเพื่อนกับพระเชษฐาราชินีก็นับว่าเหมาะส่งเจี้ยนจึงว่าเออเราหัวหน้าที่ยินดีไปกับข้าก็พร้อมอยู่แล้วเราจะเริ่มไปเลยดีหรือไม่เซนาบดีจึงว่าคืนนี้เอยขอรับโปรดสังการลงไปได้ ส่งเจียงก็บัญชาลงไปให้เอาผ้าพันสวนที่เป็นโลหะและเครื่องอ่านม้าอย่ายให้กระทบกับเกราะให้เกิดเสียงแม้แต่คนก็ให้เอาปากคาบกิ่งไม้แล้วสั่งให้ออกเดินทางไปในคืนนั้นส่วนตัวก็บันเทิงข้าหลวงแทนพระองค์กระทั่งมืดแล้วสั่งเปิดกำแพงเมืองทางตะวันตกเซนแนบดีโอหยางพาม้าหมลเลูเล็กๆสักสิกว่าม้านำทางไปข้างหน้าแต่พอไปได้สักยี่สิบลี้ส่งเจียงก็อทานขึ้นว่าไอ้ยา ข้าเตยบบียงกับปูหยงที่ปรึกษาทับว่าจะไปสวามิภักดิ้ยกันเรารีบออกเดินทางเร็วไปหน่อยข้าจึงไม่ทันรอท่าโปรดเดินทับให้ช้าลงสักหน่อยเถิดส่งใครสักคนกลับไปตามเขามาด้วยขอรับพอได้เที่ยงคืนประตูด่านยี่จินก็ปรากฏเห็นเงาตะคุ่มตะคุมอยู่เบื้องหน้าเสนาบดีโออย่างตะโกนออกคาสั่งเฮ้ยเปิดประตูเุ้ยมึงเห็นว่าเนือใครมาหยางหยางยางมา รอจักคู่ครับท่านหยางในทหารที่คุมด่านรีบปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพก็พากันลอดด่านเข้าไปบ่ายหน้าต่อไปยังป่าโจตอนไปถึงนั้นก่อนหัวรุ่งสักหน่อยโอหยางก็เชิญส่งเจียงให้เข้าเมืองกังลี่ติงอันพระเชษฐราชินีได้รับแจ้งการมาของส่งเจียงแล้วด้วยว่าเป็นพี่ชายของพระราชินีท่านผู้นี้ทรงอิทธิพลยิ่งนักยิ่งไปกว่านั้นก็มีความห้าวหาญเป็นที่ยิ่งศรีนาบดีสองคนคอยรับใช้ในการพิทักป่าโจ หนึ่งชื่อจินฟูอีกหนึ่งชื่อเย่อชิงพอพระเชษฐราชินีทราบเรื่องว่าส่งเจียงจะมาสวามิภักดิ์ติงอันก็สั่งให้กองทัพที่ตามมาด้วยตั้งค่ายอยู่นอกเมืองปล่อยให้เฉพาะส่งเจียงแม่ทัพหน้าเข้ามาได้ตามลำพังเสนาบดีโอหยางนำส่งเจียงเข้าพบพระเชษฐราชินีที่ตำหนักในติงอันชื่นชมในความสง่างามของส่งเจียงก็ลงจากแท่นมาต้อนรับ หลังจากโอภาปราสัยกันตามธรรมเนียมแล้วติ่งอันก็เชิญให้ส่งเจียงนั่งส่งเจียงจึงเอ่ยขึ้นว่าไม่พระเชษฐาชินีเรียบดำกิ่งทองใบายกส่วนข้าเป็นเพียงเจ้าพนัก ง, งานชั้นผู้น้อยที่เข้ามาขอสวามิพักเหตุฉั้นไหนจะกล้ารับเกียรติยศดังนี้แล้วนี่จะคืนให้ได้ฉันใดขอรับพระเชษฐาชินีจึงตรัสขึ้นว่าไม่ชื่อเสียงเกียรติศัพท์ ของผู้วิชิตแห่งดินแดนจงกว๋วเรือกระชอนไปทั่วทั้งแผ่นดินท่านเป็นที่พอพระราชจรรย์ไทยขององค์อธิกไทยของเรานักพระองค์ย่อมจะทรงพระราชทานความสําคัญให้ท่านเป็นแม่นมันทรงเจียงจึงว่าหากได้อาบรัศมีบุญบา ร, รมีแห่งพระเทศธราชินีข้าน้อยก็สามารถที่จะแสดงกตันยุตาจิตตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณครงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างแน่นอนขอรับติ้งอันดีใจนัก สั่งให้จัดโต๊ะเลี้ยงต้อนรับส่งเจียงลมมาฆ่าวัวเอาไปเลี้ยงไพรพลที่ตามมาจัดที่ทางที่พมนักอาศัยให้หัวหงและหัวหน้าคนอื่นๆจนเมื่อ น, นั้นแล้วพวกไพรพนจึงได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองได้บรรดาหัวหน้าพากันมาคาระวะพระเชษฐาราชินีและขุนทหารเหลียวคนอื่นๆแล้วก็ไปรวมตัวกับส่งเจี้ยงในสถานที่ที่จัดพิเศษให้ไว้ส่งเจียงส่งข่าวไปขอศินาบดีโอหยางโปรดกรุณาแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่พวกคุ้มดาน หากูหยงมาถึงให้พลยผ่านด่านเข้ามาด้วยท่านผู้เนี้ยจำต้องอยู่กับข้าทั้งนี้เมื่อคืนก่อนพวกเรารีบออกมาจนลืมในกิจการสำคัญสำคัญต่างๆข้าขาดบูยงผู้นี้ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นท่านก็ชํานาญซึ่งกิจการพลเรือนเชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเตีทุกขั้นตอนอีกด้วยโอหยางก็ส่งข่าวไปยังด่านทั้งสองคือยี่จินและหวนอัน หากเห็นบุรุษนามบูยงแต่งกายในชุดบัณฑิตก็จงปล่อยให้เข้ามาที่ด่านยี่จินเจ้าหน้าที่คุมด่านมองจากเชิงเทินออกไปก็เห็นฝุ่นทุลีขนาดมือมาวุ่นเป็นทางจากดินขึ้นสู่ท้องฟ้ามาแต่ไกลอันเป็นสัญญาณว่ากองทัพขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาจึงบรรจุเชื้อประทุเข้าปืนใหญ่เตรียมรับมือกับข้าศึก ทันใดนั้นใกล้เข้ามาที่ซอกเขาเบื้องหน้าประตูดาบยังมีชายอีกผู้หนึ่งขี่ม้าเข้ามาเพียงลําพังมองดูเหมือนบัณฑิตมีหนึ่งหลวงจีนหนึ่งพระทุดงเดินตามมาข้างหลังมีชาวบ้านอีกนับสิบ ก, กว่าคนทั้งหมดรีบมุ่งตรงมายังประตูดา่านพ่อมาถึงบุรุษผู้นั่งบนหลังม้าก็ดึงสายบังเหียนที่มาหยุและตะโกนขึ้นไปว่าพ่อคือบูญยงที่ทุสสาทัพของท่านทรงเจียมหากพึงจะตามมากองทัพทรงไล่จี๋มาที่ติด เปิดประตูรับข้าด้วยอ๋อเป็นเขานั้นเองผู้คุมด่านคิดจึงสั่งทหารให้เปิดประตูรับปู่หยงเข้ามาหลวงจีนกับพระธุดงก็ถือโอกาสฝ่าตามเข้ามาด้วยทหารที่ปากประตูพยายามกันเอาไว้แต่พระธุดงก็หลุดเข้ามาภายในกำแพงจนได้เฮ้ยกูทั้งสองเป็นพระสละแล้วซึ่งโลกีย้ยังหลวงจีนร้องขึ้นเห็นไ้มลูะวะ กองทัพซงไล้ตามมาช่วยชีวิตพวกเราด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> พวกทหารพยายามดุนดันออกไปทั้งพระทั้งหลวงจีนต่างเดือดดานเฮ้ย <Hey! S 1> พวกกูไม่ใช่พระอ้ยทั้งสองกูตวาดพวกกูคือหลวงจีนลูกกับกูซงเจ้าแห่งการเข่นข้าบประหารประหารไม่รู้จักมั้้ยอ้หลวงจีนหลังลายเริ่มคอนไม้เท้าเหล็กทุบ ก, กระบาลทหารยามทุกคนที่ขวางหน้า ทันธุดงก็ควงดาบสองมือเข็นค้าทหารเหล่านั้นดังหันผักสับฟักแฟงแตงโมส่วนเหล่าชาวบ้านที่แท้ก็เป็นพวกหัวหน้าปลอมตัวมาก็พากันพุ่งเข้ายึดประตูด่านเอาไว้มั่นลู่จุนยี่ที่นำทัพใหญ่ตามมาก็ถือโอกาสนำทวยทหารเข้ามาในด่านพุตรงไปยังด่านบนอันบรรดาเจ้าหน้าที่คุมประตูด่านเหลือจะรับมือด่านทั้งสองก็ตกอยู่ในมือของฝ่ายเข้าตี ปูหยงรีบควบหมาตรงไปยังกำแพงเมืองปาโจโจังหวะที่ที่ประตูรายงานขึ้นไปทรงเจียงกับเสนาบดีโออย่างก็ออกไปพบนำพาเข้าไปกราบคารวะพระเชษฐาราชินีปูหยงอธิบายว่าพ้าเดินทางออกมาช้าไปเลิกไม่ถึงว่าลู่จุนยี่ทราบข่าวว่าข้าจะทิ้งเมืองเขาจึงพาทหาไรไล่ตามมาจนถึงตัวด่านแต่ข้าก็หนีมาถึงที่นี่จนได้ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นลู่จุนยี่ทําอะไรไปบ้าง พอถึงตอนนั้นม้าเร็วผู้หนึ่งก็เข้ามารายงานว่าไ่งอนทับซ่งยึดกานผลันได้แล้วกำลังมุ่งตรงมาทางนี้ขอรอับพระเชศฐาราชนีก็เรียกประชุมไพ่พลเตรียมยกออกไปรับมือข้าศึกท่งเจียงเอ่ยขึ้นว่าไต่เท้าไม่จาเป็นต้องทำถึงเช่นนั้นหรอกรอให้ลู่มาถึงกำแพงเมืองซะก่อนข้าจะพยายามหว่านล้อมให้เขากลับใจแต่ถ้ามาได้ผลก็ยังมีเวลารบกันถกไป ม้าเร็วอีกผู้หนึ่งก็เข้าไปรายงานติงอันตอนนี้พวกนั้นอยู่ไม่ไกลจากตูเมืองแล้วขอรอับพระเชษฐาราชินีติงอันกับส่งเจียงขึ้นไปดูบนเชิงเทินก็เห็นกองทัพของฝ่ายส่งตั้งแถวชิดกันเป็นระเบียบอยู่นอกเมืองลู่จุนยี่สวมหมวกเหล็กผู้เกราะครบองค์ถือหอกขี่ม้าท่าทีองอาจกําลังบงการทหารง่วนอยู่แล้วก็ชักม้ากลับเข้าไปใต้ร่มธงทิวท่วงท่าอาจหารเป็นยิ่งนักพลางตะโกนขึ้นว่า ไอ้สองเจี้ยงไอ้คนกระด้างกระเดืองต่อราชสํานักจงรีบออกหมอไปให้โกโมโหโนะมึงส่งเจียนยืนอยู่บนเชิงเทินที่สร้างเป็นเก่งเหนือประตูกําแพงร้องตอบกลับไปว่าหลวงพี่ราชสนักสง่งไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วอย่างไหนควรลงทันอย่างไหนควรรางวันไปบําเหน็จไอ้พวกใสใครไอ้พวกเจ้าเล่กําลังมีอํานาจ บัดนี้พี่ยายข้ามาส่วนไม่พักกับองค์สัตว์ราชาธิราชแห่งอาณาจักรเหียวที่ยิ่งใหญ่แล้วดังนั้นจงมาร่วมกันรักใช้อยู่ใต้เบื้องยุคนบาดจงอย่าได้ลืมเลือนคืนวันที่เคยร่วมอยู่ด้วยกันในบึงเหลียงซานเป่าไปเสียลูจุนยี่จึงตะโกนกลับไปว่าก่อนจะถูกลวงขึ้นเขาข้าก็มีชาติตระกูลมีสมบัติพสะเจบริหารกิจการใหญ่โตในเมืองหลวงมณฑลดร อ, อยู่ก่อนแล้ว ส่วนพระจักรพรรดิทรงพระองค์ก็ทรงประทานอภัยโทษให้ถึงสาครั้งพระองค์ยิ่งกว่ามีเมตตาทำให้กับมึง<ม>เหตุฉันไหนมึงจึงมังอาจทะยลาไอด้ดำต่ำเตี้ยเหลือเหลือมะเขือเผาอย่างมึงออกมารบกันดีกว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นใครเฮทรงจียงได้ฟังก็โกรธสั่งให้ยาเปิดประตูสั่งลิมชงหัวหงจูถงและมูหงออกไปกับตัวลูกจุงี่ ลู่สั่งการให้คนอื่นไม่ต้องช่วยเจ้าตัวถมเข้าใส่ในทหารทั้งสี่โดยปราศ จ, จากความเกรงกลัวคนทั้งห้ารบกันไปได้กว่ายี่สิบเพลงแล้วทั้งสี่ก็ชักม้ากลับมายังเมืองลู่ชูหอกขึ้นโบกหาทัพขนาดใหญ่ไล่กวดตามหลังมาติดติดลิ้มชงกับหัวหลงก็เข้าประจำที่บนหัวสะพานข้ามคูเมืองและระหว่างแท้งทาเป็นแพก็รบพลางถอยพลางร่นหนีก็ามาภายในกาแพงเมือง กองทัพขนาดใหญ่ภายนอกของฝ่ายส่งพากันกูนกนกร้องส่งเสียงเชียร์กันให้สนั่น <S <S 1> <S 1> ส่วนภายในเมืองร่งจีงกับทัพที่ตามมาแต่เดิมก็หันดาบเข้าใส่พวกเหลียวตาตาเข่งฆ่าไปทั่วหลายคนยอมมอบตัวพระเชษฐาราชินีติงอันได้แต่อ้าปากตาค้างถูกจับมัดตกเป็นเฉลยพร้อมหมู่เสนาอาามัน ส่งเจียงเปิดรับไพ่ผลที่ยังอยู่นอกเมืองเข้ามาภายในบรรดาหัวหน้าทั้งหลายก็กลับคืนมารวมตัวกันอีกครั้งที่สลาว่าการประจำจังหวัดส่งเจียงเรียกหาพระเชษฐาราชินีติงอันเสนาบดีโอหยางพร้อมทั้งจินฟูและเย่อชิงเข้ามาหาเชื้อเชิญให้นั่งปฏิบัติต่อด้วยความนอบน้อมส่งเจียงเอ่ยกับพวกนั้นว่าคนเหลียวอย่างพวกท่านไม่เข้าใจดอกขอรับ พวกท่านเข้าใจพวกเราผิดทานัดกลุ่มพวกกล้าของข้าหาได้เป็นโจรไพยที่ซ่องสูงชุมนุมกันอยู่ตามป่าเขาธรรมดาธรรมดาไหมพวกเราเป็นดวงดาวใน ส, สวรรค์จะให้ทรยศคดององพระจกักรพรรดินั้นหาได้ไหมสิ่งที่เราปรารถนาแต่เพียงอย่างเดียวก็คือปาโจจึงได้ฉวยเอาโอกาสนี้ตอนนี้เมื่อเราสาเร็จตามความประสงค์แล้วท่านพระเทพธาราชินี ขอเชิญท่านใต้เท้ากลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนในทะเลซ้ายอย่างเก่าได้เลยขอรับอย่าได้เกรงกลัวไปเลยพวกเราไม่มีความตั้งใจจะเอาชีวิตใต้เท้าส่วนบรรดาบริวารวงวานว้านเครือญาติพี่น้องก็เชิญกลับไปได้เช่นกันตอนนี้ป่าโจขึ้นอยู่กับพื้ดินส่งแล้วโรด่าได้คิดหวนกลับมายึดอีกทหารของเราจะกระจายกันอยู่ในทุกๆ ท, กที่ห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวก้กาวกาไกลใดใโดยเด็ดขาดท่งจีงสั่งขุนนางตาตาทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในเมืองให้กลับไปยู่โจ พร้อมติงอันออกประกาศรับรองความปลอดภัยแก่อนาประชาราษฎรท้องถิ่นที่เหลือแล้วสั่งให้ลู่จุนยี่แบ่งทับกึ่งหนึ่งกลับไปครองฉีโจส่งสารไปรายงานข้าหลวงเจ้าซึ่งรีบกราบบุญคมทูลถวายรายงานขึ้นไปยังพระจกักรพรรดิติงอันพร้อมด้วยเสนาบดีอีกสามคนและขุนนางใหญ่น้อยก็พากันรอนแรมกลับไปยังนครเหยียนจริงเมืองหลวงแห่งราชนาจักรเหลียวถวายรายงานเรื่องที่ทรงเจียงซ้อนกลเข้ามาสวนมิพักและผลก็คือ ไอ้พวกคนเถืนยึดป่าโจได้กษัตริย์เหลียวทรงกลิ้วพุทธสวัสดิ์ไสนาบดีโออย่างเป็นเพราะคิดจะเล่นโกงแบบขี่ขา้าสวามิภักดิ์ยังมึงแท้แททีเดียวเชียวเรื่องจึงได้กลับตาลปัดเช่นนี้มึงเอาเมืองป่าโจที่แสนสำคัญไปถาไวายเขาซะแลว้วแล้วนี่จะต้องกันเหยียนจริงได้อย่างไรกันแล้วก็ทรงมีรับสั่งเอามันไปตัดหัวเดี๋ยวนี้เอยู่ให้เกะ ก, กะลูกกระตากรว่ะ ผู้บัญชา ก, การทหารสูงสุดอูเยียนก็สืบท้าวก้าออกมากราบบังคมทูลทักทวงขึ้นว่าอายาไม่ผลกล่าวอย่าได้ทรงวิตกกังวลไปเลยพระเจ้าค่ะเจ้าฝาเหนือหัวแห่ง ร, ราชนาจักรของเรามีบงังควรนาพระองค์ลงไปเกลือกลัวกับคนบ้านนอกเคาะนาอย่างไอ้ทรงเจียงข้าพระองค์มีแผนการแล้วทรงให้อภัยเสยนาบดีโอหยามเสียถิดพระเจ้าค่ะหากทรงเจียงมันทราบว่าเราประหารเขา มันจะเยอะหยันใหญ่ภัยเราไปเปล่าๆพี่ปรืพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงอภัยให้โอหยางหันมาซับไซบูเเยียนว่าจะเอาชนะกองทัพพวกคนเถื่อนยึดเมืองที่เสียไปกลับคืนมาได้อย่างไรวูเเยียนกราบทูลว่าเฮ้ เราจะใช้ยี่สบแปดขุนศึก ด, ดาวประธานและสิบเอ็ดขุนพลฟ้าลิขิตพร้อมขบวนทัพทั้งหลายทั้งสิน้นบุกตีลงไปใช้ไม้เดียวรานให้พวกคนเถื่อนลงเสียให้ราพระเจ้าค่ะก่อนที่คำพูดจะสุดปากแม่ทัพใหญ่ขุนพลโฮก็สืบเท้าก้าออกมากราบบังคมทูลรับประกันขึ้นอีกว่าอาญามีผลกล่าวขอเดชะ<งาน>ขอพระองค์สงวงพระไทยได้พระเจ้าค่ะสาหรับข้าพระองค์ คำพูดแต่โบราณ น, นั้นถูกต้องยิ่งนักฆ่าไก่ฉันไหนต้องใช้มีดโค ร, รบเพียงแค่นี้ฉันไหนต้องถึงกับใช้กองทัพหลักข้าพระองค์มีแผนการที่จะส่งไอ้พวกคนเถื่อนเหล่านั้นลงหลงไปให้หมดพระเจ้าข้ากระสัเหลียวตรัสว่าท่านเสนาบดีเราใร่จะได้ยินนักูฮจรนายแผนการที่แสนยากคายลงไปถึงรายละเอียด ผลก็คือลูกจุนยี่ถูกลวงเข้ามุมอับทั้งคนทั้งมา้าไร้สิ้นเสบียงอาหารและฟ่อนยากองทับส่งวิดพากันไปชิบหายเหล่าวีรชนเมื่อเรามา ร, มาร่เคลือกใกล้จะวายปรานขุนพลโหกราบทูลแผนการอันใดโปรดติดตามบทหน้าหากว่าใครจะรู้ครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้าย น้มก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจกักรพิษพพรชัยทั้งสี่มีอายุวรนนะสุขาภาละปฏิพานทนสารสมบัติจงมีเด็ดท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ